บทที่53ณนเะช้าตรู่ของวันเดียวกันกันกบที่ระพินออกบุกบ่นซอกซอนไปในถ้ำลึกเพื่อค้นหาเชิดวุธกับคริสตินา่านั่นเองเป็นเช้าตรู่ทางด้านฝ่ายติดตามหลังมาคือเชิฐถากับคณะที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกันหมดจากการพักแรมที่หมู่บ้านซับบอนของกะเรียงปีหมอกจางพอมองเห็นเส้นลายมือได้ถนะัด และอาหารเช้ายังไม่สุกเพียงแต่ต้มกาแฟดื่มรองท้องกันก่อนเท่านั้นนายบ้านซับบอลคือกะเลี่ยงปีกับพวกเจ็ดแปดคนก็ถือปืนแกลบเข้ามายังกลุ่มของเชิฐถาพวกนายจะไปดูตรงที่นายละพินกับพวกนั้นมานอนพักกันให้ชัดๆอีกครั้งไม่เช้าวันนี้เจ้าปีถามขึ้นทุกคนมองหน้ากันแต่ดารินไม่มีการลังเลเลย ชวยได้ไลฟ์เฟิรนประจำมือลุกขึ้นบอกง่ายๆว่าไปพี่ชายกลางขัดพโพรงขึ้นมาว่าจะมีประโยชน์อะไรน้อยในเมื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาพบกันอยู่ที่ตรงไหนและเมื่อคืนนี้ก็ไปเห็นกันบ้างแล้วไปอีกทำไมให้เสียเวลาประเดี๋ยวกินอาหารเสร็จเตรียมออกเดินทางดีกว่าสำหรับเสือตัวที่น้อยยิงไว้เมื่อคืนเกลียงพวกนี้ต้องการให้จัดการ ก็ให้จัดการเอาเองไม่ค่ะพี่กลางน้องสาวเล็กบอกอย่างเด็ดเดี่ยวชนิดจะไม่ยอมให้อะไรมาขัดขวางได้ใครไม่ไปก็ไม่ว่าอะไรทุกคนอยู่ในแคมป์นี่แหละน้อยไปกับพวกนี้เองก็ได้รับรองเดียวเดียวกลับเมื่อคืนนี้มันมืดมองเห็นอะไรไม่ถนัดนักหรอกอยากจะไปดูให้ชัดๆในเวลากลางวัน ว่าแล้วหล่อนก็พยักหน้ากับในบ้านซับบอดและพวกนั้นพูดภาษาก็เหลี่ยงวะไปเราไปด้วยกันพวกก็เหลี่ยงพากันลุกขึ้นจากการนั่งยองๆและดาลินก็ก้าวนํำออกไปทันทีเชษดถาชัยยันและอนุชาทนอยู่ต่อไปไม่ได้จึงจําเป็นต้องคว้าปืนลุกตามเอาตามใจเจ้หน่อยเจ้จะเอาอยัางไงก็เชิญเถอะเมื่อคืนนี้ก็ทำเอาพวกเราปวดกระโหลกไปทีหนึงละชัยยันบน ก้าเข้ามาประกบเคียงข้างเชษฐานั้นเดินตามหลังมาโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นส่วนอนุชาหรือพลานชดหันไปดีดนิ้วเป็นสัญญาณกับพลานเก่าคู่ใจคือนานอินและตะโกนสั่งขยินให้คุมพวกลูกหาบไวด้ดำเนินการหุงหาโดยไม่จำเป็นต้องไปด้วยให้เสียเวลาซึ่งเจ้านักเรงโตลมช้างก็ปฏิบัติตามคาสั่งโดยดีทั้งกลุ่มโดยการนาของกะเลียงปี เิ่งมีดารินและชัยยันเดินตามไปติดตดิตัดทางออกจากหมู่บ้านบายหน้าเราลัดลำธารขึ้นไปยังตำแหน่งเดิมกับที่ไปกันเมื่อคืนนี้แล้วอีกครั้งโดยมีอนุชาเชิฐถาและพรานเท่านานอินทอดระยะตามมาเบื้องหลังท่ามกลางอากาศสดของป่าและเสียงนกลิงข้างละงมไปหมดชั่วไม่นานท่ามกลางแสงสว่างของอรุณรุ่ง ก็เลียงปีกับพวกก็นำคณะทั้งชุดมายังตำแหน่งอันเคยเป็นที่วางแคมป์ของรับพินกับนายจ้างอเมริกันอีกครั้งพร้อมทั้งที่ให้ดูบริเวณที่ขึงกระโจมอันยังมีล่องรอยเห็นอยู่ชัดเศษเครื่องกระป๋องเรชันและเศษวัตถุที่ไม่ต้องการแล้วทู ก, กวาดเข้าไปหมกอยู่ใต้โคนไม้ใหญ่เมื่อเป็นเวลากลางวันแล้วเช่นนี้ก็สามารถช่วยให้สารวจได้อย่างละเอียดละออถนัดชัดเจนทีเดียว ทุกคนของฝ่ายเชษฐถาเดินแยกย้ายกันตรวจหาดูหลักฐานต่างๆทั้งก้นบุรีก้นซิกา้าปลอกกระสุนไรเฟิลขนาดจุด 4, 4, 5, 8และปลอก 5.56 มมอันเป็นกระสุนของ M16 ซึ่งเห็นอยู่ทั่วไปก็เรียงปีอธิบายให้ทราบว่าปลอกลูกปืนเหล่านั้นส่วนมาก เกิดจากการลองทางปืนไม่ใช่การประทะกับฝูงสัตว์หรือเกิดการสู้รบกับไฟใดทั้งสิน้นพวกหมู่บ้านซับบอนข้ามฝั่งลำธารตรงไปที่ซากช้างเนา่าซึ่งมีซากเสือใหญ่ที่ดารินยิงฟุบขาซากช้างเมื่อคืนนี้พร้อมกันตะโกนพูดกันจอกแจกเชษดถาชวนทุกคนจะให้ข้ามธาร น, น้ำตรงไปยังตำแหน่งนั้นด้วยแต่พอมายืนชิดอีกฝ่ายหนึ่งมองไปเห็นเป้าหมายห่างออกไปไม่เท่าใดนะ ทุกคนก็ทนกลิ่นช้างเน่าไม่ไหวจึงเปลี่ยนความตั้งใจเพราะให้เป็นเรื่องของกระเลียงซับบอนตามลำพังที่จะจัดการแบกหามเสือตัวนั้นมาคงเดินเกรตรวจดูบริเวณอันเป็นแคมป์พัก ข, ของระพินเท่านั้นที่ผูรากไม้ใหญ่ใกล้ตำแหน่งปักเสาเต็นท์พักอันมีรอยมีดแกะสลักไว้เป็นตัวอักษรและหลอนมองเห็นแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ดารินทรุดตัวลงนั่ง บังไว้เสียเพื่อไม่ให้คนอื่นๆเห็นข้อความนั้นอีกสักร้อยปีถ้าไม่มีใครมาถากถางเนื้อไม้บริเวณนั้นออกมันก็คงปรากฏอยู่ว่าลาก่อนดารินยอดรักเราจะไม่พบกันอีกแล้วและแม้ว่าวิญญาณฉันจะออกจากร่างไม้นี้จงเป็นพยานเถิดว่าจะขอรักไปทุกชาติทุกภพ หล่อนไม่ต้องการให้ใครในบรรดาพี่ๆหรือเพื่อนเห็นเลยและอยากจะบังซ่อนไว้ให้มิดที่สุดเพื่อที่จะจดจำข้อความเหล่านั้นไว้กลางใจเงียบๆคนเดียวและขณะนี้หญิงสาวกำลังมองหาอะไรสักอย่างที่จะปิดบังอำพรางไว้เป็นต้นวากิ่งหรือใบไม้ขนาดใหญ่โดยไม่มีใครสงสัยเชษดถาเข้าไปใช้ไม้เคียดูเศษขยะ ของกลุ่มบุคคลชุดที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเพื่อจะสอบอะไรบางชนิดตามความละเอียดถี่ถ้วนของเขาชัยยันก้มก้มเงยๆค้นหาปลอกกระสุนที่ตกเรียราดอยู่เป็นย่อมย่อ ม, ม, มเพื่อพิจารณาให้แน่ชัดว่ามีปืนกี่ขนาดที่ใช้ยิงกันบ้างซึ่งการยิงเหล่านั้นพวกกะเลียงซับบอนบอกแล้วว่าเป็นการทดสอบทางปืน ส่วนอนุชาและนานอินพรานคู่ใจไม่ทิ้งนิสัยเดิมอันเป็นพรานโดยเฉพาะอนุชาก็เทียบเท่ากับพรานอาชีพไปแล้วได้ออกเดินเกรยตรวจ ด, ดูบริเวณรอบๆหางที่พักออกไปเล็กน้อยโดยถือหลักว่าหลักฐานล่อง้อยใดๆก็ตามที่จะค้นพบได้นั้นเท่ากับเป็นการบอกรหัสได้อย่างดีที่สุดว่าคนชุดแรกที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วนั้นมีการเคลื่อนไหวหรือกระทาอะไรบ้าง ระหว่างหยุดพักดารินถือโอกาสตอนที่พี่และเพื่อนยากแ ย, แยกย้ายกันออกไปนั่นเองชะโกกตัวลากกิ่งไม้อันประกอบด้วยใบไม้แห้งซึ่งเป็นรอยถูกตัดไว้โดยฝีมือของพลานพื้นเมืองของระพินอาจเอาไว้สุมบนเพิงชั่วคราวกันน้ำค้าง ตกทิ้งอยู่กลยกลายดึงเข้ามาปิดที่ภูของรากไม้ใหญ่อันมีรอยมีดสลักตัวอักษรไว้เจตนาของรอนที่จะปิดบังซ่อนงามไม่ให้ใครเห็นข้อความนั้นก็สำเร็จผลครู่ต่อมาเชิถาผู้แยกไปทางหนึ่งชัยยันและอนุชากับนานอินอันแยกเดินตรวจไปในรัศมี20เมตรรอบแคมป์พักก็เข้ามารวมจุดกัน มีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมกว่าการที่เรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าคืนแรกเราพินนำพวกมาพักนอนอยู่ที่นี่อีกบ้างไหมพี่ชายใหญ่เอ่ยถามขึ้นอนุชาชี้มือไปยังโขดหินใหญ่ก้อนหนึ่งด้านขวาของทางดานห่างไปราว20เมตรเห็นโพรเดนชัดอยู่ในพงไม้เตี้ยๆมีรอยกระสุนไรเฟิลขนาดใหญ่เข้าใจว่าคงจะเป็นจุดสี่ห้าแป วิ่งเข้าไปกระทบที่โขดหินก้อนนั้นแต่กระวนไปหมดและมีกระป๋องเรซินที่วางเป็นเป้าถูกกระสุนทะลุยับเยินไปเข้าใจว่าลรพินและพวกนั้นคงจะทดลองศูนย์ปืนโดยนํากระป๋องไปวางไว้ตรงนั้นนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากรอยตัดกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์และลรพินก็คือเราพินนั่นแหละเขาแยกตัวมานอนโดดเดี่ยวใกล้ๆกับพวกพรานพื้นเมืองและลูกขาบของเขา เพราะมีลอยดับก้นบุหรี่อยู่ตรงโน้นหลายก้นส่วนใต้ต้นไม้นี่คงเป็นกระโจมพักของนายจ้างฝรั่งสี่คนกับนายทหารไทยอีกคนหนึ่งอันแยกต่างหากออกไปส่วนพวกลูกหาบกระจายกันนอนล้อมพวกนายจ้างไว้ตรงกลางพวกนั้นได้รับบริการคุ้มครองป้องกันภัยอย่างดีที่สุดมีลอยก่อกองไฟไว้บริเวณรอบชั้นในที่พักนอนของพวกนายจ้างด้วยสามทิศเลย เชษฐาพยักหน้าพี่เข้าไปดูเศษ ว, วัสดุที่เขากวาดเข้าไปสมกองไว้ที่โคนไม้ตรงโน้นส่วนใหญ่ก็เป็นของชายแล้วของพวกฝรั่งสเบียงอันเป็นเครื่องกระป๋องล้วนชั้นดีทันสมัยนั้นเกินกว่าที่เราเคยพบเห็นสำหรับผู้หญิงสองคนที่มาด้วยในคณะก็คงกลมกลืนชำนาญในงานชนิดนี้มากเพราะไม่เห็นทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้จับสังเกตได้เลยว่ามีผู้หญิงสาวสองคนร่วมมากับคณะด้วย ว่าแล้วพี่ชายใหญ่ก็ส่งหลอดยาเล็กๆสองหลอดที่เก็บติดมืมอมามีรอยถูกเลื่อยปลายออกดูดชายแล้วส่งไปให้น้องสาวดูแทนคำถามดารินรับมาพิจารณาอึดเดียวก็บอกว่าอ๋อยาฉีดกันบาด ท, ทยักและก็แก้อักเสบกันหนองค่ะคงจะมีการปสมพยาบาลกันที่นี่จากเหตุการณ์ที่กรเลียงพวกนี้เล่าให้เราฟังว่ากระพินปะทะกับฝรั่งตัวโตนั่นจนถึงกับชกต่อยกันหน้าตาแห่ ภาวนาว่าให้ไอฝรั่งเจ็บกอรพินของเธอก็แล้วกันนะชัยยันว่าดารินยิ้มซึมซมไม่กล่าวเช่นไรขณะนั้นฝั่งตรงข้ามที่เกเียงกับเกเรียงปีกับรูปบ้านเจ็ดปดคนกำลังตัดไม้ชุลมุนอยู่การที่จะแบกเสือขนาดเครื่งซึ่งดารินยิงฟุบขาซากช้างไว้แต่เมื่อคืนเพิ่งจะนำเข้ากลับเข้ามาก็มีเสียงร้องลัานยังตื่นตกใจขึ้น พวกที่แยกขัตัดไม้วิ่งป่าแตกะตะโกนกันลั่นมาพร้อมกันก็มีเสียงคำรามยังดุร้อยเกรี้วกราดของพยะกล้องไปทั้งป่าดังไม่ห่างออกไปนะักทั้งกลุ่มที่ยืนคุยกันอยู่ฝั่งนี้หันขวับแม้จะเคยชินกันมาก่อนสักเพียงไรก็ตามอดที่จะสะดุ้งสุดตัวซิมิได้ไลเฟินในมือของทุกคนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมดาลินถะลันปราดเข้ามาแล่นข้ามลำพาน ไปยังตำแหน่งที่มาของความชุลมุนโวยวายนั้นแต่เช็ดากับชายยันล้างตัวไว้เสียก่อนอนุชาป่าค้นบุหรี่ในมือทิ้งบอกเร็วปรือว่าอยู่ตรงนี้แหละครับไม่ต้องตามผมมาพี่ใหญ่เอาตัวน้อยไว้ก่อนกว่าอะไรเขาก็กับนานอินก็ก้กยวยาวโยยาตัดลำธานตรงไปยังที่พวกนั้นทันทีอีกสามคนจึงยืนระวังเตรียมพร้อมยังอยู่ที่เก่าวสงสายตาค้นหาตามไปซึ่งก็ไม่พบอะไรนอกจากพวกกะเลี่ยงซับบอลที่ไปชุมนุมกันอยู่ที่ ซากช้างเตรียมจะเอาเสือที่ถูกยิงดับไปแล้วเมื่อคืนกลับซึ่งกำลังยืนรวนเรและสําระสายกันอยู่ทุกคนได้ยินเสียงอนุชาตะโกนถามอะไรพวกนั้นออกไปสองสามไปอยคแล้วก็ออกวิ่งตัดหายเข้าไปในป่าพร้อมหนานอินสวนทางกับกระเหลี่ยงที่ทำหน้าที่ตัดไม้ในพงทึบของทางฝั่งโน้นหายไปทันทีอชคใจใหญ่เท่านั้นมีเสียงอไรเฟื่อแผดระเบิดกึกก้องตูมสนันไปทั้งป่า แทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบกรีบลงตามเดิมต่อมาอีกไม่นานของการยืนรอฟังข่าวกันอย่างกระสับกระสายทุกคนก็เห็นหม่อมราชวงศ์อนุชาหรือพรานชดโผล่ออกมาจากเงาไมา้พูดอะไรอีกสองสามคำกับเกรเลียงเกรเลียงเปลี่ยนเป็นหัวหน้าหมู่บ้านซับบอนแล้วเดินกลับมาด้วยอาการปกติเกือบยุ่งแล้วเขาบอกเรียบๆ เ, เปิดลูกเลื่อนลเฟนในมือออกกระชาก ปลอกเกาที่ยิงแล้วสลัดทิ้งแล้วบรรจุนัดใหม่เข้าไปในรังเพลิงแทนเพื่อให้เต็มอัตราตามเดิมแล้วลดนกไว้ตามองไปยังน้องสาวไอ้เสือตัวที่เธอยิงไว้เมื่อคืนโดยบอกว่ายิงผิดนั่นแหละเตรียมจะขบขมอกรเรียงที่แยกไปตัดไม้โชคดีที่ไอ้นั่นเห็นจะก่อนวิ่งตาแหกหนีมาได้กระสุนของเธอที่ว่าผิดถูกตะโพกหลัง หักขาหลังทั้งสองข้างของมันตะกายหนีไปได้ไม่ไกลนอนเป็นเสือเจ็บซุ่มอยู่ในพงรกเพราะพวกนั้นเข้าไปตัดไม้ใกล้ๆก็ทําท่าจะเล่นงานเพราะจะไปต่อก็ไปไม่ได้จะตายก็ยังไม่ตายกลายเป็นเสือลําบากนอนเลียแผลอยู่โอ้ดารินตกใจคลางออกมาแล้วยังไงครับพี่กางจัดการเรียบร้อยแล้วหรือก็จัดการให้มันพ้นเวรพ้นทุกไปแล้วแต่พี่ไม่ชอบเลยที่จะต้องเดินเข้าไปยังเสือ ขาหลังสองข้างค่ะทำอะไรใครไม่ได้ถนัดนอกจากหมอบแยกเคี้ยวคูขมลามอยู่ก็เป็นอันสุดสิ้นเรียบร้อยไปเสียทีทั้งสองตัวไม่ต้องปล่อยให้ชาวบ้านแถวนี้ต้องเดือดร้อนต่อไปทุกคนถอนใจออกมาได้อย่างโล่งอกสิ้นเคราะหหมดกังวลไปทีเมื่อคืนนี้ตัวที่สองนั้นน้อยนึกว่ายิงผิดเสียอีกกลายเป็นว่ายิงให้มันเจ็บพิการไปแล้วก็ไปได้ไม่ไกลนอนอยู่ใกล้ๆนี่เอง ดีที่มันไม่ทันคบขมองพวกเราคนใดคนหนึ่งเข้าดารินครางอ่อยๆพี่ชายกลางทําเสียงฮือๆในลําคอพวกที่แยกไปตัดไม้มาทําคานหามไอ้ตัวแรกไม่ทันรู้ตัวเดินเซอ้อซาเข้าไปใกล้ตําแหน่งที่มันนอนเลียแผลอยู่พอดีเห็นบอกว่าแทบจะเหยียบลงไปบนหัวมันทีเดียวถ้ามันไม่คํารามลั่นขึ้นเสียก่อนเอาละ่ะ จะให้มาดูตำแหน่งที่พ่อยอดชายเคยพักนอนอยู่กับพวกนายจ้างพอพามาแล้วพอใจหรื อ, อยังหรือว่าอยากดูอยู่ตรวจหาอะไรอีกต่อไปโธ่พี่กลาง่ะดุดันเกลี้ยกลาดก น, น้อยมากนักสิษา์หล่อนร้อ ง, อ ง, อ ง, องเอามาเบาๆอย่างหน่าสงสารอนุชาถอนใจยาวและเปลี่ยนเป็นยิ้มเดินเข้ามาจับแขนน้องสาวพยักหน้ากับคนอื่นๆไป ถ้งั้นก็กลับไปกินข้าวที่แคมป์เถอะเสร็จแล้วจะได้ออกเดินทางต่อไปยิ่งทวงเวลาชักช้าโดยไม่จาเป็นเข้าไปเท่าไหร่โอกาสเราจะตามทันเขาก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นเราควรจะรีบเดินทางกันให้เร็วที่สุดปล่อยกะเรียงพวกนี้ไว้ที่นี่แหละคงจัดการแบกเสือสองตัวตามหลังเราไปเองไม่ต้องห่วงเขาหรอกทั้งคณะพากันเดินกลับเข้าเขตหมู่บ้าน โดยปล่อยให้กะเหลียงปีและพวกที่ทิ้งไว้ที่เก่าให้จัดการกับเสือสองตัวกันเองนานอินหันพปตะโกนสั่งความกับพวกนั้นก่อนที่จะพระมาเสียงโวกเวกเมื่อต่างกลับมาถึงเขตหมู่บ้านการหุงหาเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยการควบคุมดูแลของขยินพอเห็นคณะเจ้านายเดินรับทางด่านเข้ามาในบริเวณขยินก็ตะโกนถามมาก่อน เสียงปืนดังลั่นได้ยินถนัดมาถึงหมู่บ้านนานอินโบกมือร้องบอกความสั้นๆให้พอเข้าใจขยินก็เลิกสนใจเพราะไม่ถึงกับเกิดเหตุร้ายเป็นอันตรายกับใครอีกอย่างหนึง่งขยินก็คุ้นเคยกับเหตุการณ์เสียจนชาชินแล้วยิงเสือหรือช้างคว่ำไปสักตัวหนึ่งก็เหมือนๆกับยิงกระรอกกระแตเท่านั้นสาหรับยอดนักผจญภัยที่เคยร่วมทางกันมาในอดีตเมื่อไม่นานมานี้นะระหว่างทานอาหาร ทุกคนเห็นดารินซึมซึมไปชา ย, ยันพยายามชวนพูดเรื่องคบคันปลอบใจอยู่ตลอดเวลาอย่างมากที่สุดตอนก็เพียงแต่ฝืนยิ้มเท่านั้นพอทานอาหารเสร็จเชิฐถาก็สั่งให้พวกลูกหกักเตรียมเก็บของทันทีระยะเวลาระหว่างนี้ปรึกษาหาลือกันอีกครั้งเอาอยัางไงครับพี่ใหญ่สำหรับวันนี้ อดีตพานชดหรือพี่ชายกลางของราชสกุลวลาฤทเอยถามขึ้นง่ายๆระหว่างดื่มกาแฟคำถามเขาไม่เจาะจงเฉพาะเชษดทาแต่มันกินความเปรย ห, หาหรือไปยังชัยยันและหม่อมราชวงศ์หญิงดารินผู้เงียบขลึมด้วยเราจะใช้วิธีย่นระยะทางบ่ายหน้าไปห้วยเสือร้องเลยหรือว่าจะใช้วิธีแกะรอยตามหลังไปเรื่อยๆก่อน นิ่งคิดอยู่ครู่เดียวเชิดทาก็บอกอย่างระมัดระวังว่าพี่คิดว่าเฉพาะวันนี้เราแกะรอยหรือเดินทับร่อยเขาไปก่อนดีกว่าเหตุผลก็คือเราต้องการตรวจสอบเส้นทางเดินของเขาตลอดจนค้นหาล่องรอยอะไรด้วยถ้าแยกไปทางอื่นเสียเลยโดยวิธีก้าวสกัดดักหน้าเราจะไม่พบวี่แววของเขาในระหว่างนี้เลยเรายัางต้องการสารวจให้ได้ว่าเขาพักกันที่ไหน มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างไรหรือไม่ซึ่งไม่มีอะไรดีไปก่่นเดินทับลอยไปแต่ใช้วิธีเร่งเวลาเอาเพราะถ้ามีการหักหลังประทะกันหรือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรขึ้นใช่ก่อนระหว่างระพินกับพวกนั้นการเดินตรวจทับเส้นทางไปจะช่วยให้เรารู้ได้ทันทีก็ได้ครับแต่ผมคิดว่าในระยะทางช่วงทางช่วงต้ น, ตน ที่ยังค้นไม่พบซากเครื่องบินตกนี่พวกนั้นต่อให้ตระเตรียมแผนไว้เช่นไรก็คงยังไม่นำออกมาใช้กับคณะของรับพินก่อนหรอกจากซับบอนที่นี่เธอคิดว่ารับพินจะนำพวกนั้นไปยังจุดไหนต่อไปหมายถึงการพักนอนด้วยพี่ชายใหญ่ถามต่อไปโดยเร็วอนุชาหันไปซุบสิบหาเรือกับนานอินและขยินครู่เดียวก็บอกว่า ผมเข้าใจว่าราพินควรจะมุ่งไปโป่งน้ําร้อนเป็นจุดหมายถัดไปอาจไปถึงและพักนอนกันที่นั่นหรือมีฉะนั้นก็ในระหว่างเส้นทางระหว่างซับบอนกับโป่งน้ําร้อนนี่แหละข้ามเสียก่อนเพราะระยะทางมันห่างไกลไม่ใช่เล่นเหมือนกันถ้าไม่ตัดทางลัดคงไม่ถึงก่อนขําส่วนถ้าตัดทางลัดต้องเป็น ต้องปีนไต่หน้าผาสูงชันเรียบไปยังระหว่างลพยผาสูงมีอันตรายมากไม่เหมาะสําหรับกองคารวานใหญ่ยกเว้นแต่จะไปกันเฉพาะพวกของรพินเองเท่านั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเลือกเส้นทางอ้อมหรือทางลัดเดาใจไม่ถูกเดี๋ยวในกลางตัวนายเองนานอินและขยินก็ชํานาญเส้นทางดีอยู่แล้วขอถามสักข้อเถอะว่าวจากซับบอนนี้จนถึงห้วยเสือร้อง แล้วพินควรจะนำพวกนั้นไปถึงภายในเวลากี่วันชา ย, ยันเอ่ยแรกขึ้นถ้าไม่มีอุปสรรคไม่มีการเสียเวลากันที่ไหนเลยคือค่ำก็พักเช้าก็ออกเดินโ ด, โดยคำนวณว่าเขาจะต้องผ่อนฝีเท้ารอคอยพวกนายจ้างและลูกหาบที่แบกของหนักอยู่ด้วยอย่างชาก็คงไม่เกินหกวันแต่ถ้ามีเหตุอื่นใดมาทำให้ต้องเสียเวลาหยุดพักแวที่ไหนมากกว่าหนึ่งคืน มันก็จะล่าช้าออกไปอีกอดีตพรานชดผู้ชานานป่าแถบนี้ทั้งหมดเกือบจะเท่าๆกับคนชื่อระพินไพยวันตอบมาโดยไม่ต้องคิดตลอดเวลาที่พี่ชายและเพื่อนปรึกษาหารือกันดารินได้แต่นั่งมองตาคนโน้นที่คนนี้ทีหลอนทาหน้าที่ฟังอย่างเดียวชัยยันทําปากหมุกมิบนับนิ้วมือคำนวณแล้วว่ากวัพวกเราจะออกเดินติดตามมานี่ ประพินล่วงหน้าไปก่อนประมาณ7หรือ8ปวันแล้วถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรอย่างแกว่าเขาก็ควรจะเลยผ่านห้วยเสือลองไปแล้วถัดจากห้วยเสือลองไปไปก็เข้าป่ามรณะที่เราเรียกกันว่านารกดำไม่ใช่หรือถูกต้องเข้าเขตป่าหลงสำรวจดูดแดนสนธยาไปเลยสำหรับทางด้านนี้แบบเดียวกับพอผ่านหมู่บ้านหลมช้างของขยิม ก็จดเขตนรกดำเหมือนกันแต่คนละมุมคนละองศาของทิศเท่านั้นมีเขตหมู่บ้านชาวป่าอีกสักกี่หมู่บ้านจึงจะถึงห้วยเสือร้องอย่างว่านี่เชฐาถามต่อไปนอกจากซับบอนที่นี่แล้วก็มีชุมชนของชาวป่าขั้นระยะทางอยู่อีกเพียงหมู่บ้านเดียวเท่านั้นคือหมู่บ้านตะเคียนทอง จากนั้นก็ห้วยเสือร้องซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ดงดำแต่ก่อนจะถึงตะเคียนทองมันห่างไกลมากนะเป็นป่าเขาสลับดงดิบโดยตลอดสองวันต่อจากนี้ไปเราจะยังไม่พบหมู่บ้านเลยก็อย่างว่านี่แหละ ว, วันนี้เราเดินทับรอยเข้าไปก่อนพยายามค้นให้พบว่าเขาพักแรมอยู่ที่ไหนหาข้อมูลหลักฐานในการเดินทางของพวกนั้นไปสักระยะ ต่อไปค่อยตัดสินใจกันใหม่ว่าจะใช้วิธีก้าวสกัดหรือทำอย่างไรแต่ถึงอย่างไรก็ตามหมู่บ้านตะเคียนทองก็ดีหรือหมู่บ้านห้วยเสือร้องก็ดีเราจะเลี่ยงผ่านพ้นไปเฉยๆไม่ได้เพราะจะต้องหาข่าวจากพวกนั้นด้วยต้นไม้มันบอกกับเราไม่ได้แต่คนบอกได้พี่ชายใหญ่สรุปเก็บของเสร็จทุกคนเตรียมพร้อมเมื่อเวลาเพียงแค่สามโมงเช้าหรือ9ก้านอนมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เกเลียงปีและพวกช่วยกันถามเสือขนาดใหญ่สองตัวเข้ามาในเขตหมู่บ้านซับบอน พวกซับบอนไม่ขอร้องหรือพยายามจะถ่วงประวิงเวลาไว้เมื่อรู้แน่ว่าทางคณะกำลังจะเคลื่อนย้ายแต่ชี้ทิศทางให้พร้อมทั้งยืนยันซ้ำสนับสนุนแนวความเห็นของหม่อมราชวงศ์อนุชาวะละพินจะต้องมุ่งโปร่งน้ำร้อนเป็นเป้าหมายต่อไปแน่แล้วเขาก็รับอาสาที่จะนำทางไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนโดยพบ ก, กับเส้นทางที่คณะของลพินบ่ายหน้าไปเป็นจุดเริ่มต้นนับแต่ นับจากซับบอนเพราะการเคลื่อนขบวนของคณะที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วนั้นไม่ได้ตัดผ่านหมู่บ้านหากแต่เดินเฉียดไปทางด้านตะวันออกก่อนแล้วจึงวกขึ้นเหนือสิบหกคนอันประกอบด้วยพี่น้องสกุลวราริศสามเพื่อนตายเปรียบเสมือนญาติอีกหนึ่งพรานเท่านานอินขยินแห่งลมช้างกับลูกหาบห้าคู่สิบคนก็เคลื่อนขบวนพระจากหมู่บ้านซับบอนไปอย่างง่ายๆรวดเร็วฉับไว โดยไม่มีอะไรต้องอืดอาดล่าช้าเสียเวลาเลยความคุ้นเคยมาก่อนสมัยบุกเธอพระศิวะอันเป็นปัญหาทั้งมวลกลายเป็นเรื่องเล็กสิ่งที่เชษฐาและชายยันสังเกตเห็นสำหรับน้องสาวคนเล็กของคณนะก็คือหล่อนไม่สนใจว่าจะต้องอาบน้ำชราระกายใดใดทั้งสิ้นผิดกับสมัยก่อนมากผู้ชายคล่องตัวได้แค่นายหล่อนก็คล่องตัวได้แค่นั้นเงียบขรึมจะพูดกับใครก็เฉพาะจาเป็นเท่านั้นพอเริ่มออกเดินทาง ก็คอนไลเฟิรนในมือก้าวฉับๆไปในทันทีตาคมเฉียบกวาดมองป่าสองข้างทางผ่านไม่ว่าจะซ้ายขวาสูงต่ำระแวดระวังภา ย, ยุตลอดเวลาราวกับแจ่ก็ปี้แบบตัวระพินไพวันหรือมีวิญญาณของเขาสิงอยู่เต็มเปี่ยมเช่นนั้นมุมาณนะประกาศแววทรหดสุดใจขาดดินผิดไปเป็นคนละคนกับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินบาราริศผู้อยู่ถ้ำกลางอา ย, ายุรยธรรมในเมือง พอเข้าสู่เส้นเส้นทางเดินของคณะระพินอันพอจะเหลือล่องรอยให้เห็นอยู่บ้างจากรอยเท้าและก้นบุหรี่ที่ทิ้งไว้ก็เหลี่ยงปีก็แยกตัวกลับไปให้คณะไปกันตามลำพังขอให้โชคดีนายขอให้ตาพานใหญ่ได้ขอให้ตามพลานใหญ่ให้พบนั่นเป็นคำอวยพรประโยคสุดท้ายของในบ้านซับบอนผู้ปรารถนาดี ทุกคนโบกมืออำลากระเหลี่ยงปีผู้ยืนดูอยู่จนเลี้ยวโค้งทางด่านรับตาไปดารินนั้นเล่นฝีเท้าเต็มที่เดินแกะลอยอยู่หน้าขบวนตลอดเวลาไม่สนใจว่าพี่ชายหรือเพื่อนจะร้องเตือนให้ลงมารวมกลุ่มด้วยผลที่สุดก็กลายเป็นว่าเล่งให้ผ่านชดรุห ม, มอมราชวงศ์อนุชาพี่ชายกลางต้องกวดตามติดขึ้นไปประกบใกล้ชิดและเล่นขบวนให้เคลื่อนที่ย่างรีบรุดด้วย ทุกคนอดประหลาดใจไม่ได้ว่าหลอนไปเอาพลักําลังเรียวแรงมาจากไหนการเดินลุดหน้าไปนะั้นเป็นการเดินท่ารอยของคณะละพินไปนั่นเองร้อยบากฟันกิ่งไม้ไว้อันเป็นธรรมชาตินิสัยของพวกครานลูกน้องคู่ใจของเขาบ่งชี้บอกให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะให้พบได้นานอินนั้นได้รับคําสั่งจากอนุชาให้คอยเดินอยู่ใกล้ๆเชิดาชัยยันเพื่คอยเป็นที่ปรึกษาตลอดตอบคําถาม ส่วนขยินไปคุมอยู่ท้ายขบวนไตเนินสูงขึ้นตามลำดับพอพบด่านช้างขนาดใหญ่ที่ทอดไประหว่างลอนเขาสองลูกเชื่อมต่อดารินทำหน้าที่เป็นพรานนำทางไปในตัวโดยอาศัยแกะลอยเส้นทางเดินเก่าของรพินไปทุกระยะซึ่งอนุชาเพือเดินเคียงอยู่ใกล้ชิดก็นิ่งเฉยเสียเพื่อจะทดสอบภูมิเพื่อทดสอบภูมิ ข, ของน้องสาวว่าตรจะสามารถแกะร่องรอยได้แค่ไหน ยอมรับอยู่ในใจเงียบๆว่าดารินจัดอยู่ในขั้นชำนาญทีเดียวไม่มีการลังเลหรือปรีปรากถามก็สักคําบางระยะรลอนอาจหุดพิจารณาใคร่ครวญอยู่บ้างแค่มองสังเกตสภาพของป่าหลังจากนั้นก็ออกนําต่อไปอย่างแม่นยำไม่มีการคลาดเคลื่อนเลยอนุภาพของความรักมันเป็นเช่นนี้เองจากความอ่อนปวกเปียกที่สุดกลายมาเป็นความกล้าแกร่งทรหดที่สุด น้องสาวเรารักเขาจริงแท้แน่นอนเด็ดเดี่ยวและมั่นคงสุดชีวิตเสียแล้วชนิดไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้อนุชาลำพึงอยู่ในใจและมันก็เป็นความจริงถึงแม้ว่าดารินวราฤทธิโรเล่เหรและไม่แสดงความมุ่งมั่นจริงใจในการที่จะออกติดตามรพินเพีงคนเดียวเท่านั้นเขาผู้เป็นพี่ชายรวมไปถึงพี่ชายใหญ่เชษฐาและ เพื่อนชัยยันใครจะเป็นคนขันอาสาอย่างมากที่สุดก็คงเฝ้ารอคอยฟังข่าวกันอยู่เท่านั้นแต่การมาในครั้งนี้มันหมายถึงเอาชีวิตเข้าแลกทีเดียวจุดบัรดาใจก็มาจากเจตนามุ่งมั่นของน้องสาวเล็กเป็นแรงผลักคนสำคัญนั่นแหละพอขึ้นด่านช้างอันเป็นทางราบกว้าง แนวทอดไตสูงขึ้นไปนุชาก็ขยับไล่เฟินด้วยสัญชาตญาณเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งยืนทะมึนบกกวาดหูอยู่บนเนินสูงเบื้องหน้าห่างขึ้นไปเพียงแค่ไม่เกินสามสิบเมตรเท่านั้นเหมือนจะรอคอยอยู่ก่อนแล้วแต่ดารินผู้จำได้เหมือนกับว่ามันเป็นเพื่อนสนิทที่สุดคบกันมานานปีอามือซ้ายตกปากกระบอกไล่เฟนพี่ชายไว้เจ้าด้วนค่ะจาไม่ได้หรือแล้วมันก็ตะโกนแหลมกล้องขึ้นไปว่าด้วนไปนาหน้าไป พาฉันไปพบกับรบพินให้ได้ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายฉันรู้ร่วงหน้าแล้วว่าเธอจะมาคอยอยู่พญาโคจฉาญผู้ดูเหมือนจะมีสัญชตาตญาณอย่างซึ้งเข้าไปถึงจิตใจของมนุษย์สาวน้อยผู้มีนามว่าดารินมากที่สุดเรากับว่าชาติปังก่อนเธยอุปถัมเป็นมิสนิทกันมาเงยศีรักสะบัดปลายงวงเป่าลมครูออกมาแล้วเปลีนตัวกับเดินขึ้นเนินนำดุ่มดุ่มไปเบื้องหน้าเรากับช้างเรียงที่เชื่องแสนเชื่องสําหรับรอน หญิงสาวยิ้มออกมาได้หันมองหน้าที่ชายกางผู้ถอนใจยาเอามือป้ายเหงือกที่หน้าผากโค้งหัวช้าๆเกือบไปแล้วเขาพึมพำออกมาน้องสาวหัวเราะออกมาเบาๆได้เป็นครั้งแรกสำหรับเช้าวันนี้เห็นไหมคะที่กลางมันเชื่องแสนรู้และจงรักภักดีกับพวกเราจะตายไปกับเธอโดยเฉพาะน่ะสิไม่เชื่อพวกเราทุกคนหรอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ามันพบพวกเราคนอื่นๆโดยไม่มีเธออยู่ด้วย มันจะไล่เหยียบเล่นเอาหรือเปล่าโถพี่กลางทำไมถึงดูดเจ้าด้วนในแง่ร้ายงั้นหระคะช้างเป็นสอแสันรู้กันอยู่ในเมื่อมันเชื่องกับน้อยได้มันก็ต้องเชื่องและเป็นมิตรกับพวกเราทุกคนที่มาที่นี่ด้วยแน่นอนเพราะรู้อยู่ว่าเป็นพวกเดียวกันสำคัญใครอย่าไปบุ่มบามยิงมันเข้าก่อนเท่านั้นเฮ้ยลกออกปทีที่เห็นเจ้าด้วนมันดักรออยู่ด้วยยังนึกแปลกใจตั้งแต่ตื่นนอนเช้านี้แล้ว ว่ามันหายไปไหนมองไม่เห็นวี่แววเลยพี่แท้ก็มาดักคอยอยู่นี่เองเรากลับว่าจะรู้ว่าเราจะบ่ายหน้าไปไหนเสียงพวกเชดถาและชัยยันตะโกนถามมาว่าเกิดอะไรขึ้นพราะพวกคนเล่านั้นกำลังไต่าทางขึ้นมาและยังมองไม่เห็นภาพนั้นอนุชาจึงร้องบอกสั้นๆให้เข้าใจลงไปว่าพบเจ้าด้วยมาดักอยู่และขณะนี้เดินนาหน้าไปตามเส้นทางที่จะบ่ายหน้าไปอยู่แล้ว พร้อมทั้งเร่งให้ทั้งคณะกวดฝีเท้ากับชั้นชิปเข้ามาเพื่อจะได้เดินเกาะหมู่ไปด้วยกันพี่กลางและน้องสาวเล็กสาวเท้าไปตามเส้นทางแาดอันกว้างใหญ่นั้นพอขึ้นยอดเนินสูงและต่ําลงไปข้างหน้าก็เห็นเจ้าด้วนเดินเนิบๆ น, นำอยู่เบื้องหน้าต่ําลงไประยะห่างประมาณเจ็ดสิบถึงดสบเมตรไดารินสังเกตดูอาการเดินจากขาหลังของมันในเช้าวันนี้คล่องขึ้นกว่าเดิมมาก ไม่ปัดเปกระโเผกระเพกเหมือนเมื่อวันแรกแสดงว่าบาดแผลที่เท้าหลังอันเกิดจากขนเม่นตำํำและหล่อนเยียรักษาให้เริ่มอาการดีข้อ ย, ยังชั่วขึ้นมากแล้วอนุชาเองในฐานะพรางเก่าก็สังเกตเห็นได้ด้วยเช่นกันดูมันแสดงดูมันสบายขึ้นมากแล้วน้อยจากการช่วยเหลือของเธอขอไม่ให้มันหายเร็วๆเธอค่ะน้อยเชื่อมั่นอย่างประหลาดว่าเจ้าด่วนจะเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างมากที่สุด ในการเดินทางติดตามรับผิดครั้งนี้มันจะต้องรู้ว่าเขาบ่ายหน้าไปทางไหนรอนพูดอย่างมั่นใจแต่พี่ชายสายหน้าแต่พี่ไม่แน่ใจนะจริงอยู่การสำนึกในบุญคุณการรักสนิทระหว่างเธอกับมันทำให้มันมาเดินคอเคียอยู่ใกล้ชิดคณะของเราแต่ไม่ไปไหนห่างไกลโดยเฉพาะถ้ามีเธออยู่ด้วยแต่พี่คิดว่ามันอาจช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นต่อไปสักพัก มันอาจแยกทางของมันไปตามเรื่องตามวิสัยช้างป่าก็ต้องดูกันต่อไปค่ะแต่น้อยมั่นใจอย่างที่สุดถึงอย่างไรเสียเจ้าด้วนจะไม่มีวันแปรไปจากเราที่การไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์สําหรั บ, บเราบ้างหรือคะในการมีช้างป่านักสู้ตัวเข้าตึกคอยใกล้ชิดเป็นหน่วยรัตเวยนําหน้าให้เราอยู่แบบนี้ผ่านชดยักหน้าตาจับมองดูบ้านท้ายที่เห็นทางด้วนชัด ของโคชสารใหญ่ที่เดินเนิบๆ น, นำทางอยู่เบื้องหน้าถ้ามันพร้อมที่จะไปกับเราทุกขณะเราพักที่ไหนมันคอยอยู่ใกล้ๆด้วยก็ต้องนับว่ามีประโยชน์มากทีเดียวเพราะถ้าเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นมันจะส่งสัญ ญ, ญาณภัยให้เรารู้ก่อนทันทีประสาทสัมผัสของช้างดีกว่าคนมากนะักกลัว อ, อย่างเดียวเวลาพักค่ามืดดึกเจ้าดวนเดินเสือพวดพลาดเข้ามาตรงที่เราพัก โคกรูปภาพหรือคนอื่นตกใจเข้าใจผิดยิ่งตุ้มตามออกไปมันจะยุ่งกันใหญ่ไม่หรอกค่ะน้อยกําชับพวกนั้นไว้ทุกคนแล้วแล้วจะดวนก็ฉลาดมากก่อนที่มันจะเข้ามาใกล้เรามันมักจะมีสัญญาณเตือนให้เรารู้ก่อนเสมอว่าเป็นมันเป็นต้นว่าเสียงร้องเอ็ดเอดเสียงขึ้นไหวเข้ามาช้าๆจะไม่กระทําโดยการจู่โจมพรวดพราดถ้าพวกเราไม่ประสาทกันจนเกินไปนะเรื่องยิงเพราะเข้าใจผิดก็จะต้องไม่เกิดขึ้น เรื่องนี้น้อยจะคอยหม่านตัวตาระตักเตือนพวกเราไว้เสมอก็แปลกดีเหมือนกันนะระหว่างเธอกับเจ้าช้างตัวนั้นที่มีธรรมชาติเข้ากันได้อย่างดีที่สุดยิ่งกว่าควานกับช้างบ้านเสียอีกทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นช้างป่าโดยกำเนิดมิหนำสอบดูจากพวกชาวป่าทั้งหลายยังจัดอยู่ในประเภทจมเกเรสีด้วยแต่มันก็ไม่เคยฆ่าใครสักคนนี่คะไอ้ที่ชาวบ้านกล่าวหาว่ามันเป็นช้างเกเรนั้น น้คิดว่ามันเป็นช้างที่เล่นเสียงมากกว่าไม่งั้นรับพินจะสั่งกําชับพวกนี้ไว้ทําไมว่าไม่ให้ทําอันตรายมันแม้ว่าบางขณะมันจะปวดขับพกพานปัดหลายต่อหลายคนวิ่งหน้าตั้งมาแล้วมันเป็นช้างของรัพินค่ะและมันรู้ความในใจของน้อยด้วยเพราะมันพาน้อยให้ไปพบกับที่พักของรัพินกับพวกนั้นมาสองครั้งแล้วซ้ำยังช่วยพวกเราทั้งหมดไว้ด้วย ตอนที่ถูกไอช้างร้ายของรั ก, รกนั้นรอบซุ่มโจมตีไม่ได้ไอด้วนปะทบไว้ก่อนและส่งสัญญาณเสียงร้องให้พวกเรารู้ตัวป่านนี้พวกเราไม่คนใดคนหนึ่งก็คงจะได้รับอันตรายไปบ้างแล้วเมื่อบ่ายวานนี้ไม่อยากจะขัดคา อ, อะไรน้องสาวเพราะรู้ว่าจิตใจภายในขณะนี้เป็นอย่างไรหม่อมราชวงศ์อนุชาจึงนิ่งเฉยเสียปล่อยให้หลอนพั่มเพ้อรำพึงไปคนเดียวสิบห้านาทีเข้าไปแล้ว ของการขึ้นมาเดินอยู่บนด่านช้าอนุชาหเหียวหลังยังเห็นพวกเชิดาชา ย, ยันและลูกหาาถ้า ร, ระยะทิ้งอยู่ห่างออกไปตั้งเกือบร่วมร้อยเมตรจึงปลดวิทยุประจำตัวขึ้นมาชูให้ทุกคนเบื้องหลังเห็นอันเนื่องจากจตกนพูดกันก็คงไม่ไหวแล้วเปิดเครื่องขึ้นทันทีทำเวลาหน่อยขึ้นมาเดินรวมกลุ่มกันดีกว่าพอพูดลงไปในเครื่องเสียงชา ย, ยันก็ดังอ้าวตอบมาว่าโอเค จะเร่งตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละความจริงพวกเราก็ไม่ได้เดินช้ากันเลยแต่แกกับน้อยนะ่ะดูถ้าจะเป็นรพินไพรวันไปเสียแล้วเดินเร็วผิดสามัญธรรมดาไม่ต้องหยุดรอรอเพียงแค่ผ่อนฝีเท้าลงนิดและพวกเราจะเร่งขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวก็ทันเองแล้วชยันก็เรียกเึื้อสาวน้อยไม่ยังไงชยันไม่เหนื่อยบ้างเลยหรือพันอาชีพขนาดนังอิงหรือขยินยังบอกเลยว่า ไม่เคยเห็นใครเดินเร็วเท่าได้เทกับนายหญิงนอกจากพันใหญ่รพินเท่านั้น mm. เหนื่อยนาะมันก็เหนื่อยรอชยันตอนนี้เหงื่อฉันทุ่มไปหมดทั้งตัวยังกับอาบน้ําแต่กําลังยังมีและฉันต้องการทําเวลาอย่างที่สุดถ้าขืนโมโอเออยู่แล้วก็จะทิ้งแล้วนะไม่รอแล้วเสียงชยันหัวเราะมาดังรั้นเครื่องรับย้ายถึงกับอย่างนั้นเลยแม่คุณแม่ทุนหั ว, วกลัวจะเก่งแต่เฉพาะวันสองวันแรก ตอนที่ไฟยังแรงอยู่เท่านั้นต่อไปฉันไม่อยากเห็นเธอคานไม่มีวันเสียหลากที่จะคานมีแต่จะล้มและถ้าล้มเมื่อไหร่ก็ขาดใจเมื่อนั้นฟังฉันได้ทันทไีไม่จำเป็นจะต้องหักโหมนักน้อยเสียงพูดในครั้งนี้เป็นของพี่ชายใหญ่เต็มไปด้วยความการุุนและปลอบใจไปกา ร, รธรรมดาก็แล้วกันไม่ต้องรีบร้อนเกินไปเรามีวิธีการที่จะก้าวสกัดหรือดักหน้าอยู่แล้ว อีกอย่างหนึ่งคำนวณกันดูแลวพวกเราต้องเดินทางได้เร็วกว่าคณะของดับพินไม่ต่ำกว่าเท่าตัวว่าแต่จะเอาอยัางไงแน่สําหรับช่วงนี้เติรนตามเอะด่วนไปเรื่อยหรือมันยังนําหน้าเราไปข้างหน้าตามด่านใหญ่นี้คะและตลอดเส้นทางที่ผ่านมาก็ตรวจพบร่องรอยของคณะดับพินที่ร่วงหน้าไปก่อนแล้วมีเศษกระดาษเคมีสําหรับเชัดหน้าของผู้หญิงก้อนซิ ก, การ์และก้อนบุหรี่ทิ้งไว้ให้เห็นเป็นระยะระยะยกลางเอาอยัางไงขณะนี้น้อยกายเป็นประเทศไปเสียแล้วหรือ เชิดแถวเรียบไยงน้องชายกลางปรึกษาทางวิทยุในระยะที่ต่างฝ่ายต่างเดินตามกันมาแต่ห่างกันลิบลิถ้าจะปล่อยตามความคิดเห็นของน้อยก็คือเจ้าด้วนบ่ายหน้าไปทางไหนของตามไปทางนั้นแต่ผมไม่ยอมรอกเพราะไม่รู้ว่าเจ้าห่างด้วนมันจะพาเราไปทางไหนกันแน่ถ้าขืนยึดด่านช้างบนสันเขานี้ไปเรื่อยๆมันจะบ่ายหน้าไปโปง่งกระทิงไม่ใช่โป่งน้ําร้อนคนละทิศคนละทางกันเลยอีกสักพักผมจะตัดลงป่าไายทางด้านซ้ายมือ มุ่งเหนือแล้วจะพบทุ่งหญ้าคาและทุ่งแฟกใหญ่กว้างหน้าอยู่ด้านตะวันออกของทุ่งกว้างนี้จะเป็นทิวภูเขาหินติดต่อกับโป่งน้ำร้อนเป้าหมายที่เราเชื่อว่ารัพินจะไปพักหรือต้องผ่านที่นั่งเพราะในละแวกนี้มีแหล่งน้ำที่จะหาได้อยู่แหล่งเดียวหากฝนไม่ตกเสียงมอมราชบองอนุชาตอบมาเช่ฐาหันไปหารือกับนานอิงผู้เดินอยู่ใกล้ๆ ก, ก็ได้รับคาตอบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับเส้นทาง ของอดีตพันชดตรงกับของแกคือจะยึดเส้นทางด่านชานี้ตลอดไปไม่ได้นางหญิงมีความมั่นใจอยู่กับเจ้าด้วนตัวนั้นแต่พันชดกระดานอิงเชื่อตัวเองมากกว่าว่าจะไปไว้ใจเจ้าด้วนมันได้อย่างไรมันเห็นพวกเราเดินป่ามันก็เดินไปด้วยเพียงแต่นําข้างหน้าเท่านั้นมันอาจนําเทียบไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอนหรือดีไม่ดีพาไปป่าช้าช้างเสียก็ไม่รู้ขึ้นไปมัวหลงตามมันอยู่นางอินว่าส่วนทรินหัวรอบบอกมาบ้างว่า หรือไม่งั้นมันอาจพาไปเราไปหาไอ้เงาทายที่มรกรนครนั่นเลยก็ได้ในายใหญ่เพราะฉะนั้นเชื่อหนานอินกับพันชดเหอะดีกว่าเชื่อไอ้เวรหางด้วนตัวนั้นอดีตท่านทูตทหารบทเชื่อพระวงพยักหน้าเขาเองก็เชื่อในความสามารถแกะรอยของอนุชาและพันครูผู้เท่าคือหนานอินมากกว่าที่จะเชื่อคล้อยตามดารินผู้มีจิตใจ จ, จดจ่อศรัทธาอยู่กับช้างป่าที่บังเอิญมาผูกพันกันได้และช่วงไม่นาน เพียงแค่อนุชาผ่อนฝีเท้าลงเล็กน้อยและทางด้านเชถากับกบวเบื้องล่างเร่งทําเวลาขึ้นอีกนิดเดียวเท่านั้นสินาทีให้หลังทั้งหมดก็เดินตามมาทันโดยไม่มีอะไรชักช้าแม้แต่พวกลูกหาบสิบคนห้าคู่ที่แบกของหนักอยู่ก็ล้วนแต่เป็นนักเดินดงชั้นดีด้วยกันทั้งนั้นน้อยต้องเชื่อพีก่กลางและหนานอินงเขานะอย่าเอาแต่ความหวังไว้กับเจ้าด่วนตัวนั้นแชฐาบอกกับน้องสาวพวกก้าวรุดไปเบื้องหน้าด้วยฝีเท้าอันมั่นคง ก็มองจับสังเกตอยู่เฉพาะช้างป่าที่นำอยู่เบื้องหน้าหล่อนฟืนยิ้นจืดๆค่ะพี่ใหญ่แต่ถึงอย่างไรน้องก็ยังมั่นใจในเจ้าด้วนของน้อยอยู่เสมอเอาละ่ะเป็นอันว่าการตัดสินใจเลือกทางยอมให้เป็นของพิการกับหนังอิงแต่เราก็คงจะได้รู้กันต่อไปข้างหน้าว่าระหว่างพิการหนันอิงฝ่ายหนึ่งกับเจ้าด้วนของน้ออีกฝ่ายหนึ่งใครจะติดตามตามรอยของรัพินได้แม่นยากว่ากัน วันนี้มันอ่านเดินเล่นๆมากับพวกเราแต่พอพรุ่งนี้ก็คงจะไปตามทิศทางของมันแล้วคงไม่คิดจะไปกับเราโดยตลอดดอกยืยันว่าลอนเฉยไม่ตอบตอบเช่นรยร่างของพญาพุชสารป่าที่เดินดุ่มๆไปเบื้องหน้าบางครั้งก็เห็นถนัดบางครั้งก็รับหายไปจากสายตาพอพื้นที่อันลาดต่ำบ้างขึ้นสูงบ้างลักษณะเป็นลอนขึ้นไม่มีใครสนใจกับมันมากนะักนอกจากดารินคนเดียว ป ร, ประมาณสิบนาฬิกาแดดที่สองสอดกิ่งไม้ทึบบ้างโป่งบ้า ง, ง, างเนื้อสีสันขึ้นไปทอดลำเหลืองอารามลงมาจาับที่พื้นเป็นจุดคราวอยู่ทั่วไปป่าซีกซ้ายมือเทราบเอียงลงสู่เรื่อง่างอุดมไปด้วยกอร์ดุกขนาดใหญ่อรุชาชี้ให้เห็นก่อนที่ถึงจุดนั้นประมาณห้าสิบเมตรเราจะแยกซ้ายตัดตรงไปป่าไผ่ที่เห็นนั่นแหละครับโดยไม่ต้องคานึงว่า จะพบร่องรอยทางลงของฝ่ายรพินตรงไหนหรือไม่เป้าหมายถัดไปของเราก็คือทุ่งแฝกเอาเอาอยัางไงก็เอาการสูดราตาเธอเถิดพี่ชายใหญ่พนักยักหน้ารับคำเมื่อถึงที่หมายกำหนดบอกพานชชหรืออนุชาก็หันไปบอกมือเป็นสัญญาณกับขยินผู้ร่างท้ายไม่ห่าง ก, กันนะัก ท, ทันทีให้ตอนพวกลูกหาบลงไปก่อนตอนเองรักคณะยืนพักเหนื่อยดื่มน้าสูกบุหรี่เป็นตัวแรก ภายหลังการเดินทางอยากรีบเร่งเป็นเวลาสองชั่วโมงเต็มๆบนด่านชา้าแล้วก็ส ก, กิดให้ชายยันกับเชิดถาดูไปที่ดารินผูขนน้ขณะนี้กำลังยืนอยู่บนก้อนหินสูงก้อนหนึ่งมองตามหลังเจ้าด้วนซึ่งยังเดินดุ่มๆของมันไปตามเส้นทางใหญ่นั้นโดยไม่ได้เหลียวกลับมาเลยด้วนหยุดก่อนกลับมานี่หล่นป้องปากตะโกนสุดเสียงไร้ผลเสียงของหม่อมราชวงศ์สาวคนสวยสะท้อนกล้องไปทั้งความเงียบ เจ้าด้วนมีอาการเหมือนไม่ยินไม่ยนตสนใจใดๆทั้งสิ้นมันดุมๆของมันไปเรื่อยจนกระทั่งรับแนวโค้งของทางด่านบางรับหายไปกับสายตาเลือกเอาได้น้อยทยันย้อนมาจะแยกทางลงไปกับพวกเราหรือจะเดินตามเจ้าช้างเกเรเกตุงของเธอตัวนั้นไปก็ตามใจอย่าท้านะเดี๋ยวฉันเดินตามเจ้าด้วนไปจริงๆพวกเธอจะเดือดร้อนไล่ตามฉันอีกเท่านั้นเอาละช่างมันเถอะ มันอาจเดินไปหาอาหารของมันก็ได้แต่พนันกันได้ภายในวันนี้ไม่ว่าเราจะแยกไปทางไหนมันจะต้องโผลมาให้เราเห็นอีกแน่นแหละถ้าโผล่กลับมาคราวนี้มีละพินนั่งขี่คอ ม, มาด้วยก็คงจะดีนะเพื่อนชัยว่าอ๋อฉันจะกลาบมันเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วหล่อนก็สบตัวลงนั่งอย่างอ่อนแรงรับตาพนมมือเหมือนจะเสียงอธิษฐานอะไรอยู่ในใจเพื่อนและพี่ชายมองเห็นแล้วก็ขบขัน เราคนสังเวชแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรพักกันประมาณ5นาทีโดยปล่อยให้ขยินและหนานอิงและพวกลูกหบ่บตัดทางล่วงหน้าไปก่อนพอให้หายเหนื่อยและกำลังขาคืนกลับมาอนุชาก็พยักหน้าบองให้ทุกคนเคลื่อนต่อโดยเขาเป็นผู้นำสภาพของป่าภัยที่พวกร่วงหน้าไปก่อนแล้วดูเปรียบป่าวิเวกเหลือเกินเมื่อเหลือเดินกันตามลำพังพี่น้องสองคนและเพื่อนอีกหนึ่งคนโดยไม่มีลูกห่อยู่ด้วยแต่ แต่ก็ชั่วไม่นานอนุชาก็ลัดเลาะตัดทางออกมาบรรจบกับผู้ที่ร่วงหน้าออกมาก่อนในระยะกระชั้นชิดห่างกันแค่ไม่เกินยี่สิบเมตรเท่านั้นที่พวกนั้นเดินเรียงเข้าขบวนกันอยู่เชิดถากับชยันถอนใจออกมาได้อย่างโล่งอกและเชื่อมั่นในอดีพันชดเพิ่มขึ้นอีกเป็นอย่างมากในชั้นเชิงเดินป่าการก้าวส ก, กัดและคำนวณทิศทางของเขาซึ่งแม่นยำดีที่สุดโดยไม่จําเป็นต้องแกะตามรอยเท้าของพวกนั้นไปพอบรรจบพบกันได้ นานอิง ก, ก็เดินเลี่ยงเข้ามายังคณะเจ้านายเข้าไปพูดซุบซิบอะไรอยู่กับหม่อมราชวงศ์อนุชาเชษฐาชายันและดารินก็แวดล้อมตีวงเข้ามาประกบทันทีมีอะไรก็บอกกันให้รู้พร้อมหน้าอย่าทำเป็นรับพิงกับแง่ซานในสมัยก่อนมาแอบซุบซิบอะไรกันเองทำนองนี้เตือนหลายครั้งแล้วเชษฐาโผขึ้นด้วยเสียงเรีย บ, ยบไม่เชิงตาหนิน้องชายการยิ้มจืดๆ มีรอมหิงสารงนอนเกือบฝุ่นในป่ารวกที่พวกนี้เดินผ่านมาครับใหญ่มากและตัวเดียวอย่างที่เรียกกันว่าโทนซ้ำยังเจอรอยมูลสดๆยังอุ่นอยู่เลยสับเพสสัปตาสัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยชายยันพูดขึ้นรอยๆอยไม่มีอาการตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นเราไม่ได้คิดจะมาตามราสัตว์หรือต้องการอาหารประเภทเนื้อในขณะนี้ก่อนเพราะมีพอเพียงแล้วอย่างน้อยก็อีกหลายวัน มันไม่ใช่อย่างนั้นสิชัยยั น, นพานชดขัดขึ้นเบาๆพร้อมกับหัวรักเกรียมๆในยำคอเราไม่เบียดเบียนสัตว์แต่บางทีสัตว์มันก็มาเบียดเบียนเราเหมือนกันถ้าเป็นที่ของมันและอีกอย่างหนึง่งในบรรดาพวกเราทุกคนที่มาที่นี่ก็ไม่ใช่พัทพุทกพัททุดองผู้ทรงศีลบริสุทธิ์อะไรที่จะมาแผ่เมตตาให้แก่มันได้ต่างคนต่างเคยล่าสั ต, ตว์ตัดชิดมาราทั้งสิ้นกรรเก่าอาจตามทานันเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยนี่แกไม่เคยรู้จักควายป่าที่เรียกว่ามหิ่งสาดอกหรือชายยักระย์ก็น้องๆแคปปา ฟ, ฟาโรในแอฟริกานั่นแหละแต่ดูเหมือนจะดูดเดือดร้ายเหตุผลกว่าเสียอีกซ้ำยังว่องไวปรับเปลี่ยวเกินรูปร่างลักษณะสมัยก่อนก็เคยตามล่ากันมาแล้วแทบล้มแทบตายก่อนจะได้ตัว ทำไมแกคิดว่ามันปนปื้นอยู่แถวนี้หรือนานอินบอกว่ารอยเท้าทิศทางเดินมันบ่ายหน้าออกทุ่งแฝกทางเดียวกับที่พวกเราจะไปมันลูกจากที่นอนและล่วงหน้าไปก่อนเราไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่แล้วมา น, นี่เองทุ่งแฝกที่เราจะตัดออกอยู่ทางด้านไหนเชษฐาถามขึ้นเรียบๆน้องชายกลางชี้มือไปทางตะวันออกเฉียงเหนือตัดออกทางนี้แหละครับเดินในป่าไผ่มิอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ทะลุกออกแล้วพี่ชายใหญ่ของคณะ ผู้ก็จัดว่าช่ำชองป่ามาแล้วตรวจดูดทิศทางลมแล้วว่าถ้างั้นเราก็อยู่ใต้ลมมันไม่เป็นไรหรอกเตือนทุกคนให้ระมัดระวังหน่อยแล้วกันมันเองก็คงไม่รู้ตัวทันว่าพวกเราจะเดินไปในเส้นทางเดียวกับมันและอาจุดหน้าไปเรื่อยๆตามภาษาคงไม่หากินอยู่ในบริเวณทุ่งแฝกหรอกตอนนี้ก็ตะวันสายเต็มทีแล้วก็ไม่แน่นะนายใหญ่นันอินบอกขึมๆป่าแกยังเคี้ยวมาอยู่หยักยัก ในทุ่งร่องข้างหน้าที่เราจะโผล่ออกมามีทั้งเนินหญ้าที่แตกระบาดหรือบางแห่งก็มีหลบบักโคนมันแอบไปหากินหญ้าที่ระบาดแล้วล ง, ลงนอนแช่เย็นในคนก็ได้แหล่งน้ําไม่มีในทุ่งก็จริงแต่หลมโคนมีเอาเทินหนาปัญหาเล็กแค่นี้เองระวังตัวหน่อยก็แล้วกันอย่านําเฉียดเข้าใกล้เนินหญ้าระบาดหรือหลบโคนหนักอิงน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่นาบ้ามันไม่มีทางเลี่ยงยังไงบ้างเอาหลัก ตัวลุงเองไปนําพวกนั้นอยู่ข้างหน้าแล้วกันพานครูหนันอิงไม่ว่าอะไรเดินเดินผักไปนําหน้าขบวนทันทีอนุชากับพี่น้องและเพื่อนตรวจทิศทางลมเพื่อนความแน่ใจอีกครั้งแล้วออกเดินรวมหมู่ตามไปติดิดไม่มีใครคิดห่วงกังวลอะไรมากนะักแต่ก็เตรียมพร้อมช่วไม่นานของการเดินลัดล้อไปตามเส้นทางเล็กๆในดงรวดอันแห้งผักร้อนระอุนั้น ขบวนทั้งหมดก็ผล่ออกมายังบริเวณที่ร่งกว้างใหญ่มองผิวเผินว่าเป็นทุ่งราบเรียบมีกำแพงภูเขาหินกั้นทะมึนอยู่เบื้องหน้าและเป็นฉากหลังแต่ความจริงบริเวณที่ร่งกว้างนั้นอุดมไปด้วยหญ้าคาพงเสือหมอบและทุ่งแฝดบางส่วนก็เป็นป่าโรกเดือยสลับไปกับป่าล้อมอเ้เล็กๆเป็นไ ม, ม้ล้มลุกที่ไม่ใช่ไม้ยืนต้นแต่ในระดับสายตาปกติแล้วมันไม่สามารถจะมองเห็นพื้นที่ในระดับต่ำราบเรียบโป่งตาตลอดไปได้ พยยอดวัชพืชเหล่านั้นส่งท่วมหัวลมสงัดตะวันแฝงตัวเข้ากีบแม่นกต้อยชีวิตตื่นตกใจส่งเสียงร้องรับบินพรูขึ้นมาเป็นระยะระยะนานอิงนําคณะลูกหาบเดินแบบพงหญ้าคาและยญ้าขนไปได้คู่หนึ่งก็ตัดออกบริเวณที่โล่งเกี้ยงขึ้นบ้างพอไปเห็นอะไรในระดับสายตาดได้ในทัศนวิสัยกว้างไกลายินเดินอยู่ท้ายขาบวนลูกหาบส่วนคณะของเจ้านายทั้ง4เดินตามหลังมาอีกทีหนึ่งเป็นกลุ่ม เวลาย่าไม่ห่างจากขบวนลูกหักเท่าใดนะักอากาศยิ่งร้อนและอุบขึ้นทุกขณะเพาราะกลางที่ร่องอันมีทิวเขาร้อมรอบซ้ำยังไม่มีลมพัดละตะวันก็ลอยสูงเกือบจะอยู่กลางสีรษะแดดประเดี๋ยวหุบประเดียเด๋ยวจ้าจนแสบผิวหน้าสุดแต่ว่าเมฆจะลอยมาบางหรือเคลื่อนพ้นออกจากขีดสีดำเล็กๆที่ลอยคว้างอยู่บนสูงขึ้นไปลึกๆประมาณสิกว่ากีดเหล่านั้นคือแรงที่กาลังเล่นลมบน ระดับของผิวที่มองเผินๆว่าอยู่ใน แ, แนวราบก็จริงแต่ถ้าจะวัดหาระดับกันแล้วก็จะรู้สึกได้อย่างนักเดินป่าผู้ชํานาญว่าทุ่งกว้างนั้นเริ่มจะเอียงราดขึ้นไปสู่ส่วนที่สูงขึ้นไปอันหมายถึงตีนเขาหินอันเป็นโขดเขินเนินสลายอยู่เบื้องหน้านั่นเองคือจะค่อยๆไต่สูงขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้สึกตัวมาขามป้อมและมาหดยืนต้นเตี้ยๆอยู่กลางพื้นที่โล่ง รอบด้านนั้นเป็นระยะ ะ, ยะปรับไปรวนเป็นอาหารอย่างดีของพวกสัตว์สีเท้าเศษคือเป็นอาหารทั้งสิน้นซ้ำยังมีโคกอยู่ทางด้านซ้ายมือหันออกไปราวสองร้อยเมตรหญ้าอ่อนแตกระบาดขึ้นอยู่เขียวชอุ่มแต่เดิมนั้นควรเป็นโคก ข, ของป่าไผ่และคงเงนื่องจากไฟป่าลกลามเผาผ่านต้นไผ่แห้งกลายเป็นเท่าไปหมดแต่ทอดเวลาได้ฝนเข้าบ้างจึงมีหญ้าอ่อนๆขึ้น นันอิงชี้ให้ทุกคนดูเนินหญ้าระบบัดนั้นแต่ไม่พูดอะไรตากมองตามไปไม่เห็นวิวแววของสัตว์อะไรทั้งสิ้นการเดินคงเลือกเดินไปตามเส้นทางที่เรียบและสะดวกที่สุดครึ่งทางระหว่างป่าไผ่ที่โผล่กันออกมาก่จะถึงบริเวณเชิงเขาทำกลางความเงียบนอกจากฝีเท้าเบาๆของคณะทั้งหมดที่ย่ำลงไปบนพื้นหญ้าคาเตี้กขนาดเขาขณนะที่ผ่านและม่อมย่อ ม, อ ม, อมบริเวณหนึ่งดูเหมือนเกาะ อ, อยู่กลาง ทุ่งต่างก็แววเสียงอะไรชนิดหนึ่งเคลื่อนไหวดังฝุ่นฝาบออกมาทางด้านนั้นเป็นเสียงน้ําไหวตัวของสิ่งที่มีน้ําหนักมากมายอยู่ในปรกโคน ส, สี่คนที่เดินอยู่เบื้องหลังชนะทันทีส่วนพวกที่อยู่เบื้องหน้านานยิงผู้นําอยู่หน้ากระบวนก็ก้าวล้ําออกจากหัวแถวหลีกตัวออกมายืนนอกเส้นทางมือของแกก็โบกเป็นสัญญาณให้ขยิบต้นพวกลูกหาบให้เดินหน้าต่อไปแต่ชี้ให้เลี้ยงออกไปด้านขวา โดยพยายามให้หากออกจากเสียงที่แววมานั้นมากที่สุดอย่างผ่านผู้ชำนาญต่อเหตุการณ์อันไม่น่าไว้วางใจกลางป่าไม่มีอะไรที่เงอนะงะหรือต้องลำบากใจสำหรับคณะเดินทางทั้ง16คนที่เดินมาด้วยกันในชุดนี้เพราะแม้จะเป็นเพียงแค่ลูกหากโดยแท้จริงพวกนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของรับพินอยู่แล้วทั้งนั้นเพียงแค่สัญ ญ, ญาณตีมืออันเป็นรหัสรู้กันเท่านั้นทั้งชุดก็เบนออกจากทิศทางเดิมด้วยอาการปกติ เพียงแต่ยิ่งเดินกันอย่างรีบเร่งมากขึ้นถ้าหินก็ต้อนไปทันทีอย่างรู้จักหน้าที่ของตนมันแน่หรือกลางเช่ถากระิบถามพันชดหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาน้องชายอาจใช่หรืออาจไม่ใช่ก็ได้ทั้งสองอย่างแต่ไม่มีอะไรนอนเกิด อ, อยู่ในปากที่เรามองไม่เห็นอยู่ริมริมระมาะนั่งแน่ตัวใหญ่ลหนักมากอนุชาตอบแผ่วค่อยๆ่ยแงามลูกเลื่อนจุด4 5่แที่บนจุดลูกหัวแข็งแบบแฟูแฟขึ้นดู และบิดลูกเรื่องลงตามเดิมนกปืนในลูกเรื่องก็ขึ้นทันทีที่เขาบิดก้านลูกเรื่องลงผมว่าที่ใหญ่นนอนและเชิดถาเลี่ยงจากเส้นทางนี้ตามหลังพวกลูกหาไปน่นดีกว่าครับผมกับนันอิงจะคุมเชิงให้ไว้พอถึงอย่างไรก่อนที่มันจะถึงขบวนลูกหากมันก็ต้องผ่านผมดหนันอิงก่อนที่ไม่อยากขัดใจเธอรอกกลางแต่ปืนหนกระบอกดีกว่าแค่สองกระบอก มีสนามซ้ำขนาดนี้เธอกับหนานอิงยังยืนกันอยู่คนละด้านคนละมุมมันอาจวิ่งตัดผ่านกลางมาระหว่างเธอกับหนานอินก็ได้อะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าถ้ามันผ่านเธอกับหนานอินไปได้พวกรู่รหากป่นแน่เพราะทุกคนมีแต่เพียงลูกสองถ้างั้นเอาอย่างนี้ครับอดีตพันชดพูดเร็วอย่างคนตัดสินใจอะไรง่ายๆผมจะยืนคุมเชิญตรงนี้แหละพี่ใหญ่เดินตามรอยเก่าวของพวกรู่หักไปนับจากนี้ได้29แล้วหยุด ปากหลักลงนั้นชายยันเดินถัดไปต่อจากพี่ใหญ่อีก2ี่สก้าและอยู่เช่นกันจะเป็นแนวของพวกเราสี่จุดดักขวางทางมันไว้ไม่ให้บุกเข้าใสา่พวกขบวนลูกหา่าส่วนน้อยพี่ชายกลางหันมาทางน้องสาวคนแรซึ่งกำลังยืนสงบนิ่งอยู่ทว่าแววตาเคลียมกล้านดวงตาแดงก่ำด้วยประกายแดดเชื่ออะไรพี่สักครั้งได้ไหมจะให้น้อยทาอย่างไรคะพยินคุมขบวนลูกหา่า แนบหลีดไทม์ไปทางล้นแล้วไม่มีไรเฟ้นซักกระบอกเดียวคุมเธอเดินตามพวกลูกหักแยกไปเสียเธอแล้วคอยดูด้วยถ้านาทีวิกฤตมันเกิดขึ้นจริงๆโดยไอ้นั่นซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรระหว่างอาหิงสาตัวที่เราสงสยัยหรือแรด <c oughs> ผ่านแนวปืนสิกระบอกที่วางไว้ไปได้เธอสกัดไว้เป็นด่านสุดท้าย <c oughs> ก่อนที่มันถึงขบวนลูกหาก <c oughs> ตกลงค่ะดารุนพูดง่ายเป็นครั้งแรกเหมือนกัน พมกับบอกออกมาเป็นประโยชน์สุดท้ายว่าถ้าอย่างนั้นลราก็ระวังการยิงผ้าถูกกันเองนะคะเพราะยิงดักกันเป็นอยู่แนวแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชา ย, ยันเพราะบุ่มบ่ามใจร้อนไม่ค่อยคำนึงถึงวิถีกระสุนนะการโจรสรอนก็เด็ดก้นานยากขนใส่ปากกัดไว้เจวเท้าผักออกจากกลุ่มเดินกวดตามขบวนลูกห่าที่ขยินนาเรื่องไปห่างจากละมอทางด้านซ้ายมือไปทันทีเชิดเ้าตบไหล่น้องชายกลางและพยักหน้ากับชา ย, ยัน ให้เดินตามเส้นทางของพวกลูกหา่าพอครบ29เขาก็หยุดชา ย, ยันนั้นเดินต่อไป29ก้าก็หยุดเช่นกันแนวของบุคคลทั้งสี่คืออนุชาเชษฐาช ย, ยันและพันคูหนังอิงจิงเป็นแนวหน้ากระดานขวางกันระหว่างป่าละม็อกและพวกลูกหาาที่เดินเลี่ยงห่างกันออกไปโดยพวกนั้นมุ่งเข้าหาเชิงเขาโดยเต็มสตรีมการรู้มือกันดีอยู่ก่อนแล้วไม่ทําให้ใครต้องห่วงใครนะักดารินเดินไปพราง ก็เหลียวกลับมองดูบ่อยๆครั้งหลอนก็เดินเอาข้างๆบ้างโดยสาะโดยสายตามองจับอยู่ที่แนวดักของพี่ชายกับเพื่อนและพันฉั้นครยอยู่ตลอดเวลาขอดรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันตัวของหลอนก็หักออกไปเป็นลำดับเสียงดิ้นพิกตัวขึ้นอยู่ในปากดังรุนแรงขึ้นอีกครั้งพร้อมกับลมหายใจสะบัดพืดได้ยินออกมาอย่างถนัดแน่ชัดทั้งสคน มือหนึ่งกำกระจนปืนอีกมือหนึ่งกำคอปืนไว้ปากกระบอกอยังเงยสูงเจ็ดสี่ส้าองศาโดยพันท้ายพร้อมที่จะขึ้นกระทบไหล่ได้ทันทีลมร้อนโชยแล้วอย่างเบาบางที่สุดจากเนื้อผ่านไปทางทิศใต้มทุษทั้งหมดจึงกลายเป็นว่าอยู่เหนือลมของมันไปในบัดนั้นเสียงพูดขราวนี้จึงดังสะท้อนไปยังท้องทุ่งพร้อมกันจากความรับเรียบปโปร่งโล่ง ที่มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากยอดย่าและละมอบไม้ร้างสีดำชิ้นหนึ่งพอกเต็มไปด้วยคนซึ่งจับเป็นก้อนกับบิ่พโขึ้นมายืนจังก้าเห็นชัดเกือบเต็มตัวพร้อมด้วยเขาทั้งสองที่งอนง้อที่มีแหลมคมตวัดเข้าหากันท่ามกลางแสงตะวันเกือบเที่ยงเหมือนมีใครปั้นก้อนดินเล็กๆขนาดใหญ่นามาตั้งไว้มุมบังของละม็อกไม้ทาให้ชัยยานนานอิงที่อยู่ห่างออกไปเบื้องหน้า ยังไม่สามารถจะมองเห็นตัวได้แต่โดยมุมของอนุชากับเชิดถาเห็นได้ถนัที่สุดผิดค่าแไปถนัดเึกว่ามันจะอยู่ในป่าละมอที่ห่างไกลออกไปที่แท้มันขณะที่มันโผล่ขึ้นมานั้นไม่เกิน40เมตรเท่านั้นเองคนหนาที่เกาะตัวมันยังไหลหล่นลงปากอยู่แผละแผะแงนเบิเบ่งสบัดปลายเขาเงยจะบกสูดหากิ่นเหมือนกับว่ามันไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างแล้วมันก็ เริ่มออกวิง่งเหยาะๆพื้นทุ่งสะเทือนด้วยน้ำหนักร่วมสองตันมาหยุดยืนหันรีหันขวาโดดเด่นอยู่กลางที่โลง่งเมื่อนั้นเองชายเย็นกับนานอิงผู้ยิงหากออกไปอีกจึงมองเห็นภาพอันไม่น่าไว้วางใจนั้นไม่ใช่แรดไม่ใช่กระดิ่งแต่ถูกต้องตามข้อสงสัยของนานอิงและอนุชาทุกอย่างมันคือควายป่าหรือมหิงสาขนาดลูกช้างรุ่น พูงพีกัมยัใหญ่เต็มขนาดของมันเทียบก่ากระทิงที่ใหญ่เต็มที่แล้วเล็กน้อยแต่ตัวอวกกัมย์กว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หนอกคอและแผง อ, อกเค้าสวยหรือประมาณไม่มีรอยหักหรือแหว่งวินเลยมีขนาดเท่ากันทั้งสองข้างรวมทั้งรัศมีความงอนโค้งลักษณะท่าทีของมันปร ะ, ประกาศชัดว่าจะไม่อย่างต่ออินหอมยมราชหน้าไห น, หนทั้งสิ้น เชษฐาและชายานตวัดปืนขึ้นบ่าจับศูนย์ไว้แล้วแต่ยังไม่ลั่นไกอนุชากำหนันอิงยืนถือปืนเฉลียง45องศาอยู่ในอาการเดิมทุกคนยืมสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวกระดุกกระดิกแม้แต่นิดเดียวคงมีแต่ดาเรียนและพวกหากที่ห่างรีบๆออกไปเท่านั้นที่ยังรีบรุดเคลื่อนไหวไปอย่างเร็วที่สุดหนึ่งในจานวนผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5แห่งป่าภาค พ, พื้นเอเชียเริ่มออกวิ่ง ประเดี๋ยวโคกไปทางขวาแล้วก็หยุดเบิ่งมองประเดี๋ยก็ย้อนกลับมาทางซ้ายพร้อมกับหมุนวนไปมาอยู่อย่างนั้นเชื่อในจมูกมากกว่าสายตาและชานะปรสสาทของมันในยามนี้แต่ยังไม่สำเนียกชัดว่าสิ่งแปลปลอมอยู่ตำแหน่งไหนการแน่เพราะจุดยืนของมนุษย์ทั้งสี่เป็นแนวขวางกาั้นทำให้มันไม่แน่ใจชัดว่ากลิ่นมาจากไหนแน่นอนถึงอย่างไรก็ตามทั้งเชษฐาและช ย, ยันก็ยอมรับอยู่ในใจว่า พันชดกับต่างอินย่อมจะเหนือกว่าโพวกตนทั้งสองแน่นอนเมื่อยังไม่มีเสียงปืนจากทั้งสองพันเขาก็ยังไม่กล้าปล่อยกระสุนออกไปและอ่านใจพันชดกับดานอินออกว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆแล้วอาจไม่ต้องเสียกระสุนหรือประหัตประหารกันโดยใช่ที่เพราะมันอาจเบนหัวแ่นตเลิดไปทางอื่นก็ได้ลมพัดแรงขึ้นสังเกตได้จากยอดหญ้าที่เริ่มไหวรูปพัดจากฝ่ายมือไปทางมัน ซึ่งก็พอดีที่ช ย, ยันผู้จำเอาวิธีการระพินมาใช้ในวงเล็บแต่ตัวเองหาใช่ระพินภัยวันไม่โดยการตบขากเก่งๆแรงๆและตะเพิดไล่ออกไปก้มทุ่งว่าชื่อไปให้พ้นไอ้ทุยมันไม่ใช่ไอ้ทุยสําหรับไถนาและตัวช ย, ยันเองก็ไม่ใช่ระพินภัยวันแน่เพราะฉะนั้นสิ่งเอ็ดอึนของช ย, ยันที่ตะเพิดไล่เพื่อหวังว่ามันอาจตกใจหนีจะได้ไม่เกิดเวรกรรมขึ้นได้ ก็เท่ากับเป็นการฟ้องตำแหน่งแห่งที่ว่าจุดดำๆที่ยืนโดลอดสายตาของมันนั้นหาใช่ต้นไม้หรือตอไม้ไหมมันก็ควบปรี่อย่างรวดเร็วดาวสายฟ้าซึ่งผิดไปจากลักษณะรูปร่างมากพุ่งเข้าไปยังต้นเสียงทันทีแม้จะผ่านเหตุการณ์มาเสียนักต่อ น, นักแต่ชั่วโมงบินยังไม่พอชัยยันใจหายว่าตกไปที่ตะตุ่มเขาเหนียวไกลปล่อยกระสุนไล่เฟื่สนหน้าทันทีในขณะที่มันลดตะบึงเป็นพายุเข้ามา เสียงกระสุนขนาดหนักระเบิดบึมสะท้อนทุ่งคิดหรือถูกไม่ทราบได้แต่ไม่เกิดปฏิหารใดๆกับร่างมืหืมานั้นเลยคงคงพุ่งเข้าใส่ชา ย, ยันอย่างรวดเร็วและบัดนี้มจุรารติดเขาโง่ ด, ดูเหมือนจะห่างเขาไม่เกิน20เมตรเท่านั้นมันเร็วเสียจนเขาสลัดปอกลูกเก่าออกไม่ทันตุมถัดไปเป็นเสียงปืนจากแชตถาที่ระวังอยู่ก่อนแล้วการยิงไรเฟิลไปยังเป้าหมายซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว แม้เป้าจะมีร่างกายใหญ่โตเพียงไหนก็ตามถ้าไม่ใช่มืออาชีพ อ, อย่างแท้จริงแล้วจัดว่าสิ่งเป็นอย่างมากกระสุนของเชิดฐาซึ่งหมายไปยังรักแร้ของมันจึงพลาดไปวาเศษทะลุเข้าท้องคอไปทางเบื้องหลังทะวงตับของเจ้ามหิงสาตัวนั้นพ่านเลยออกไปทางหนึ่งมันกระโจนเตะขาหลังทั้งสอง <Okay. S 2> เศษดินที่อยู่กับพื้นกระจายเป็นฝุ่นขึ้นไปในอากาศเรากับถูกระเบิดดันชงักไปบ้างเพราะพลิกสงของกระสุนนัดนั้นแต่ไม่เปลี่ยนความตั้งใจที่จะเข้าไปถึงตัวชายันผู้ ก, กําลังขบกขากรา ช, ชา ย, ยู่กับการป้อนกระสุนนัดใหม่เข้ารังเพอเห็นเร็วชายันเสียงอนุชาติตะโกนสดเสียงเพราะเห็นชายันยังปักหลักอยู่กับที่เป็นเพราะความตะลึงต่อเหตุการณ์หรือความบ้าระห่ำที่จะยิงนาทีสองส่วนหน้าอย่างเาผาขนอย่างใดอย่างหนึง่งสุดแต่จะเดาได้ พร้อมกับตะโกนดังนั้นจุดสี่ห้าแปดของมือพันชดหรือหม่อมราชวงศ์อรุชาตนน็ลน่นติดตามไปเป็นนาทีสามพร้อมหมายไปที่ก้านคอโดยวาดปืนล่จากบ้านท้ายไปดักหน้าประมาณหนึ่งสองการเคลื่อนไหวอย่างเร็วของมันตำแหน่งกระทบแทนที่จะเป็นกั้นคอตามตัต้งใจไว้กลายเป็นบริเวณท้องอันกว้างใหญ่อวกพีของมันเสียงกระสุนพุ่งเข้ากระทบแบกคนที่พ่อคอของําคอของมันกระจายเป็นฝอยเห็นถนัด ก่อนที่จะมุดผิวผ่านเนื้อชอนเข้าไปข้างในพร้อมทั้งควานทะลุเลยเออกอีกด้านหนึ่งไม่ถูกกระดูกใหญ่สำคัญเจ้ายักษ์ผู้มีเขาางงไม่ร้องแสดงความเจ็บแม้แต่นิดเดียวแต่มีเสียงฟึดฟาด ก, กระโดกกระเดกหกหน้าหกหลังหมุนคว้างเลือดจากบาดแผลทั้งสองตำแหน่งเริ่มไหลดินเขาทั้งสองของมันดักอากาศอยู่วิวับนันิง น, นั้นได้เป้าหมายสมควรจะยิงแล้ว แต่เนื่องมาจากแกอยู่อีกฟากหนึ่งและควายป่าตัวนั้นอยู่ในแนวเดียวกับเชิฐาและชยันความรอบคอบทําให้แกไม่กล้าแตะไกลปล่อยกระสุนออกไปเพราะไม่แน่ใจว่าแนวกระสุนจะไปถูกเอาเชิฐาหรือชยันหรือไม่ <c oughs> แค่สิบวาเท่านั้นที่มันคำรามเข้าใส่ชยยันโดยไม่เปลี่ยนเป้าหมายอดีตนายทหารปืนใหญ่เพิ่งจะติดก้าลูกเลื่อนลงได้และยกขึ้นไหลยืนจังก้ายิงสวนนาทีสองซึ่งเขาก็รู้ว่า ถ้านักนี้พลาดอีกเอวังก็เห็นจะมีดุประการชนีสําหรับชีวิตตนเองโ ค, โคมเข้าไปที่สันหน้าผากอันเป็นบริเวณกระดูกไม่ได้เจาะเข้าช่องสมองแต่อํนนานาจผักดันกว่าสองตันทําให้มันเหงน่ยงรถถมลงทั้งสี่ขางล้มลงไปกับพื้นหญ้าแหลกเป็นแปรงชายยันเข้าใจว่ากระสุนผ่ากะโหลกจบสิ้นเกมลงแล้วแต่ความจริงไม่ใช่มันล้มลงแค่พิษตาเดียวเท่านั้นและก็พยานขึ้นมาอีกอย่างทรมหสุดริศ ก็เป็นข่าวที่เขาต้องใส่ตีนหมาโกยแนบอย่างไม่เหลียวหลังโดยมีควายป่าซึ่งกําลังเจ็บปวดว่าฆ่าเต็มที่ตัวนั้นควบไล่ตามหลังไปอย่างติดติดสะบัดเขาครับปลายเขาตักเอาเสื้อเดินป่าเฉียดสีข้างไปแค่สองสมนิ้วเสื้อตัวนั้นขาดติดปลายเขาและร่างของชยันก็สะดุดหลุมเล็กๆที่ดักอยู่ด้านหน้าล้มกิ้งลงไปปืนกระเด็นหลุดมือไปอีกทางหนึ่ง ภาวะนั้นมันเป็นภาวะที่ชุรมุนใจหายใจความสุดขิดของคณะพักแม้แต่ดารินผู้ยุ่งห่ากออกไปแต่ก็ยังใช้กล้องส่องทางไกลส่องสำรวจเหตุการณ์อยู่หลอนล้องออกมาสดเสียงเมื่อเห็นควายป่าตัวนั้นหมุนตัวกลับพุ่งเข้าหาชัยยันอย่างพลันในนาที่เขาล้มยิ่งเป็นลูกขนุนอยู่กับพื้นเช็ดาวิ่งเข้าไปอนุชาว่าปืนตามไปแต่สวยสิ้นดี ศูนย์จับเข้าแผ่นหลังของพี่ชายทําให้ไม่อาจเหียวไกออกไปได้ไ ด, ดาลินตาลิตเลือดยนต์กล้องสองทางไกทิ้งประทับจุด300เบลเบอร์บีขึ้นไหลแต่ลอนจะหยุดมันได้หรือไม่ในระยะที่ห่างกันตั้ง150เมตรในขณะนี้ได้แต่ประทับปืนค้ะกระดิกไกไม่ได้เหมือนกันในฉากอันสับสนชุลมุน ล, ละคนกับเสียงร้องแจ้บกเวกฟังไม่ได้สับพวกลูกหาก็ทิ้งของลงพื้นวิ่งหือเข้ามารวมกับหลอน ป้องแสงแดดยืนเบิกตามองตะพึงพึงตะลึงพึงเพือกันอยู่ทุกคนยิงนายหญิงนะ ย, งยิงสิเสียงขยิงตะ ก, กล้องอยู่ข้างหูหลอนพร้อมกับกระโดดอยู่ยอยย่อยยิงกับผีไายเล่าเช็ดถาอนุชาระนานอิงผู้วิ่งการขวา ย, ยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดในขณะนี้ยังไม่อยู่ในฐานะที่ยิงได้และหลอนจะยิงได้อย่างไรในเมื่อตัวเองห่างออกมาลิกตีลไม่ดีถูกเอาคนเหล่านั้นเข้าไปอีกขณะนี้ ทางด้านหลอดและลูกหัดทุกคนมองไม่เห็นร่างชัยยันที่ล้มหายไปในกอหญ้าแล้วเห็นแต่ไอ้ควายมัหาการที่พุ่งเข้าใส่กลุ่ ม, มนุษย์อย่างไร้เหตุผลนอกจากความดุร้ายตามธรรมชาติของมันกำลังก้มหัวลงต่ำสะบัดเขาปิดไปมาเหมือนจะขยี้ชัยยันให้แหลบเป็นผงใบหญ้าและพืชพื้บริเวณนั้นกระจายว่อนเป็นฝอยละคนไปกับฝุ่นทุรีที่คุ้มตลบขึ้นอยาว่าแต่ทางดาริน และลูกหักที่หักออกไกลเลยผู้อยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดอีกสามคนคือเทถาอนุชาระหนานอินก็ยังไม่สามารถมองเห็นร่างของชายยันที่ล้มจมกอหญ้าลงไปต่อหน้าต่อตาได้คงเห็นแต่ไอ้ควายป่าบ้าเลือดตัวนั้นกระโดดข้ามบริเวณนั้นไปมาพร้อมทั้งสะบัดเขาของมันพยายามดักปิดลงเบื้องต่ำหย่อมมันแผ่นดินบริเวณนั้นสะเทือนไปหมดด้วยเสียงแผ่นผลกระโจนของมัน แต่ไม่ได้ยินเสียงร้องของชา ย, ยันแม้แต่อึดเดียวตัวก็มองไม่เห็นว่าเหลวแหลกย่อยยับอยู่ตรงไหนเชนถามไม่อาจรอจุดตายแบบประการสิอีกแล้วในภาวะเช่นนั้นได้เป้าส่วนไหนขอาต้องทัดส่วนนั้นแหละบินเข้าหายอย่างรุ่มตัวรุมตายเพราะความเป็นห่วงพื้นปืนถืออยู่ในดับเอลอดีท่านทูตทหารบกก็ด่านกระสุนฉนันวันไหวเข้าใส่ถูกตรงไหนช่างมัน ขาหลังด้านซ้ายของมันหักพับลงในทันทีที่กลางวานเสียงไรเฟิลของเชตฐานัดนั้นดังขึ้นเขาวิ่งเข้ายิงในระยะเผาขนเช่นกันมันพยายามแว้งตัวแต่คราวนี้ใช้เหลือประมาณระหว่างที่พี่ชายใหญ่ขงตระกูลกําลังเอาลูกขึ้นรังเพอเพื่อจะซ้ํานั่นเองอนุชากับหนานอิงก็ได้เป้าทั้งสองยิงเกือบจะพร้อมกันกระสุนทั้งจุดสี่ห้าแปดวินมกับจุดสามเจ็ดห้าเออนอหนึ่งนัดหนึ่ง ก, กระดูกก้านคออีกนัดหนึ่งทะลุงเข้าไปในรูหูผ่านช่องสมองในท่าทีกําลังยักเย้ยักยันอยู่เจ้าควายยักคอหักเหมือนถูกสายฟ้าฟาดแล้วล้มตะแคงตึงลงกับพื้นหญ้าเตีย้ยๆขาทั้งสี่กะตุกถีบอากาศและพื้นรอบๆตัวในลักษณะชักเด็กๆซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เช็ดท้าอนุชาระหนานิงบิงก็คือกระหอบเข้ามาถึงอย่างชนิดใจคอไม่อยู่กับนึกกับตัวนึกว่าภาพไม่ถูกว่า ชายยันอนันตรายจะมีสภาพของร่างกายอยู่ในภาวะไหนดารินและขยินผู้ห่างไกลออกไปก็วิ่งพลูเข้ามาเช่นกันอย่างเร็วจีพร้อมทั้งลูกหักที่ทิ้งข้าวของทั้งหมดปวดไล่หลังตรงเข้ามายังบริเวณที่เกิดเหตุเป็นครววบุคคลแรกที่เข้าไปถึงบริเวณเกิดเหตุคือเชิดท้าต่อมาก็หนาดอิงและอนุชาในเวลาไล่เลี่ย ก, กันห่างไม่ถึงชั่วอึดใจภาพที่ทั้งสา ม, มองเห็นเหมือนยกภูเขาออกไปจากอกและในที่สุดก็กลายเป็นคร ชายยันอันันตรายซึ่งแต่แรกทุกคนเข้าใจว่าร่างคงแหลกเหลวไปแล้วนั้นนอนหงายเหยียดยาวอยู่ในลำรางอมีลักษณะเป็นหลุมยาวกว้างขนาด2ฟุตยาวกว่า2เมตรและลึกลงกว่าระดับพื้นหญ้าทั่วๆไปแลประมาณครึ่งเมตรลักษณะของเขานอนเอามือทั้งสองประสานไขว้พาดปกไว้อาการเหมือนสภาพการนอนของมามี่อียิปต์โดยเฉพาะที่มือขวากําปืนสั้นจุด44แมกนัม ประจําตัวไว้ด้วยกระพิษตาอยู่ปิดปิดเมื่อทั้งเชิดหาอนุชาระนาดอิงมายืมล้อมหลุมดูอยู่บริเวณปากหลุมทั้งสองด้านที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าคาถูกปลายเขาของไอ้มหิงสาที่ก้มลงผิดกระจุยกระจายไปหมดเนื้อดินบริเวณขอบหลุมนั้นหลุดออกเป็นกระบิ่และบางส่วนก็หล่นออกไปแทบจะกกฝังร่างของเขาที่นอนอยู่จากหลุมยาวขนาดพอเหมาะที่ชายยันกิ้งลงไปนอนอยู่นั้นทําให้เขาหลุดรอบคนจากการบอร์คุยไปได้อย่างหมดบิด พราะระดับมันต่ำกว่าที่ไอ้ควายเจ้ากรรมมันใช้เขาอันแหลมโค้งของมันได้กลายเป็นจุดอันที่กำบังอย่างดีเฮ้ยชา ย, ยันหมอ่อมราชวงศ์อนุชาตะกลลั่นขึ้นพร้อมกับโหรกกสส่วนพี่ชายใหญ่ถอนใจหนานอิ่งทานว่าทำมังสงังคังนึกว่าขาดเป็นท่อนไปเสียแล้วนายทหารชา ย, ยันยิงฟันขาวและบอกเรียบๆออกมาว่าสีคนฝีมือหุ่ปืนห่วยทุกคน รวมทั้งอัตมาเองด้วยนึกว่าเล็ดไปแล้วเหมือนกันถ้าไม่ใช่พ็อกกิ้งลงมาหล่นอยู่ในหลุมนี้เหมือนคุณพักคุณจะ้จะช่วยไว้นั้นแหละว่ายัางไงมันเปิดนี้ไปแล้วหรือเช่ดเท้าหัวเรากึกึศก้มลงไปสองมือให้จับแล้วฉุดเพื่อนที่นอนอยู่สภาพสบายใจเฉบให้ลุกขึ้นมาแล้วบุ้ยปากไปยังซักควายป่าเมื่อหืมาซึ่งนอนตะแคงคอพับอยู่ห่างจากปากหลุมที่อดีตนายทหารปืนใหญ่ลงไปนอนอยู่แค่ไม่กี่วารากับมีภูเขามากองอยู่เลือดยัง เลือดยังไหลออกจากปากแผลรูกระสุนปิ่มปิ่มอยู่เช่นนั้นชายยานเป่าลมพูดออกจากปากเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วยกเท้าขึ้นถีบศีรษ์อันใหญ่โตของมันนี่แน่ไอ้เป็ดตะโกนล่ให้ไปดีๆเสือพูดเข้ามาใส่แล้วน้อยนัดแรกเสือยิงผิดแล้วเขาก็หันมาทางเชิดถากับรุชาย่นหน้าเข้าใส่แล้วมือสองมือสามก็แย่มากฉันเห็นแล้ว แล่ะตอนที่มันพุ่งเข้ามานัดแรกของฉันผิดแกสองคนช่วยกันซัดโคโตมแทนที่จะคว่ำไปในทันทีมันกลับแค่สะงักไปนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็กวดไล่ฉันอยู่คนเดียวการชดกับการเช็ดนิมได้เรื่องเลยนาน์อิงตอนนั้นไม่รู้อยู่ไปไหนเกิดแล้วไม่ลาเราเฮ้ยอนุชาคงโหดรอยู่เช่นนั้นตกไหล่ัยยันโททีโทษทีมันรื้อไปนานพี่ใหญ่ยิงสกัดก่อนฉันเข้าสวนท้องเยื้อไปทางด้านหลังไอ้ฉันกลับว่าจัดหากก้านคอมานนั่นแหละ แต่มันวิ่งเร็วมากเลยภาพไปเข้าไปพุ่งเหมือนกันตอนนั้นหนันอิงยังไม่กล้า ย, ยงิงเพราะกลัวจะถูกกันเองก็ไม่อย่างที่ไหนดันตะโกนไล่มันอย่างกับมันเป็นควายไถายนานั่นแหละถ้าแกไม่ส่งเสียงเอะาอะาขึ้นมันอาจวิ่งไปทางอื่นแล้วไม่ต้องมาชุลมุนกันเกือบตายอย่างนี้ <c oughs> ก็จะไปรู้ระ <c oughs> เห็นมันยืนเบิ่งทำฟึดฟาดฟึดฟาดอยู่นึกว่าแต่เพืดังๆคงจะตกใจเพ่นไปแซียสี <c oughs> กับดันเพ่นเข้าใส่แล้วคนอื่นก็ไม่เข้าหาเสียด้วย เสดวิ่งเข้าหาฉันคนเดียวทั้งๆ ท, ท, ที่ยืนกันอยู่ตั้งสี่คอนเป็นแถวเลยมันกดแกที่แก่เป็นไร่มันว่าไอ้ถุยมั้เช็ดถบเช็ดถาพูดพางหูรับพางแล้วนั่นไงล่ะทิ้งไร่ฟ่นลงไปนอนสบายใจเฉ็บอยู่ในหลุมนั่นเปลี่ยนมาถือปืนสัน้นแทนทําท่าอย่างกับเป็นมัมมี่ของฟาโรนอนอยู่ในหีบศพนั่นแหล ะ, อ, ะอ้าวก็ปืนมันหลุดมือน่ะจะทํำยังไงพอหลบลงไปนอนตั้งหลักอยู่ในหลุมได้ เหลือปืนสร้างติดตัวอยู่กระบอกเดียวก็กะรอว่าถ้ามันก้มลงหัวลงมาให้เห็นถนัด ก, ก็จะยัดมันด้วยไ อ, ไอจุดสี่สี่ี่แต่เห็นมันดักซ้ายตักขวาอยู่สองสามขวบเสียงดังสะเทือนอย่างกับใครเอาจอบมาสับปากหลุมแล้วก็โจน ข, ข้ามหลุมผ่านพ้นไปฉันก็ไม่กล้าโผล่หัวขึ้นมาจนเห็นพวกแกมายืนหัวรอดอยู่กันนั่นแหละแล้วมันจบลงได้ยังไงพี่ใหญ่วิ่งกดตามเข้ามา ยิงตัดขาของมันก่อนฉันก็เลยซ้ำเข้าที่ก้านคอส่วนนั้นอิงทะลวงผ่านรูหูเข้าสมองไปเลยชายยันถันงหายใจเฮือกแล้วโค้งหัวดิกกฮีโถควายตัวเดียวสี่คนซัดรวมกันเจ็ดนัดอีแบบนี้จะดตำยอดชายในรับพินของเราได้ไงวะอีตอนที่มันขีดครั้งแรกเฉยดสันหลังไปนิดเดียวเย็นวับตั้งแต่เส้นผมถึงปลายตีนเลยขอบคุณสบน ขณะนั้นดารินขยินและพวกลูกหับทุกคนวิ่งมาถึงและพอจะมองเห็นเหตุการณ์แล้วว่าชายันลุกขึ้นมาได้โดยไม่ได้อันตรายใดๆพอถึงพวกลูกหาบก็พุ่งเข้าไปลุมล้อมซากมหิงสาตัวนั้นส่วนดารินร้องว่าเป็นไงมั่งชยันแทนคําตอบชยันหันหลังให้ดูรอยเสื้อที่ถูกปลายเขาปิดปาดกระจุยไป แล้วชี้ให้ดูหลุมที่ตดเองกิ้งลงไปนอนหลบรอดไม่รู้จะอยู่เขางงได้ดารินอุทานออกมาแล้วก็ล้องออกหมดห่วงไปได้พอพี่ชายกลางเล่าให้ฟังว่าชา ย, ยันเป็นคนทําเรื่องขึ้นโดยการตะโกนไล่มันว่าไอ้ถุยมันจึงปราชัเข้าใจก่อนให้เกิดเรื่องขวัญมีดีฝอกันขึ้นดารินจึงจ้องหน้าเพื่อนชายแล้วจุกปากเบาๆอ้อแต่ตเพิดแนล่มหิงสาโดยการตะโกนด่ามันว่าไอ้ถุยก็สมแล้วนี่ ดีที่ลูกชายมันไม่กำพาพ่อมาเรียก็ไม่ต้องมาเป็นไม้เห็นครั้งแรกฉันว่าเธอตายแน่ไม่มีทางรอดหรอกก็ตีนปืนกันทั้งนั้นแหละช ย, ยันว่าแล้วชี้กัดไปอย่างฤชาเชษฐาหนานอิงรวมทั้งตัวเองด้วยไม่ใช่มือปืนหรอกปควายตัวเดียวสี่คนรุมยิงรวมกระสุนแล้วเจ็ดนัดซ้ำอีกหนึ่งคนยังวิ่งเสียตับแลบเกือบสิ้นชื่อคันแรกก็ไว้ใจเต็มเปี่ยม ผ่านชกนี้ผ่านอินนี้เอาจริงข้าวเราต้องวิ่งแทบขี้แตกชายันอินตลรดโปเกลั่นทุ่งเพราะขับร้ายกว่าทุกคนทั้งหมดพากันัวดรอย่างคลืนเคงภายหลังจากเหตุร้ายผ่านไปแล้วในทางดีความผิดมันเกิดขึ้นจากแกนั่นแหละชายันที่ทำไปเสียงเอุอะไล่มันขึ้นก่อนฉันยังนึกไม่ถึงว่าแกจะเห็นมห่หสาเป็นไอ้ทุยไถนาถึงขนาดตกขาทัง้งเกงแต่เพื่อไล่มันได้ ไอ้คันไล่แล้วมันวิ่งเข้าใส่นัดแรกยังยิงผิดอีกเออถ้าพอไล่แล้วมันพูดเข้าใส่ก็ซัดตุ่มเดียวกิ้งโคโลไปเลยค่อยดูเหมาะสมหน่อยนี่ไล่แล้วตัวเองก็ไม่แน่จริงมีโอกาสยิงตั้งสองนัดก็ยังล้มมันไม่ได้ต้องวิ่งแจง้งชา ย, ยันบ่นอุกอิบเอามือควยไปคาหลังตัวเองที่เสื้อขาดวิ่นเนื้อผ้าหายไปกว้างกว่าฝ่ามือก็จะไปรู้เด้อ รับพินเขาเคยทําอย่างนี้ฉันก็เลยทดลองดูบ้างสิแล้วแกยิงสั่งได้อย่างรับพินไหมาล่าในกรณีที่มันยิสวนเข้ามาต้นนั่นแหะสิเขาหลังไม่เอาหรอเว้ยตอนที่มันวิ่งไล่ใส่ฉันน่ะมันพุ่งเข้ามาในแนวตรงเป้าหมายมีเพียงแค่หัวกับอกเท่านั้นก็กะว่าจะวางกระสุนกลางแสกหน้าแล้วถ้าพลาดก็จะให้เข้าอกชีไม่รู้รอดหาหายไปไหนนาะทีสอง ก็ถูกแนวสูงตรงสันหน้าผากไม่ตัดเข้ากระโหลกอดีินายทหารปืนใหญ่ปล่อยแปดหน้ามุ้ยนั น, นอิงเดินเข้าไปเก็บไรเฟลิลที่ตกอยู่ไม่ห่างนักมาส่งให้บอกยิย้มๆว่าเข่าหลังเอาใหม่นะทหารกะให้ดีอย่ารีบร้อนความจริงถ้าปล่อยพันชอนอ่อกรนหน่องเพียงสองคนโดยนายใหญ่กับนายทหารหนึ่งทางไปเสียมันก็คงไม่ยุ่งยากอย่างนี้หรอกนานอิงจะยิงตอนนั้นก็กลไว้ถูกกันเองจะว่านานอิง ตีนปืนก็ยอมรับแต่นั้นยิงยิงแค่นะัดเดียวเท่านั้นเองนะเข้ารูหูตัดกะโหลกเลยกระสุนก็เล็ ก, กว่าเจ้านายทั้งสาคนถ้ายินยินฟังพวกนั้นพูดกันหน่าเหลอรหา่าไม่รู้เรื่องถามพวกลูกหาพอได้ความก็โผล่เราะไดเข้ามาบอกกับชัยยันเป็นภาษาของตนซึ่งชัยยันพอฟังออกว่านักทหารไล่มันอย่างเดียวมันไม่ไปรอท้าหลังต้องเอาก้อนหินไล่ขว้างมันด้วยถ้าจะทําให้มันเหมือนนายรพินทะลึง่งเดี๋ยวถีบชักไปนี่ ชา ย, ยันตาเขียวตวาดแม่คำนี้ทุกคนหัวร้อ ก, กันแทบงอหายดารินเข้ามาโอบหลายกอดเพื่อนชายผู้รักสิรเหมือนพี่ไว้เข้าขอตรวจดูบริเวณหลังเขาที่ถูกปิดเชียวไปเมื่อเห็นว่าไม่มีบาดแผลหรือรอยช้ำอะไรก็บอกให้เปลี่ยนเสื้อเสียให้เรียบร้อยก่อนแต่ชา ย, ยันสั่นหัวปฏิเสธถ้ามันเถอะไว้ค่อยเปลี่ยนตอนเย็นเวลาผัดเสื้อผ้าวันนี้ไปอย่างนี้ก่อนไปกันเถอะทิ้งมันไว้นี่แหละไม่ต้องไปเสียเวลาช้ำแหละเนื้ออะไรทั้งสิ้น เชษฐาตัดบทบอกให้เดินต่อทันทีแล้วก็เพิ่งจะหันมาพิจารณาเห็นว่าพวกลูกขับทั้งหมดที่วิ่งย้อนกลับลงมารวมกลุ่มอยู่ด้วยมีแต่ปืนติดมือธรรเท่านั้นข้าวของสัมรารหาไปหมดจึงถามขึ้นนายชนหัวหน้าลูกขับจึงบอกว่าของทิ้งไว้ตรงจักรยานายหญ่เดี๋ยวเราเดินไปก็พบกองอยู่ตกใจนึกว่าได้ทหารเสร็จไปแล้วเลยวิ่งตามนายหญิงมาด้วยทั้งหมดหัวหน้าคณะเพลียหน้าแล้วทุกคนก็ออกเดินไปตามแนวทางที่พวกลูกขับผ่านไปก่อนแล้วโดยเร็ว โดยตัดไปกลางทุ่งโลงยกเว้นหนานอิงคนเดียวที่เดินแยกห่างออกไปเหมือนจะสํารวจร่องรอยอะไรไปตามเลือดของแก่แต่ความป่งร่คสานที่ทําให้มองเห็นกันได้จึงไม่มีอะไรต้องกังวดลด่ารินสังเกตเห็นชั ย, ยันอารมณ์ไม่ค่อยดีนะจึงเลยเดินเคียงชิด ค, คอยพูดเอาใจอยู่ใกล้ๆด้วยเรื่องคิดผงหน้าชา ย, ยันลราผ่านเหตุการณ์ยิ่งกว่านี้ร้อยพันเท่ามาแล้วใช่เรื่องคิดผงแต่ไอพวกนี้มารุมกันแซวฉัน แล้วเห็นหรื อ, อยางเพียงแค่วันที่สองเท่านั้นฉันก็เกือบจะเอาชีวิตมาสังเวยเสียแล้วไม่เป็นไรหรอกคนดีพักคุ้มเสมอก่อนก่อนที่จะถึงสัมภาระที่พวกลูกหาบทิ้งกันไว้กลางทางนานอิงผู้แยกเดินตรวจ ด, ดูโดอยอะไรของแกไปตามลำพังห่างทางซ้ายมือของทุกคนออกไปใกล้กับป่าแดงชายเขาก็ป้องปากกู่วกโ ก, กเรียกมาทั้งหมดเหลือไปดูที่แกกวักมืออยู่เดี๋ยวนะครับนานอิงคงมีอะไรสักอย่าง ผมจะเข้าไปดูพี่ใหญ่กับทุกคนตรงที่กองสัมภาระกรเถอะหมอมราชวอนุชาพูดขึ้นโดยเร็วเดินผ่านแยกจากพวกเขาไปทันทีเชิดหาก็บอกว่าเราไปที่นั่นด้วยกันทั้งหมด4คนนี่ดีกว่าให้ขยินกับพวกลู่หักไปรอตรงนั้นก่อนก็แล้วกันความเห็นของพี่ใหญ่ตรงกับชายยานและดารินอยู่แล้วต่างก้าออกเดินตามพันชดไปทั้งหมดดารินร้องสั่งขยินกับพวกลู่หักให้ตรงไปรอคอยที่กองสัมภาระก่อนซึ่งพวกเขาก็รับคำแยกตัดทุ่งไปอีกทางหนึ่ง อึดใจใหญ่ทั้งสี่ก็มาถึงบริเวณที่หนานอิงยืนรอคอยอยู่นานแล้วและโดยที่พันครูเท่าก็ยังไม่จําเป็นต้องบอกทั้งสิ้นพอถึงที่นั่นทุกคนก็มองเห็นสิ่งอันเป็นเหตุให้หนันอิงหยุดยืนพิจารณาอยู่พื้นตรงนี้เรียบร่องพอสมควรมีรอยดําไหมของกองไฟที่ใครมาเก่อไว้ตรงกลางอาณาบริเวณกลางประมาณสามตรางเมตรมีรอยฟืนดุจเล็กๆที่ตัดออกมาจากซุ้มละม็อกใกล้เคียงเหลือทิ้งไว้เป็นรัศมีวงกลมเจ็ดถึงแปดดุ ถูกพานออกจากการเป็นการราไฟหรือดับให้มอดลงภายหลังเมื่อไม่ต้องการกองไฟนั้นแล้วเอ๊ ะ, อะรอยก่อไฟไว้ฮะเทศฐาอุทานขึ้นอย่างงง ง, งชายันกับดาริงขงมวดคิ้วส่วนรสชาหันมามองสำรวจบริเวณไปรอบๆเหมือนจะหาร่องรอยอย่างอื่นพวกไหนกันนี่มาก่อไฟไว้กวางทุ่งแล้วดับแบบนี้จะว่าวเป็นไปสําหรับหุงหาหรือไฟพักแรมก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ชายันเอ่ยขึ้นมาเบาไม่ใช่ไฟสําหรับหุงหาหรือแรมหลอกคืนหลอก อนุชาผู้ชนานาญต่อร่องรอยเท่าเๆกับพัดอาชีพบอกงครึงเป็นกองไฟที่ก่อขึ้นเพื่อเจินาใช้เกิดควันเท่านั้นดูให้ดีๆจะเห็นมีรอยตัดแฝกและหญ้าสดๆสุมเข้าไปในกองส่วนฟืนด้วยเล็กๆที่คละออกจากกาันนั้นใช้เป็นเชื้อเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นพ อ, พอไฟติดกับไม้ก็เอาพวกหญ้าสุม่มเข้าไปให้เกิดควันสุ่มไฟให้เกิดควันมันหมายถึงเพื่ออะไรดารุณร้องขึ้นมา พี่ชายกลางหรีตาเอามือจับปลาคางแล้วเหลือบดูผ่านคู่ใจซึ่งยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกองไฟหนานอินบุ้ยปากไปทางด้านหลังของแก่ซึ่งมีเพิงชะ ง, งอนหินขนาดใหญ่เป็นเงาร่มหากออกไปไม่ไกลนักนายรพินก่อไฟสุมขวันเพื่ออะไรหนาะนอินก็ไม่รู้แต่เป็นคณะของรพินแน่ถ้าไปที่ชะ ง, งอนหินตรงนั้นก็จะเห็นรอยของพวกนั้นมาพักกินอาหารกลางวันกันที่นี่ กัะป๋องสเบียงของพวกฝาหลังกับหีบไม้กล่องกระดาษอะไรก็ไม่รู้กวาดแอบรวมๆอยู่ใต้เพิงหินคณะของรพินแน่ๆไม่ใช่ใครอื่นสับคำบอกเล่าของพันเท่าเช่นนั้นทุกคนตาลุกทันทีโดยไม่ต้องพูดอะไร ก, กันเลยพันชดหรือนุชาวาราหรือสาวเท้าออกเดินตรงไปยังเป้าหมายซึ่งหนานอินชีบอกทันทีทุกคนก็พูตามไปด้วยมันตรงตามที่ครูพันเท่าบอกไว้ทุกอย่าง กระป๋องของเครื่องเรเรชั่นตลอดจนน่องรอยของการมาพักอยู่บริถนอาหารของคณะโรคหน้าไปก่อนแล้วปรากฏอยู่ที่นั่นจริงนอกจากนั้นยังมีกองกระดาษแข็งสี่เหลี่ยมจตะตุรัดขนาดใหญ่คล้ายๆบรรจุเค้กหรืออาหารอะไรสักอย่างพลาสติกห่ออาหารบางๆและที่สำคัญที่สุดก็คือลังไม้ฉําฉารูปร่างยาวประมาณ1่ฟุตกว้าง8นิ้วและยาวเมรเศษกองรวมอยู่ด้วยเอ๊ะดูสิหีบอะไรนะ่ะ ชิถาพผู้เรียวปือนนันอิงก็สุดตัวลงนั่งเอื้อมอมือลอดใต้แง่หินไปเขีย่ยออกทันทีชั ย, ยันกับดารินโดดเข้าโฉงกดูเมื่อแกเปิดฝาที่วางปิดไวล้ลูกๆออกภายในยังมีกล่องกระดาษลักษณะแบนยาวอยู่อีกสองกล่องวางรอบด้านล่างกันรกระเทือนไว้ด้วยโฟมชั ย, ยันคว้ากล่องหนึ่งขึ้นมาทันทีพอมองเห็นก็ร้องออกมาดังว่าเฮ้ยกล่องไรเฟวินเชสเตอร์ขนาดจดแม็กโมเดลเ เชตถาช้าก็โดดเข้ามาทันทีชายันส่งให้ดูตายี่ห้อปืนอันติดอยู่กับด้านล่างของกล่องตาลีตาเลือกช่วยอีกกล่องขึ้นมาดูเหมือนกันสองก็บอกเลยทุกคนมองหน้ากันเองนิ่งไปอึดใจเทศฐากับริฟิปปะเบาๆเ อ, อ่ยขึ้นช้าๆอย่างใช้วความคิดว่าเวลาเข้าใจว่าเที่ยงหรือราวๆนั้นที่รับพินพาพวกนั้นมาถึงที่นี่และหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันและเขาก็ไชี้ที่กองไฟประหลาดที่พบกลางทุ่งถามหนังอินว่า ดงว่ากองไฟนั่นพวกรัพินก่อไว้แน่หรือสังเกตได้ไหมว่าลักษณะของมันผ่านมาแลกกี่วันนุชาตอบแทนทันทีว่าเชื่อว่าคงไม่ใช่คณะอื่นแน่ที่ก่อกองไฟไว้ลักษณะของเท้าฐานและหญ้าอ่อนที่เพิ่งจะแซมขึ้นมาเล็กน้อยกะว่าคงไม่เกินเจ็ดถึงแปดวันแล้วมานี่เช็ดถามอย่างน่าชา้าเอาล่ะเป็นอันว่ารับพินกับพวกนายจ้างมาถึงที่นี่พักตรงนี้กินอาหารกลางวันเวลาเดียวกันก็ก่อกองไฟไว้ตรงนั้น ในที่ร่องออกไปลักษณะของการก่กอฟังไฟทั้งกลางและลุงอินก็บอกว่าไม่ได้หวังความร้อนเพื่อหุงต้มเพราะคงไม่มีอะไรจะหุงต้มในเมื่อมีเสบียงแห้งพร้อมอยู่แล้วส่วนเชื้อเพลิงก็เป็นพวกหญ้าและใบไม้เพื่อให้เกิดควันอย่างเดียวก็แปลว่าเขาสูงไฟเพื่อให้เกิดควันสัญญาณอะไรขึ้นสักอย่างเวลายผานไปสักครู่ตาเปลี่ยนมามองจับอยู่ที่กล่องไรเฟิลและกล่องกระดาษสีเหลียมจะระดอีกครั้งบุ้ยปาก จากการสอบถามของเราที่มีต่อคุณอำพลที่หนองน้ำแห้งว่าฝรั่งพวกนั้นใช้ปืนประจำตัวปืนอะไรประจำตัวก็ได้รับคำยืนยันว่าอเมริกันทั้ง4ี่คนอันเป็นชาย2คนหญิง2รล้วนใช้ M.16 แบบคอมมอดทั้งสิ้นมีนาทหารหนุ่มลูกชายในพลที่มาด้วยเพียงคนเดียวที่ใช้ไรเฟิล .375 แม็กคราวนี้เรามาพบหีบไม้บรรจุกล่องไรเฟิลยี่ห้อวินเชสเตอร์โมเดล70 กระสุนแมกนัมแอฟริกันสองก่อนมีรอยแกะออกมาใหม่ๆแล้วทิ้งไว้ตรงนั้นกับกล่องอาหารหรือขนมประเภทเค้กขนาดใหญ่นอกเหนือไปจากใส่กระป๋องเลชั่นสิ่งที่เรารู้แน่ก็คือไรเฟน ซ, ซ, ซ, ซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องหีบไม้ฉ่ำชาและกล่องกระดาษอาหารหรือขนมนั่นคงไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่เดินทางออกมาครั้งแรกนั่นเอารักด่างชา ย, ยันน้อยใครตอบคําถามหรือตั้งสมมติฐานอะไรได้บ้างชั ย, ยันดิดนิ้วโดยแรงบอกมาทันทีว่า มีการส่งของทั้งสองนั่นมาทางอากาศแน่วิธีไหนอย่างไรวิทยุติดต่อขอให้ส่งของด่วนกระทนหันที่ต้องการกองไฟกลางทุ่งลักษณะสูงอุกพันนั่นคือควันสัญญาณพานะที่จะนํามาส่งให้คือหออาจเป็นพวกการชิปตําแหน่งนัดหมายก็เหมาะสมที่สุดดาวคือกลางทุ่งโล่ลิ้นภูเขาอันจะช่วยให้บินมองเห็นได้ง่ายคราวนี้คราวนี้พันชดบอกมารีวปือแปลว่าคอปเตอร์มาลงที่ ทุ่งนี่หรือคะดารินร้องถึงเต้นไม่จาเป็นต้องลงแลนดิ้งหรอกผู้ตอบคือชายยันเพียงแค่ลดเหตดานต่ำลงมาเมื่อเห็นสัญญาณควันไฟรวมทั้งผู้ติดต่ออาจลอยตัวอยู่เหนือทุ่งยางสูงกว่าระดับขึ้นไปนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็หย่อนหีดนี้ลงมาก็เท่านั้นเองเป็นการส่งกำลังบำรุงทางอากาศได้อย่างสะดวกที่สุดโอ่อมราชวงศ์สาวคนสวยแคาออกมาเอามือทั้งสองกุมประสานแกนที่อก พี่ชายใหญ่คงพยายานท่าช้าอย่างพอใจในข้อสันนิษฐานนั้นสรุปทายไว้ว่าและใหะ้และถ้าจะให้พี่ทายต่อไปวินจุดสี่ห้าแปดทั้งสองกระบอกก็คงเป็นของนายสเตอรีลีกับนายคิตอเมริกันสองคนนั้นที่ขอให้หน่วยเหนือส่งมาให้ภายหลังจากที่รู้ความจริงที่หลังจากประสบว่าไราเฟิลขนาดหนักเท่านั้นที่จะเหมาะสมในเส้นทางที่เขาจะไป ไม่ใช่โม่แต่บ้าถือปืนประเภทที่พลล่มหรือคนประจํารถถังใช้กันอยู่สาเหตุที่ต้องการไรเฟินขนาดใหญ่ก็คงเป็นเพราะเคยประทะ ก, กับช้างที่ซับบอนมาแล้วในวันก่อนที่จะออกเดินทางมาผ่านที่นถ้างั้นก็คิดอุดีได้ะครับพี่ใหญ่สําหรับหลักฐานที่เห็นกันอยู่นี่อเมริกันสองคนที่มากับคณะขอไรเฟินขนาดเดียวยี่ห้อเดียวกับที่รพินใช้อยู่โดยให้หน่วยเหนือส่งมาให้มีจุดนะัดพบกันที่ทุ่งอันเป็นทางลาา ทางผ่านและหยุดพักกินอาหารกลางวันกันพอดีเอาละน้อยระยะทางมันก็ห่างกันไม่ถึงสิบวันนี่เองพวกเราไายรูปกันอื่นใกล้เคียงกับความจริงกันได้ทั้งหมดแล้วคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของเธอบ้างละ่ะลองใช้ความคควาควาามมสามารถที่สุจน์กองกระดาษลักษณะสใส่อาหารปรุงใหม่หรือขนาดเค้กกล่องนั้นดูซิว่ามันควรเป็นอะไรแนะ่ดารินทรวราดทธิ์ยังงุนงงประหลาดใจในสิ่งที่รับทราบนั้นยังไม่หา พอถูกพี่ชัยการเตือนมาหล่อนก็สุดตัวลงนั่งค่อยค่อยหยิบไปกองกระดาษสีขาวไม่มีตาอะไรทั้งสิ้นกล่องนั้นออกมาที่ดูภายในแล้วยกขึ้นดมระยะมันหลายวันมาแล้วจึงได้แต่กลิ่นหืนหืนกองใส่อาหารประเภทไหนมาก็ไม่รู้สิแต่ไม่ใช่เค้กแน่เอ๊ะเดี๋ยวเดี๊ย ว, ยวประโยกวันร้องเร็วปือเมื่อมองเมื่อมองเห็นถุงพลาสติกเล็กที่ค้างอยู่ในถุงทั้งสองหยิบขึ้นมาดูโดยมีรอยแกะออกแล้ว แล้ววัตถุที่ยังอยู่ในถุง ก, ก็ยังเหลือค้างอยู่โดยไม่ได้รัดยางไวอ้อย่างใดทั้งสิ้นเบชนาทิ้งไว้อย่างไม่สนใจอีกต่อไปถุงหนึ่งมีลักษณะเหมือนโขงของใบไม้ป่นหล่อนเอานิ้วแตะขยี้ดมและพิจารณาดูอีกถุงพิซซามอมราชวงสาวร้องร่นทุกคนลืมตาโตเวนหนัดอินคนเดียวซึ่งไม่สู้จะเข้าใจอะไรนะนอกจากพบร่องรอยอะไรก็จะนํามาให้เห็นเท่านั้นเธอรู้ได้อย่างน้อยทยานถามเร็ยวปืด ดารินคีบเอาถุงพลาสติกทั้งสองส่งให้พี่ชายและเพื่อนดูใบเครื่องเทศ ป, ป่นบางชนิดกับเนยแข็งผงสำหรับปรุงพิซซ่าโดยตรงเหลือทิ้งอยู่ในกล่องนี่เป็นพยานสำคัญที่สุดว่าไอที่บรรจุในกล่องนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากอาหารของไอเลียนที่ไอ้การชอบกินเทศหาอรุชาและชัยยันส่งเวียนกันดูแล้วผิวปากยาวส่วนชัยยันซุกตัวลงนั่งใกล้ๆกล้กะสิดว่าบวังว่ามันคงไม่สั่งกันมากินเฉพาะของพวกมันเองนะ อย่างน้อยก็คงสั่งมาเผื่อรับพินของเธอสักแผงก็ยังดีก็คงจะหย่อนลงมาให้พร้อมๆกับหีบไล ฟ, ฟ์เฟนั่นแหละจากฮอลำนั้นดารินนิ่งางานลมใกล้เทียกดินชมเชมขาพัดผมพัดเส้นผมหล่อนปลิวมาแตะที่ขนตาอันหลีซึมด้วยอาการพวัาคำพูดชนิดนี้เป็นเพียงแค่กระเซาเย้วแย่ของชายยันเท่านั้นหรือไม่ก็ประสงค์จะสร้างอารมณ์ขันให้กับเพื่อนสาวไม่ได้มีเจตนาร้ายอย่างใดทั้งสิ้น แต่คนที่มีแผลปวดร้าวอยู่ในใจเก็บวความทุกข์ระทมในด้านความพัดพลาดจากของรักอยู่ก่อนแล้วเช่นดารินซึ่งการเหนื่อยนะักการประจนภัยในวันนี้ได้ทําให้ลืมคิดไปเสียชั่วขณะต้องหันกลับมาล้ำลึกถึงความเจ็บปวดนั้นอีกจึงทําให้หลอนต้องซึ้งซึมไปในฉับพันแล้วก็คิดอะไรต่ออะไรอีกกายสารพัดอยากซึ่งรุ้นต่าเป็นปมปัญหามันก็หนีไม่พ้นคําเพียกหาอยู่ในใจว่ารับพินปันณิเธออยู่ไหน พักพวกเดินบนเวียนตรวจดูร่องรอยและพูดจากันอยู่บริเวณนั้นโดยยังไม่มีใครจะทันมาสังเกตอาการของหลอนผู้นั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้ากองอาหารมีรอยลาขึ้นเป็นจุดดำๆนั้นเสียงเทถาบอกกับพวกว่าเอมันเล่นส่งกำาลังบำรุงกันทางอากาศตลอดเวลาแบบนี้เห็นจะไม่เหมาะแน่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ระยะแรก น, นี้เท่านั้นแหละครับพี่ใหญ่เสียงพี่ชายกลางตอบ ต, ต่อไปอีกสักพัก หรือถ้ารพินนาคณะพวกนั้นร่วงผ่านเข้านรกดําไปแล้วผมเชื่อว่าทั้งคณะคงไม่มีโอกาสติดต่อกับหอควบคุมการเดินทางได้อีกไ ม, ไม่ว่าจะมีเครื่องมือสื่อสารดีเลอร์สักขนาดไหนโถโถป่าลงสํำรวจในภาคพืช น, นี้พี่ใหญ่และพวกเราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าอํอ า, านาจอาถรรพ์ของมันอยู่ในจิตใจและเครื่องมือทางวิชาศาสตร์เช่นไรบ้างถ้าพวกถ้าเครื่องมือของพวกนั้นดีจริ ง, รงๆก็คงไม่มาแจ้งรับพินให้นำทางโดวยวิธีเดินเท้าย่ําดงกันหรอก สำรวจหาทางอากาศไม่สะดวกสบายกว่าหรือกอ็ยังแค่จะค้นหาซากหรือตำแหน่งตกของบีจุดห้าสองเครื่องนั้นกัดถูกไหมว่าระพินาพาพวกนั้นมาถึงที่นี่เวลาสักขนาดไหนผมว่าไม่เร็วกว่าบ่ายโมงนั่นหรอกครับคือมาถึงสายกว่าเรามากทีเดียวในเส้นทางเดียวกันระหว่างซับบอนกับจุดหมายที่นัดพบฮอดที่นี่เพื่อให้นำของมาส่งให้ พวกเรามาถึงจุดนี้เร็วกว่าพวกของรับพินในวันนั้นแน่นอนเวลาของพวกนั้นขณะนี้เพียงแค่11บเอโมงกว่านิดหน่อยเท่านั้นสรุปก็คือเราเดินทางได้เร็วกว่ามากเหตุผลอาจเป็นเพราะสัมภาระน้อยกว่าทําให้มีความคล่องตัวกว่าทุกคนทุกคนฝ่ายเราก็ชานาญในการเดินทางทั้งนั้นส่วนทางด้านรับพินนอกจากสัมภาระที่หนักกว่าแล้วฝรั่งสี่คนอาจเป็นตัวอุปสรรคทงเวลาให้เดินช้าลงมิหนําซ้ําอาจเกี่ยวพันกับระยะเวลานัดหมาย ที่จะต้องมาถึงที่นี่ให้ช้ากว่าเวลาปกติมิฉะนั้นจะฆ่ากับหอลำที่จะนำของมาส่งผมกับนันอิงสามารถบอกได้ต่อไปอีกว่าณนะวันที่พวกนั้นมาถึงที่นี่สภาพอากาศปลอดโปร่งแดดแรงเหมือนวันที่เรามาถึงที่นี่แหละไม่มีฝนมิฉะนั้นจะก่อไฟกันกลางทุ่งไม่สะดวกและคงไม่นั่งอาศัยหลบบังเงาแดดกันตรงนี้เอาแค่พ้นปากภัยเดินตัดทุ่งแฝกับหญ้าคานี่มากลางแดดเปี้ยง ถ้าไม่ใช่คนเดินดงอาชีพอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็แทบจะอาเจียนเป็นโลหิตแล้วเชิดฐานไรชัยยานไม่มีข้อโต้แย้งเหตุผลของอดีตผ่านชดได้เพราะหลักฐานร่องรอยในปากแล้วรัศกุลหนุ่มนักเดินป่าผู้ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชดชนจนเทียบเท่าพ่านชั้นยอดคนหนึ่งย่อมชํานาญเหนือกว่าทุกคนในคณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีนานอิงมาเป็นคู่คิดประกบอยู่ด้วยเช่นนี้จึงเชื่อมั่นได้แน่นอนว่า การมีหม่อมราชวงศ์นุชานำทางในครั้งนี้ไม่ผิดหวังเลยเพียงแค่สองวันแรกของการออกสาวรอยทับเส้นทางเดินของรับพินไปเท่านั้นก็สามารถสืบดูได้ัหมดแทบจะเรียกว่าทุกฝีก้าวย่างไม่ว่าพวกที่ร่วมหน้าไปก่อนจะมีการขึ้นว่อย่างไรเขาจึงเปรียบเสมือนนักสืบและนักสาวรอยชั้นเลิศแม้จะไม่ใช่รับพินภัยวันด้วยตัวเองก็จัดว่าเฉดเฉดเข้าไปแล้วสาหรับเหตุการณ์ในป่าดงพงไพร รับผินนำทางพวกเราในครั้งก่อนนี้ไม่ได้ผ่านทุ่งตอนนี้เลยเป็นภูมิประเทศที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมีเชือกเลยกหมายทุ่งอะไรชัยยันหันไปถามขึ้นขณะที่ยังนั่งพักขากอดเข่าอยู่แต่ก็ไม่ได้สนใจกับอาการนั่งซึมนิ่งของเพื่อนสาวใกล้ๆพว ก, กเกรียงเรียกชื่อทุ่งนี้รู้จักกันดีมานานแล้วแปลเป็นไทยว่าทุ่งแรดสิบปีก่อนนี้ที่ทุ่งนี้ แรดชุมมากถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังพอหลงเหลืออยู่บ้าง น, น, นานๆจะพบสักตัวก็พยอดชายนายรพินของเรานั่นแหละดักจับให้คุณอมพลส่งออกนอกเส้นหลายตัวแล้วที่นี่เวลาหน้าฝนหญ้าสูงท่วมหัวหน้าแหลงหญ้าก็แห้งเกรียมไปหมดไฟป่าเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆประกายแดดแผดร้อนจนแสบผิวหน้า เชิฐาแงนมองไปยังทิวเขาหินที่กั้นยาวเหยียดเป็นกำแพงขวางกั้นอยู่เบื้องหน้าหลังป่าแดงเข้าไปเล็กน้อยเอาอยัางไงกันต่อไปกลางตัดป่าแดงนี่อีกหน่อยเข้าชิดตีนเขาน่นเลยครับและผมจะพิจารณาดูอีกครั้งว่าลพินนําพวกนั้นไปทางด้านไหนแน่ซึ่งมันเป็นปัญหาหน้าคิดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวให้ถึงที่นั่นเะก่อนผมจะบอกให้ทราบว่าปัญหาอะไร ไปพี่ชายใหญ่พยักหน้าบอกสั้นๆแล้วหันมาเห็นน้องสาวเล็กยังนั่งสงบอยู่ก็เดินเข้ามาเอามือตบหลังลุกขึ้นน้อยบุกต่อเราจะพักเที่ยงกันที่เชิงเขานั่นหลอนตื่นจากผวังคิดลุกขึ้นเป็นคนสุดท้ายเชิดถาเพิ่งจะสังเกตอาการเสื่องซึมนั้นจึงเดินเคียงไปใกล้ๆโอบไหลไว้เป็นอะไรไป เหนื่อยมากหรือไม่สบายกระมังดารินฝืนยิม้มเปล่าค่ะคิดอะไรอยู่ความจริงควรมีกำลังใจขึ้นมากแล้วนะผลการสืบสวนร่องรอยของกลางที่หน้าเป็นที่หน้าพอใจเราพบรอยเขาทุกระยะทีเดียวในสองวันแรกนี่เชื่อฝีมือกลางกับนานอินเข้าเถอะมีหวังแน่ทีแรกก็เห็นกระปรี้กระปล่าแข็งแรงดิ แต่ตอนนี้พี่สังเกตดูเธอทอแท้ซึมไปไม่มีอะไรเราค้าพี่ใหญ่น้อยกำลังกังวลถึงเจ้าด้วนมันแยกทางจากเราไปเสี้ยแล้วน้องสาวกลบเกลื่อนอะไรต่ออะไรอะไรหลายอย่างที่สมประดังอยู่ในใจช่างมันเถอะนะหมกังวลอะไรอยู่ก็ไม่ล้น้อยช่วยมันแล้วก็เป็นกุศลผลบุญสาหรับตัวเองมันก็ไปตามทางของมัน จะหวังให้มันมาเดินตามต้อยๆหรือเดินไปกับเราตลอดเวลาได้ยังไงมันช้างป่าไม่ใช่ช้างเลี้ยงทั้งห้าคนเดินเรียบชายป่าแดงไปบรรจบกับลูกหาบและขยินที่รอคอยอยู่ก่อนแล้วจากนั้นก็ตัดไปตามเส้นทางด่านในป่าไม้ยืนต้นขนาดไม่สูงใหญ่อะไรนะักส่วนมากใบร่วงแดงปกคลุมพื้นเห็นแต่กิ่งก้านที่ค่อนข้างโกน พื้นเต็มไปได้วยก้อนหินที่งอกโผล่อยู่ทั่วไปแสดงว่าเข้าแนวเชิงเขาแล้วเงียบเชียบไม่มีสัญญาณแห่งชีวิตอะไรสักอย่างเดียวเพราะความแรงของภูมิประเทศเห็นกันอยู่ว่าใกล้ๆแค่นี้เองระหว่างป่าแดงกับเชิงเขาแต่ก็ใช้เวลาเดินชนิดแข่งกับเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจึงเข้าสู่แนวเนินที่เต็มไปได้วยโขดหินน้อยใหญ่ระดับสูงขึ้นมาและเบื้องสูงขึ้นไปอีกก็เป็นช่อชันภูผาที่สูงเชิงเงื่อม ต่งห่านขึ้นไปตามลำดับอนุชาในฐานามะมคุเทศนำทางสั่งให้ขบวนทั้งหมดสแสวงเข้าหาโขดหินบางร่มโดยใช้ผ้าพลาสติกผืนหนึ่งช่วยขึงกั้นแดดร้อนจะจ่ามุมหนึ่งไว้พอได้อาศัยเป็นที่พักกินอาหารกลางวันกันชั่วคราวตนเองกับนานอินออกไปยืนแงนมองขึ้นไปบนหน้าผาที่ค่อยๆสูงขึ้นไปเป็นลาดับ อย่างพินิษพิจารณาปรึกษาหาหรืออะไรกันเบาๆครู่เดียวก็กลับเข้ามากินอาหารกลางวันกันกับคณะอย่างเร่งรีบเพียงแค่รองท้องพอดื่มน้ำจุดบุรีตัวแรกก็บอกว่าหน้าผาที่เราเห็นอยู่นี่เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแห้งแหลงยาวเหยียดไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลาดต่ำไปถึงโป่งน้าร้อนที่เราคณีกันว่ารพินจะต้องไปแรมคืนอยู่ที่นั่นเขาบอกกับทุกคน ปัญหาที่ผมพูดค้างไว้กับพี่ใหญ่เมื่อตะ ก, กี้นี้ก็คือเขาจะนําขบวนนายจ้างและลูกหาบทั้งหมดไต่ขึ้นไปทางหน้าผานี้เพื่อตัดทางไปโปร่งน้ำร้อนหรือเปล่าเพราะหนทางมันลำบากไม่ใช่เล่นเลยก่อนอื่นจะต้องไต่หน้าผานี้ขึ้นไปจนกระทั่งถึงไหล่เขาชันแร่จากนั้นจึงเป็นหนทางเดินเรียบไปตามไหล่เชษฐาชา ย, ยันและดารินมองไปยังหน้าผาสูงชันเป็นผาหินตัด มองไม่เห็นทางจะปีนป่ายขึ้นไปได้นั้นโดยเฉพาะดาวรินใช้กล้องสองทางไกลขนาดเจ็ดคูณห้าสิบของหล่อนสํารวจไปตามแนวของหน้าผาพี่ไม่อยากเชื่อวรพินจะนําพวกนั้นขึ้นทางด้านนี้ไหล่เขามีทางเดินไปได้ที่เธอว่าหมายถึงจะต้องขึ้นไปถึงก้อนหินที่มองดูเหมือนรูปสควิงหมออยู่นั่นเสียก่อนใช่ไหมครับต้องขึ้นไปถึงบนนั้นเสียก่อนคนยี่สิบคนแล้วก็ไม่ใช่ตัวเปล่า โดยเฉพาะสัมภาระจะลำเลียงขึ้นไปถึงหน้าผาตัดนั้นได้ยังไงอย่าว่าแต่ข้าวของเลยต้องให้คนตัวเปล่าเราต้องใช้วิธีไต่เชือกขึ้นไปชัยยันว่าแล้วขอกล้องจากดารินไปส่องสำรวจดูบ้างพร้อมกับสันศีษะอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือปัญหาหรือข้อชวนสงสยัยอนุชาพูดน้ำเสียงเคร่งยังไม่กล้าลงความเห็นแน่ชัดลงไป ไม่เพียงแต่ความยากลําบากเฉพาะลําเลียงคนลึกของขึ้นไปทางหน้าผานี้เท่านั้นเส้นทางเดินบนไหลเขานั้นยังมีอยู่ตอนหนึ่งที่เสี่ยงอันตรายที่สุดเขาพูดพร้อมกับชักมีดข้างเอวออมาขีดเป็นแผนที่ให้ทุกคนดูอย่างผู้ที่เคยชํานาญต่อเส้นทางมา ก, ก่อนระยะทางบนไหลเขานั้นจะเดินสะดวกสบายไประยะหนึ่งก่อนแต่เมื่อใกล้ที่จะลงสู่เขตโป่งน้าร้อนจะต้องไต่เรียบริมไหลแคบๆตอนหนึ่งแคบมากทีเดียวครับ คือเป็นช่องทางเดินกว้างอย่างมากไม่เกินสามสี่ฟุตเท่านั้นด้านหน้าหนึ่งเป็นหน้าผาชันของภูเขาอีกด้านหนึ่งเป็นเหวลึกมากลึกตั้งสามสี่ร้อยหลาเห็นยอดไม้ของป่าเบื้องล่างริบๆถ้าพลาดในระหว่างเส้นทางเรียบไหลอันเป็นช่วงอันตรายที่สุดซึ่งระยะทางเดินวกเวียนไปตามผนังผานี้ราวร้อยหลาเศษโดยพรรลัดล่นลงไปไม่ต้องหาศพกันอีกแล้วเชษฐาเอามือรูปคางคิด นอกเหนือจากเส้นทางอันตรายนี้ยังมีทางอื่นอีกไหมที่จะให้ไปถึงป่งน้ำร้อนได้ก่อนค่ำวันนี้โดยไม่ต้องไต่หน้าผาเดินไปตามไหล่เขานั่นลาชสกุลอันเป็นพี่ชายใหญ่ของคณะเอ่ยถามขึ้นก็พอจะมีเหมือนกันครับเดินไปตามป่าแดงนี้โดยขนานไปกับเชิงเขาสักสองสาชั่วโมงต่อจากนั้นก็มุดเข้าถา้าลอดใต้เขาระยะทางไปในถ้ำประมาณสี่กิโลเมตรเสร็จเ ก็จะทะลุออกป่าหินตีเนินอีกฟากหนึ่งใกล้เคียงกับโปรงน้ำร้อนแต่มันจะต้องใช้เวลาทั้งหมดไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดชั่วโมงโดยฝีเท้าที่เต็มอัตราคราวนี้ลองหาเหตุผลทำไมละพินถึงไม่เลือกเอาเส้นทางที่แกว่านี่ทำไมถึงสงสัยเขาจะต้องนำพวกนั้นตัดขึ้นไปบนไหลเขาที่เต็มไปด้วยอันตรายในการเดินทางด้วยอันตรายในการเดินทางด้วยสปายกว่าชา ย, ยันถามขึ้นบ้าง ระหว่างการสอบสักห า, หาหรือดารินคงนิ่งอยู่เช่นนั้นหลอนพิจารณาดูที่หินมหนือมารูปคล้ายตัวสควิงและเหนือขึ้นไปก็เกือบจะมีสันฐานคล้ายพีระมิดพรานชดหรือหมอมลาชวงอนุชาถอดหมวกออกกระพือไล่ความร้อนอ้าวที่อบอยู่ในอกเสือ้อเหตุผลหรืออมืมันก็ต้องหาสมมุติฐานเดากันไปก่อนละนะข้อที่หนึ่งก็คือ เราพินจะต้องการย่นระยะทางทําเวลาอย่างที่สุดเพราะเราพบหลักฐานแล้วว่าเข้ามาถึงที่นี่บ่ายเต็มทีขืดมัวอ้อมลาช้าอยู่จะไปถึงโป่งน้ําร้อนก่อนจะไปไม่ถึงโป่งน้ําร้อนก่อนค่ํำเยว่ขัดนิดถ้าไปไม่ถึงก่อนค่ําก็พักนอนที่ในละระหว่างทางเสียก่อนก็ได้นี่นะทําไมถึงจะต้องเร่งไปให้ถึงที่นั่นให้ได้ภายในเวลาก่อนค่ํา ผู้แย้งคือพี่ชายใหญ่แถวนี้ไม่มีแหล่งน้ำเลยครับและไม่สะดวกที่จะแรมคืนวางแคมป์ได้จนกว่าจะถึงโป่งน้ำร้อนซึ่งชัยภูมิเหมาะที่สุดหืมก็เข้าเขาแล้วมีอะไรอีกไหมที่เธอสงสัยว่ารพินจะใ ช, ใช้เส้นทางอันตรายนี้เหตุผลข้อที่สองของผมเป็นเหตุผลประกอบเท่านั้นอาจผิดหรือถูกได้ทั้งสองอย่าง นายนั่นอาจใช้วิธีนำอย่างหากหานขึ้นทางด้านนี้เพราะต้องการจะลองเชิงทดสอบสมรรถภาพในการไต่เขาและเดินในเส้นทางอันตรายของพวกฝรั่งนั้นก็ได้เราต้องอ่านจิตใจเข้าต่อไปด้วยว่าในภาวะเช่นนั้นรรบพินตกอยู่ในสภาพเช่นไรอาจเต็มไปด้วยความคุณมัวไม่พอใจและเจ็บแค้นที่จำเป็นจะต้องมานาทางในครั้งนี้โดยซ่อ น, นึกยด จิตใต้สำนึกเลยหาทางให้พวกนั้นเดินลําบากจะอย่างนั้นเองประพินเป็นสุภาพบุรุษดาวินเ อ, อยเริยบเรียบภายหลังจากนิ่งมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณะมีผู้หญิงมาด้วยถึงสองคนทําไมเขาจึงจะต้องแกล้งให้ผู้หญิงสองคนต้องลําบากด้วยฉันไม่อยากเชื่อว่าประพินจะเฮี้ยมเกรียมโหดไร้ถึงเพียงนั้นดูภูมิประเทศเห็นเห็นอยู่นี่ก็รู้แล้วว่ะ มันสาหัสแค่ไหนถ้าจะขึ้นไปบนไหลผ่ผาโน้่นพี่ชายกลางชำเลืองมองหน้านิดนึงหัวล้อฮือฮึไอ้คนเหล่านี้ถ้าลงได้รักและศรัทธากันอย่างแน่นแฟนแบบนี้แล้วลราก็ต้องมองกันในแง่นี้ดีเสมอไปเลยนะใช่พี่มีเถียงหรอกว่ายอดชายของเธอนะ่สุภาพบุรุษเต็มตัวคนที่เห็นความเป็นสุภาพบุรุษของเขามากกว่าใครก็คือน้อยนั่นแหละ แต่ไม่คิดบ้างหรือว่าถ้าเขาเกิดความแค้นหรือเจ็บใจขึ้นมา <c oughs> เขาก็มีสิทธิ์ที่จะลองของหรือลองดีใครก็ได้ทั้งสิ้นที่มาบีบบังคับให้ในสิ่งที่เขาไม่เต็มใจคือเมื่ออยากจะให้เขาพาบุกบานเดินป่าไปขัดไม่ได้ก็ต้องนำไปแต่เองก็ควรจะสำนึกเสียบ้างว่าเส้นทางมันลำบากแค่ไหนผู้หญิงสองคนนั้นถ้าเรายังไม่เห็นตัวจริง แต่ลง CIA คัดเลือกมาอย่างนี้ล้พินก็คงอยากจะทดลองด้วยทดสอบดูเหมือนกันขอให้รู้ไว้ด้วยว่าอาจไม่ทดลองเฉพาะการปีนเขาเดินป่าหรือความสามารถอย่างอื่นเท่านั้นดีไม่ดีทดลองบางอย่างก็ให้อีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เธอหวนใจอยู่อย่างที่สุดไม่ใช่หรือดารินเกือบสะอึกในคำพูดผงผางตรงไปตรงมาของพี่ชายกลางแต่แข็งใจเชิดหน้าตอบว่า ผิดถนัดไม่เคยวันเลยในเรื่องนั้นและถ้าเป็นฉันก็น่าจะทดลองเสียด้วยดีกว่าที่จะปล่อยให้แหม่มสองคนนั้นยิ้มเยาะที่หลังอย่าปากว่าตาขายิบนะ่ะน้อยปากว่าจะให้ลองสนใจแป้วเรื้อนิดเดียวชายยันอดกระเซาไม่ได้เอื้อมมือมาลูบหลังแต่ดารินสะบัดออกโดยแรงปั้นสีหน้าวางเฉยโป่งน้ำร้อนไม่มีหมู่บ้านชาวปาเลยไม่ใช่หรือ เชิาถามไม่มีครับภูมิประเทศก็อย่างที่บอกแล้วเป็นป่าหินเสียส่วนใหญ่ที่สำคัญที่สุดก็คือแหล่งน้ำหลักการเดินป่าของมัคคุเทศก์ทุกคนถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก่อนอื่นจะต้องมุ่งเข้าหาแหล่งน้ำก่อนเสมอโดยเฉพาะถ้ามีการพักแรมคืนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลรพินไปทางไหนแน่ระหว่างทางลัดแต่เส้นทางอันตรายกับทางอ้อมจะต้องเดินไกล ชา ย, ยันขอความเห็นอนุชาก็สะกิดนานอินให้ลุกขึ้นยืนทันทีฉันจะกับนานอินจะขึ้นไปสำรวจหาร่องรอยบนไหลเขาตรงรูหินที่เหมือนสิงโตหมอบนั่นเดียวนี้ทุกคนรออยู่นี่ก่อนน้อยไปด้วยคนน้องสาวบอกโดยเร็วขยับจะลุกขึ้นตามแต่ทั้งเชษฐานและชา ย, ยันจับแขนไว้คนละข้างดึงให้นั่งลงตามเดิมอยู่นี่และไม่ต้องตามเขาขึ้นไปให้เสียเวลาเหนื่อยเปล่าหรอก ทั้งสองคนจะต้องปีนหน้าผาขึ้นไปและพวกเราก็ยังรอกันอยู่ที่นี่ระยะพอจะมองเห็นได้ตาเปล่าธุระอะไรที่น้อยจะต้องตามขึ้นไปให้พี่เขาต้องคอยกังวลห่วงอยู่ด้วยออมแรงไว้ตอนออกเดินดีกว่านั่งอยู่กับพวกเราตรงนี้แหละหล่อนจำนนเพราะถูกทุกคนขัดขวางจำต้องนั่งลงตามเดิมอนุชากับนานอินเตรียมตัวอย่างรวดเร็วไม่เอาเครื่องหลังหรือแม้แต่ลเฟิรนติดตัวไปด้วยให้เป็นภาระหนัก สิ่งที่เตรียมก็มีเพียงแค่ปืนพกจุดซีซีติดตัวส่วนนานอินก็แค่มีดเน็บหลังสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเชือกประจําตัวสําหรับไต่เขาแล้วก็วิทยุติดตัวแม้แต่ขยินจะอาสาติดตามขึ้นไปด้วยก็ยังถูกนานอินห้ามไว้เพราะเห็นว่าไม่จําเป็นข้าจะขึ้นไปดูรอยของนายละพินเท่านั้นว่าจะขึ้นไปทางด้านนั้นหรือเปล่าประเดี๋ยวก็ต้องกลับลงมาอีกเองอยู่เป็นเพื่อนเจ้านายที่นี่ก็แล้วกันแกสั่งแล้วก็หันมาทางกลุ่มเจ้านาย ผาตรงนี้เรียกผางูเห่าเพราะงูเห่าและงูพิษสารพัดชนิดชุมมากเวลาไต่เขาขึ้นไปต้องระวังเวลาเอามือเกาะตามแง่หินหรือผ่านพโพรงหินมันฉกเอาง่ายๆนายหญิงอยู่ที่นี่ดีแล้วลำพังพรานชดกรหนานอินสองคนพอจะระวังตัวเองได้สมัยก่อนตอนเดินป่าอยู่แถบนี้ถ้าผ่านมาหาอาหารกินไม่ได้ก็ขึ้นไปจับงูกินกันบนโน้น ตกลงเสร็จสับทั้งอนุชากับนานอินก็เผาออกจากที่พักชั่วคราวทันทีเสียงเชิฐาตะโกนไล่หลังมาว่าทางด้านนี้จะเปิดวิทยุเตรียมพร้อมไว้นะไต่ขึ้นไปบนนั้นแล้วเราจะใช้วิทยุติดต่อกันอนุชารับคำและสองคนกับพรานคู่ใจที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาเสมือนเพื่อนคู่ชีพก็ไต่ต า, ตามโขดหินอย่างคล่องแคล่วว่องไวใบหน้าสูงขึ้นไปทุกที โดยที่พักพวกเบื้องล่างพา ก, กันนั่งมองตามหลังอยู่ไม่มีอะไรจะต้องห่วงสำหรับคนคู่นั้นเพราะเป็นทีมเวิร์อย่างซึ่งรู้จิตใจรู้ฝีมือกันมาอย่างดีที่สุดแล้วระยะที่แยกไปก็ไม่ไกลนะักมีแต่ระดับความสูงเท่านั้นและจะมองเห็นได้จากเบื้องล่างตลอดเวลาทวัดเป็นเส้นตรงระหว่างตำแหน่งที่นั่งพักรออยู่กับหน้าผาหินตรงรูปสิงโตหมอบนั่นก็ห่างไม่เกินสามสี่ร้อยหลาเท่านั้น การที่อนุชาไม่เอาไรเฟิ้นติดมือไปด้วยก็บ่งความหมายชัดว่าจะไม่มีอันตรายใดๆจากสัตว์ใหญ่ทั้งสิ้นขณะนั้นตะวันเที่ยงตรงศิษะพอดีฟ้าเบื้องบนเป็นปุยเมฆขาวดารินใช้กล้องส่องจับการเคลื่อนไหวของพี่ชายและพรานเท่านานอินทุกระยะอนุชาและนานอินไต่ขึ้นไปตามเนินหินที่ค่อยๆสูงขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงแนวตีนเชิงของหน้าผาตัดด้วยความคล่องตัวสูงสุด เพราะไม่ต้องแบกภาระหรือง ม, มัวกังวลรอคอยใครอยู่อีกในสายตาของพักพวกที่นั่งพักบังเงาแดดกันอยู่เป็นกลุ่มและจับตาดูอยู่ตลอดเวลาเห็นคนทั้งคู่เริ่มตัวเล็กลงทุกขณะเท่าที่ระยะเคลื่อนห่างสูงขึ้นไปจนในที่สุดก็มีขนาดเท่าตุ๊กตาเท่านั้นแต่ก็ปรากฏอยู่ในสายตาทุกระยะเมื่อเห็นว่าทั้งสองขึ้นไปเดินเลาะเหมือนจะหาทางขึ้น อยู่ตรงตรีหน้าผาตัดนั้นเชิฐานใช้วิทยุเรียกเป็นการทดสอบสมรรถภาพของการรับส่งไปในตัวด้วยเป็นยังไงบ้างกลางเท่าที่เห็นผัดผาดอยู่นี้ก็ดูว่าสะดวกดีอยู่หรอกนะแต่พี่รู้สึกว่าจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะหน้าดูครับพี่ใหญ่เสียงตอบแว่วมาจากวิทยุทุกเครื่องของฝ่ายด้านล่างซึ่งเปิดพร้อมสแตนบายอยู่ตลอดเวลาชัดเจนแจมสายดีมากวิวของภาพจากมุมที่นั่งดูกันอยู่ มันลวงตาแต่ถ้าปีกันจริงๆแล้วถึงจะรู้สึกกว่าจะข้ามโขดหินได้แต่ละลูกเต็มกลืนทีเดียวตอนนี้ผมกับนานอินเหงื่อชุ่มเต็มตัวยังกระอาบน้ำงั้นแหละอากาศก็ร้อนมากดีแล้วที่ไม่มีใครตามขึ้นมาด้วยให้เหนื่อยเปล่าแล้วนั่นแกสองคนกำลังทำอะไรอยู่พยายามอ่านลายแทงตรงหน้าผาเรียบนั่นหรือยังไงชยันกดคีย์พูดแทรกไปบ้างเสียงหัวเราะตอบมาไม่มีลายแทงอะไรบนผนังหินเรียบของหน้าผานี่หรอก มีแต่เปลวไฟไอร้อนละเหย อ, ออกมายังก็แผ่นของเตาอบงั้นแหละอามือแตะแทบไม่ได้เดียวกำลังหาลู่ทางที่จะไต่ขึ้นไปบนนั้นมีล่องรอยอะไรของพวกนั้นที่ผ่านขึ้นเส้นทางนี้บ้างไหมเชษฐาถามไปอีกยังไม่พบอะไรเลยครับเพราะเป็นโขดหินแข็งล้วนๆก็ลองหาดูตามทิศทางผ่านมานี่เหมือนกันจะพบก้นบุหรี่หรือซิ ก, กาที่พวกนั้นทิ้งไว้บ้างหรือเปล่าแต่ยังไม่เห็น เข้าใจว่าทาแม้ขบวนจะพานขึ้นมาทางด้านนี้จริงก็จะต้องออกแรงเหนื่อยกันมากแต่คนเราระวังออกแรงเหนื่อยจัดคงไม่มีใครคิดจะสูบุหรี่รอกจนกว่าจะขึ้นไปถึงหน้าผาข้างบนแล้วอึดใจหลังจากนั้นทั้งหมดก็สังเกตเห็นอนุชาทําอะไรง่วนอยู่ดูด้วยสายตาเปล่าเห็นไม่ถนัดแต่จากกล้องสองทางไกลดาวดินเห็นว่าพี่ชายการกำลังจัดการกับเชือกที่คล้องหลติดตัวขึ้นไปด้วย โดยทำเป็นบ่วงมิหนานอินยืนชี้บอกอะไรอยู่แล้วอนุชาก็ถอยห่างตีนผาออกมาเล็กน้อยแกว่งเชือกโยนสูงขึ้นไปเขาทำอยู่อย่างนี้ประมาณสี่ห้าครั้งปลายบ่วงก็คล้องกับแน่หินที่ยื่นเป็นจา ง, งอยของผาส่วนบนไว้ได้ทดลองกระชากแล้วโหนตัวจนแน่ใจว่าทานน้ำหนักไหวแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปด้วยความชำนาญของนักไต่เขาอาชีพครู่เดียวก็บรรลุถึงชานของหน้าผาตอนนั้นนั้นอินไต่ตามขึ้นไปเป็นคนที่สอง มองจากระยะไกลๆเช่นนั้นดูอะไรต่ออะไรมันง่ายดายดีมากสายเชือกที่ใช้ตายกันขึ้นไปคงทิ้งให้คาวไว้ก่อนเช่นนั้นและทั้งสองบ่าวนายที่ร่วมเป็นร่วมตายกัมาันแอนดิตซึ่งบัด น, นี้ก็มาทำงานเคียงข้างกันอีกครั้งก็ออกเดินสำรวจไปยังบริเวณชานหน้าผาหรือไหลเขาส่วนนั้นซึ่งอุดมไปด้วยโขดหินเป็นเหลี่ยมเป็นมุมภายใต้ชะ ง, งอนเขาใหญ่ที่ทมึนอยู่ดูเหมือนภาพสิงโตหมอบสันฐานมองด้วยตาเปล่าระยะ ใก้คล้ายตัวสควินของอียิปต์โบราณซ้ําด้านบนขึ้นไปยังเป็นเขาลูกกลัวยอดแลมเหมือนปีรามิดดูลึกลับวังเวงชอบกลภาพของทั้งสองคนที่ขึ้นไปอยู่บนนั้นบางทีก็โผล่มาให้เห็นที่โลกงบางทีก็ลับหายไปเพราะมุมแง่หินบางพักใหญ่ต่อมาของการเฝ้ารอคอยฟังค่าวอยู่ยังสงบเสียงของอนุชาวราฤทธิ์หรือพลานชดก็แววมาจากลําโพง ว, วิทยุเล่าว่าชัดเลยที่เดาไว้ไม่ผิด ระพินพาพวกนั้นตัดทางขึ้นมาบนนี้จริงๆนั่นแหละพบร่องรอยของการขึ้นมาพักเหนื่อยชั่วคราวร่องรอยของการลำเลียงชักลอกสัมภาระส่วนใหญ่ขึ้นมาจากด้านล่างก้นบุหรี่และที่สำคัญที่สุดมีปลอกกระสุนสั้นจุดสามห้าเจ็ดถูกทอดออกทิ้งอยู่นัดหนึ่งแสดงว่ามีการยิงอะไรกันบนนี้ระหว่างที่ขึ้นมาพักกันอยู่ที่นี่เชฐาชัยยันและดาริน ไว้ตัวด้วยอาการตื่นเต้นในข่าวใหม่นั้นทันทีปลอกกระสุนปืนสั้นหรือครับพี่กลางพอมีหลักฐานร่องรอยอะไรไหมว่าพวกนั้นยิงอะไรดารินถามโดยเร็วกําลังตรวจหาอยู่นี่แต่ยังไม่ได้เค้าเงื่อนอะไรว่ากระสุนนัดนี้จะใครยิงและยิงอะไรมีอยู่ปลอกเดียวเท่านั้นแต่สังเกตดูว่าเมื่อยิงแล้วก็ถอดปลอกออกโยนทิ้งอันหมายถึงว่าจะต้องบรรจุนัดใหม่เข้าไปแทนให้เต็มอาจารย์นโม่ตามเดิม ก็คิดว่าคงจะไม่ได้ยิงในเรื่องสาหัสสาการอะไรนะเพราะมิฉะนั้นคงไม่มีโอกาสจะถอดปลอกที่ยิงไปเพียงนัดเดียวออกโยนทิ้งไว้หรอกและต้องไม่ใช่ระพินด้วยเพราะระพินไม่ใช้ปืนสั้นขนาดจุดสามห้าเจ็ดติดตัวถ้าจะมีปืนสั้นก็น่าจะเป็นจุดสี่สี่ปลอกกระสุนอันนี้ทึงควรจะเป็นของพวกฝรั่งหรือนายทหารหนุ่มที่ชื่อชดูทคนนั้นเสียมากกว่าอ้อประโยคหลังพี่ชายกลางหัวล เ, เอามาเบา แล้วก็มีหลักฐานทางวัตถุอะไรอีกบางอย่างที่น้อยคงจะสนใจเป็นพิเศษพบโดยบังเอิญทิ้งอยู่หลังก้อนหินก้อนหนึ่งอะไรครับพี่กลางหล่อนสวนถามทันทียังตื่นตื่นอย่าเพิ่งให้บอกตอนนี้เลยประเดี๋ยวกลับลงไปแล้วจะเอาไปให้ดูเองดารินเริ่มกระสับกระสายอยากรู้ติดหมัดขึ้นมาทันทีขยับจะกดคียเล่งแล้วสอบถามพี่ชายขึ้นไปอีกแต่ชายยันเอื้อมมือมาคว้าแขนยับยังไว้ทัน อย่าเพิ่งถามอะไรเขานอกเรื่องก่อนเลยน้อยเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาลงมาให้ดูก็รอก่อนตอนนี้ปล่อยให้เชตฐาติดต่อกับอนุชาในเรื่องที่สาคัญมากกว่าเก่อนดีกว่ากลางพี่ชายใหญ่พูดทางวิทยุชนิดเป็นคำสั่งทางการตรวจดูให้แน่ที่สุดว่าคนพวกนั้นได้ขึ้นทางหน้าผาด้านนี้จริงและใช้เส้นทางตามไหลเขานั้นเดินทางไป รอสักครู่ครับขอเวลาอีกห้านาทีผมจะแน่ใจยิ่งขึ้นขณะนี้หนานอินกำลังตรวจเส้นทางจากจุดเริ่มต้นตำแหน่งที่พวกนั้นขึ้นมานั่งพักรวมกลุ่มกันอยู่แต่ก็ไม่น่าจะสงสัยอะไรอีกลงพวกนั้นได้ตัดสินใจลำบากเสี่ยงไตขึ้นมาตามเส้นทางนี่แล้วก็จะต้องใช้เส้นทางไหลาผานี่แหละตัดเทือกเขาไปตกลงเราจะรอแต่อยาให้ชานะตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้ว ในความแน่ชัดอย่างไรเราจะได้ตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งเพื่อจะเร่งเวลาเดินต่อของเราให้เร็วที่สุดเสียงรับคํามาแล้วก็เงียบหายไปรวมทั้งภาพของอนุชากับนานอินที่เห็นเห็นหายหายอยู่บนไหล่เขาตอนนั้นก็ลับตาไปด้วย5นาทีตามที่ขอเวลาไว้ตรงเพลงเสียงอนุชาก็บอกลงมาทางวิทยุโดยมองกันไม่เห็นตัวว่าพี่ใหญ่ครับไม่มีปัญหาให้สงสัยอะไรอีกต่อไปแล้ว ประพินพาพวกนั้นเดินไปตามไหล่เขานี่แน่นอนเพื่อมุ่งลงโป่งน้ําร้อนถ้างั้นทางเราจะเอาอยัางไงดีพี่คิดดูว่าในเมื่อคณะนั้นยังขึ้นไปทางนั้นได้ทําไมพวกเราถึงจะขึ้นไปไม่ได้เชษฐาพูดกลอกลงในวิทยุช้าๆอย่างไตรตรองขอทําความเข้าใจอีกครั้งครับการไต่หน้าผาตอนนี้ตลอดจนการลําเย็นสัมภาระขึ้นไม่เหลือบ่ากว่าแรงอะไรนะ แต่ปัญหาสําคัญมันอยู่ที่ตําแหน่งแคบเรียบไหลผาอีกด้านเป็นเหว ล, ลึกดังที่ผมได้บอกแล้วผมไม่ต้องการให้พวกเราเสี่ยงกันเกินความจําเป็นในกรณีที่มีทางเลือกอย่างอื่นถ้าไม่มีทางเลือกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งระยะเวลาของเราวันนี้ก็ยังมีอยู่เหลือเฟือที่ใช้ไปถึงโป่งน้าร้อนโดยไม่ต้องลําบากเสี่ยงภัยจนเกินไปนะความเห็นของนานอินเป็นยังไงกลางชยายันถามไปบ้างนานอินก็มีความเห็นตรงกับฉันนี่แหละรับรองว่าจะนําไปถึงโป่งน้ำร้อน ให้ถึงภายในเวลาโปรเพลของวันนี้ด้วยก่อนตะวันตกดินก็อาจไหวถ้างั้นทั้งสองคนกลับลงมาได้แล้วเราจะได้ออกเดินทางกันเดี่ยวนี้เลยอนุชารับคําและเงียบ ไ, ไปอีกต่อมาทุกคนจึงเห็นทั้งสองคนปรากฏที่หน้าผาตําแหน่งที่ไต่เชื่อขึ้นไปครั้งแรกแล้วไตกลับลงมาต่อจากนั้นก็ปีนตามโขดหินเชิงผาตรงกลับมายัางที่พักรอคอยของทุกคนระยะเวลาทั้งหมดนับตั้งแต่ขึ้นไปสํารวจ และกลับลงมาของอนุชากับนานอินกินเวลาไม่เพียงกินเวลาเพียงไม่เกิน4ี่สนาทีเท่านั้นเมื่อกลับลงมาถึงภาคพวกที่รอคอยอยู่ก่อนทั้งสองเปียกจนชุ่มทั้งสองเปียกเหงื่อจนชุ่มสุดตัวลงนั่งเหยียดเท้ายาวกับพื้นดื่มน้าวันอีกอึกใหญ่สิ่งแรกที่อนุชาทําเมื่ อ, อย่อนกายลงนั่งก็คือควักกระเป๋าส่งปลอกกระสุนขนาดจุดสาห้าเจ็ดแม็กซ์ ให้ทุกคนดูพร้อมกับก้นซิก้าดุนขนาดเท่าหัวแม่มือเหลือสั้นประมาณสองนิ้วกับก้นบุรีแบบมีฟิลเตอร์ผลิตในสหรัฐอีกสามสี่ก้นซึ่งเป็นหลักฐานอย่างดีที่สุดพิสูจน์ให้ทราบว่าคณะที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วได้ขึ้นไปหยุดพักบนหน้าผานั้นจริงก่อนที่จะเดินทางต่อไปเชษฐถาชายัยยันตรวจดูก้นซิกาและก้นบุรีเหล่านั้นซึ่งมันก็ประเภทเดียวกับที่เคยพบมาก่อนแล้ว ในแคมป์พักนอนตรงชายลำทานใกล้หมู่บ้านซับบอลลักษณะความเก่าของมันไม่เกินสิบวันมานี่เองและมีรอยเปียกน้ำแล้วน้ำฝนที่ตกลงมาและแห้งแล้วสลับกันอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังพอดูออกถึงการเวลาอันผ่านมาไม่นานนี้นะส่วนดาวรินตัวดูปลอกกระสุนปืนซึ่งอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมรอยเจาะของเข็มแทงชนวนท้ายกระสุนตัวอักษรบอกยี่ห้อผู้ผลิตและขนาดปรากฏอยู่ชัดเจนยิงอะไรกันนี่ หล่อนพุมพามเหมือนจะถามตนเองขณะที่พลิกดูปลอกกระสุนนั้นไปมาเดายากไม่พบซากสัตว์อะไรบนนั้นใครอาจลองทางปืนสั้นประจำตัวหรืออาวุธยิงงูเห่าก็ได้แต่ซากงูไม่มีให้เห็นเวลามันล่วงมาเจ็ดแปดวันแล้วถ้ายิงงูก็แปลว่ามดหรือแมลงแทะซากหมดแล้วไม่ก็สัตว์เล็กๆอื่นลากไปกินนอกจากปลอกลูก ป, ปืนสั้นนี่แล้วพบปลอกลายเฟื่องกระสุนขนาดอื่นอีกบ้างไหม พี่ชายกลางสันศิษะดื่มน้ำอีกครั้งไม่มีแล้วไหนพี่กลางบอกมีหลักฐานทางวัตถุอะไรอีกอย่างหนึ่งที่จะให้น้อยดูหล่อนทวงถามทันทียังไม่ลืมอนุชาทําท่าเหมือนจะนึกขึ้นมาได้อุธานออกมาว่าอ้อแล้วก็ล้วงกระเป๋าย่ามที่ขากางเกงเดินป่าดึงเอาอะไรชนิดหนึ่งเป็นชิ้นยาของพ่อตวนลักษณะขาดลุ่งลิ่งออกมาแกลงต่อนหน้าทุกคนซึ่งจ้องมาจากนั้นก็โยนไปที่ตักของดารินอา้าวดูเสีย เขาบอกหน้าตาเฉยในขณะที่ดารินนั่งจ้องตะลึงและส ว, วยขึ้นมาคลี่ดูโดยเร็วส่วนเชษฐากับชา ย, ยันอุทานออกมาเบาๆอย่างประหาดใจพร้อมกับว่าที่บราเซียดารินหน้าเผื่อลงไปนิดหนึ่งแล้วกลับแดงเข้มหลอนแกว้งสิ่งนั้นหลบมือของชา ย, ยันที่เอื้อมมองเหมือนจะแย่งไปดูบ้างแล้วกัดลินฝีปากปบอกพิจารณาดูอย่างพินิจพิเคราะห์ใช่แล้วบราเซีย เนื้อผ้าเป็นตัวมันระยับหม่เอี่ยมและแบบทันสมัยที่สุดไม่มีสายคล้องไหลแต่ใช้ระบบอิลาสติกชั้นดียืดหยุ่นลัดได้ใช้ขอเกี่ยวด้านหน้าแต่ตัวขอเกี่ยวชมรุดขาดหายไปจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้การได้ส่วนตัวเนื้อผ้ายังดีอยู่ทุกอย่างเพียงตรงบริเวณที่ห่อหุ้มเต้าด้านหน้าใกล้ๆกับบริเวณขอเกี่ยวมีรอยคลุ้งลอกขาดบ้างเท่านั้นพี่กลางพบที่ไหนคะ ร่อนถามบังคับเสียงไม่ให้สัน่นหลังก้อนหินซุกไว้ในโพรงตื้นๆเหมือนเจ้าของจะถอดทิ้งแต่ซ่อนหลบไว้ความจริงพี่ไม่ได้เห็นเองหรอกนานอินนั่นแหละไปพบเข้าหยิบมาให้ดูอนุชาตอบด้วยเสียงธรรมดาที่สุดแต่จ้องหน้าน้องสาวขม็งเหมือนจะหาล่องรอยแห่งความรู้สึกภายในไหนส่งมาให้พี่ดูสิน้อยพี่ชายใหญ่เ อ, อ่ยขึ้นพร้อมกับยื่นมือออกมา ดารินส่งไปให้รากสกุลหนุ่มใหญ่แล้วไปพิจรารณาอย่างถี่ถ้วนมีรอยขาดชํารุดด้านหน้าในลักษณะของอุปตวะเหตุคล้ายๆกับว่าเจ้าของจะลากตัวครูดไปกับพื้นหินขรุขระเอาอกพังภาพลงเลยทําให้คอเกี่ยวไว้ด้านหน้ากับเนื้อผ้าบางส่วนขาดไปและไปที่พบซุกอยู่ในโพรงหินก็คงเป็นเพราะเจ้าของถอดทิ้งเปลี่ยนใหม่เนื่องจากว่าเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะนจําติดตัวไปใช้งานต่อไปได้แล้วนั่นเอง กลาจบก็โยนบราชมรุตัวนั้นไปให้ชัยยันผู้คว้าเอาไปคลี่ดูอีกคนหนึ่งอย่างสนใจเต็มที่อดีตนายทหารใหญ่ปืนใหญ่จุปากมาบอดไม่ได้ที่จะ ก, กระซ้อาเพื่อนสาวด้วยกันพูดเปรยเปรยแม่โว้ยขนาดไม่ใช่ย่อยเลยนี่บลาตัวนี้แต่เดาไม่ถูกว่าของนายคีตหรือของนายสแตนลีย์กันแน่เออกลิ่นสาบก็ไม่เลวเหมือนยี่หล่าผสมน้ำมันเนย กินเหมือนของเมียเธอหรือเปล่าล่ะดารินสวนมาโดยเร็วและกระชาก ค, คืนมาพร้อกับตะวาดเบาๆว่าเอามานี่ชายันหัวลรากกึกๆแต่แล้วก็หยุดนิ่งวางเฉยลงเสียเมื่อทั้งเชษฐาและอนุชามองหน้าเป็นความหมายไม่ให้พูดอะไรเป็นที่สะเทือนใจน้องสาวของตนอีกดารินพิษและพิษอีกแล้วนำลงวางกับตักจดลอยที่ขาดเข้าหากันเพื่อจะวดหาขนาดอย่างแท้จริงรวมทั้งพิจารณาดูขนาดของกระเปะ ส่วนที่ประคองเต้าเป็นรูปเบ้าครึ่งนั่นอย่างประสงค์จะหาส่วนสัตว์อย่างแท้จริงเชิถารู้ใจถามเรียบเรียบเบาๆมาว่าเท่าไร่ไม่มีเบอร์บอกไว้ค่ะแต่ขนาด 36-37 ไม่เกินและไม่น้อยไปกว่านี้ทายถูกไหมว่าควรจะเป็นของใครระหว่างคริสติน่ากรูบิลแม่ผมทองกับอิสเบลมูแม่คนผมแดง น้อยไม่เคยเห็นตัวจริงของทั้งสองคนนอกจากรูปถ่ายที่ได้รับจากคุณอัมพลเท่านั้นแต่ก็มีอยู่หลายรูปที่ถ่ายไว้เต็มตัวหลอนตอบแผวเบาลีตาลงถ้าจะให้ถ่ายก็ควรจะเป็นของคนที่ชื่อคริสติน่าเพราะเพรียวและได้สัดส่วนกว่าอิสซาเบลถ้าแม่ผมแดงนั่นควรจะต้องมีขนาดใหญ่กว่านี้เพราะรูปร่างเบอะบากกว่ามาก ปัญหามันมีอยู่ว่าทำไมขอเกี่ยวถึงขาดชำรุดและตัวบราส่วนหน้าก็มีรอยฉีกฉลอกด้วยจนเจ้าตัวต้องถอดทิ้งแล้วแอบซุกไว้เทศถาพูดเรียบๆลุงอินหมอมราชวงศสาวคนสวยหันไปทางครูพานพูดเท่าลุงสังเกตบริเวณรอบๆกับที่พบเสื้อชั้นในตัวนี้ไหมพอจะบอกได้ไหมว่ามันอยู่ในที่รับตาโดยเฉพาะรว่าใกล้เพียงกับตาแหน่งที่คนมากๆนั่งพักกันอยู่อยากจะรู้ละสิว่า ใครเป็นคนกระชากเสื้อตัวนี้ออกหรือว่าเจ้าของเสื้อถูกใครปลุกปล้ำาช้ยันอดไม่ได้ตามเคยที่จะกระเซามาอีกถ้าไม่อยากจะถูกชกปากเสียเดี๋ยวนี้ก็กรุณาหุบปากเสียหน่อยได้ไม่ใชยันดารินหันไปพูดหุนหวนอดีตนายทหารปืนใหญ่ยักไหล่และยิ้มไม่พูดอะไรอีกหล่อนหันมาสอบถามซักความคาดคันกับนานอินต่อไปครูพานพูดเท่า ซึ่งไม่รู้ความนายอะไรเกี่ยวกับเสื้อชั้นนายตัวนี้ก็บอกตามตรงของแกเท่าที่เห็นว่ามันก็อยู่หลังก้อนหินที่พวกนั้นไปนั่งพักรวมกลุ่มกันอยู่นั่นแหละนายหญิงแม่มคนนึงใส่เสื้อชั้นนตัวที่ขาดนี่คงจะเลี่ยงไปอยู่ด้านหลังหินแล้วถอดออกเปลี่ยนใหม่ทิ้งตัวเก่าไว้ในซอกหินนั่นซุกไว้ถูกแดถูกฝนเหลือไปเห็นครั้งแรกนานอินึก ว, ว่า ง, งูดูไปอีกทีเอ๊ะไม่ใช่เลยหยิบออกมา พรานชดก็เลยช่วยเอามาด้วยอย่าเต้นไปตามการแย่ของชายยันหน่อยเลยน่าน้อยพี่ชายกลางบอกมาเพราะอ่านข้อกังวลในใจของน้องสาวได้ถูกปลาตัวนี้ที่มันขาดไปใช้ไม่ได้จนเจ้าของต้องทิง้งหลักฐานก็มีเห็นอยู่ว่ามันขาดโดยรอยครูดไถกับพื้นไม่ใช่จากฝีมือกระชากทิ้งของใครหรอกพี่ชายว่าระหว่างโหนเชือกใตหน้าผาขึ้นไป แม่มคนใดคนหนึ่งระหว่างสองอันเป็นเจ้าของบลาตัวนี้จะต้องเอาอกครูดกับพินเพราะอะไรสักอย่างหนึ่งบลามันก็เลยขาดเพราะแรงครูดนั้นเจ้าของเขาเห็นว่าใช้ไม่ได้แล้วเลยเอาติดตัวไปด้วยก็ไม่มีประโยชน์เลยทิ้งเสียมันก็แค่นั่นเองคิดมากๆตัวเองจะไม่มีความสุขเสียเปล่าๆไม่มีใครปล้ำหรือกระชากจนขาดหรอกเพราะบริเวณตรงนั้นพวกนั้นไปรวมกลุ่มกันอยู่ทั้งคณะ ไม่ใช่อยู่กันลําพังสองต่อสองเมื่ อ, อไรที่พี่เอากลับลงมาให้ดูนี้ก็เพื่อให้เป็นหลักฐานเท่านั้นว่าพวกนั้นผ่านขึ้นทางนี้แน่ทุลักทุเลกันยังใดบ้างจากหลักฐานที่เราพอจะพบเห็นได้ดารินฝืนยิ้มจืดจืดน้อยก็ไม่ดีว่าอะไรนี่คะก็ดีแล้วที่พี่กลางเอาติดตัวลงมาด้วยทิกก้นบุรีปลอกลูกปืนยังเอาลงมาได้布拉เซียทั้งตัว ที่ไปพบเขาก็ควรจะต้องเอาลงมาให้ดูด้วยเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานที่จะช่วยให้เราอ่านเหตุการณ์ของวันนั้นได้อย่างใกล้เคียงความจริงที่สุดแต่ทําไมพี่กางถึงไม่ยอมบอกน้อยเสียแต่แรกตอนพูดวิทยุกันว่าเราไปพบปลาตัวนี้เข้าด้วยพี่ขีเกียดบอกเอาลงมาให้ดูข้างล่างดีกว่าขืนบอกตอนนั้นประเดี๋ยวน้อยก็จะตามขึ้นไปดูสถานที่ตําแหน่งพบเซเท่านั้นซึ่งเนยปล่าไม่มีประโยชน์อะไร ชัยยันลุกขึ้นเดินทางออกไปพ้รัศมีอันตรายจากดารินแล้วก็เปลยขึ้นลอ ย, ลอยว่าพี่ชายสองคนช่วยกันปลอบใจน้องสาวดีเลิศเกินเจ้าค่ะเอ้ยคิดด้วยให้ลึกๆหน่อยนะมีปลอกกระสุนปืนหนึ่งนะัดทิ้งกริ้งอยู่มีบราหนึ่งตัวค่ะตกอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยบนหน้าผานั่นเรารู้แต่เราไม่อยากพูดฮิฮิแล้วชัยยันร้องเฮ่อออกมาเสียงหลงยังตกใจเมื่อดารินกระชากกระชากปืนซ้านออกมาจากซองข้างเอว วิ่งเพ่นไป บ, บางหลังนานอินไว้ดาวรินตาเขียวปัดเอามือชี้หน้าไม่คิดเซนนิดเดียวว่าตัวเองทิ้งลูกทิ้งเมียตามมาด้วยฉันจะยิงปากชั่วๆของเธอให้แหวงไปทีเดียวแต่ชัยยันโอ้โหน้อยใจร้ายจังเลยล้อเล่นหน่อยเดียวจะเล่นกันด้วยลูกปืนเชียวเหรอลูกนี้ไม่มาด้วยหรอกชัยยันโวยวายลั่นมาไม่มาก็ไม่ง้ออะไรนี่เชิญเลยกลับไปได้ หยุดเล่นกันไม่เป็นประษาะแบบนี้เสีย ท, ทีเถอะชักลำคาญเต็มทีแล้วทั้งชายยันทั้งน้อยนั่นแหละทุกคนพร้อมหรือยังจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้แล้วพี่ชายใหญ่ของตระกูลพูดขึ้นครึม้มครืมชายยันยิ้มแห้งแห้งเยอะยังบางหลังหนานอินอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งเห็นดารินสอดปืนเข้าซองตามเดิมแล้วจึงค่อยๆโปลออกมาอนุชารา้องสั่งให้พวกลูกหาบเตรียมตัวดารินเก็บบาตัวนั้นไว้ในย่ามหลังของตัวอย่างมิดชิด พี่ชายใหญ่หันมาเห็นก็โมดคิ้วถามว่าเอา้ามนันจะเก็บไปด้วยทำไมเก็บไว้เป็นที่ละลึกค่ะบอนบอกราบเรียบซ่อนแววอื่นใดไว้มิดชิดเผื่อพบเจ้าของเขาเมื่อไหร่จะได้คืนให้เข้าไปเสียเอามาแอบซุกทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ดีเชษฐถามไม่กลาาอะไรอีกพอเห็นว่าทุกคนพร้อมก็โบกมือให้อรุชากับนานอินทาหน้าที่นาทางต่อทันทีโดยตัดไปในป่าแดง ขนานกับเชิงเขาที่กั้นเป็นกำแพงอยู่เกือบสามชั่วโมงเต็มเต็มถ้ำกลางป่าแดงอันแห้งแรงและร้อนละอุขคณะเทศฐาทั้งหมดสิหคนบ่ายหน้ากันไปอย่างเร่งรุดแข่งกับเวลาพ้นทางเดินอยู่ในเกณฑ์สะดวกและมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวในวิวกว้างไกลปราศจากจุบอับเพราะสภาพอันปะอันเป็นป่าโปร่งเรียบขนานไปกับทิวเขาอันเป็นกาแพงกัน้น ฝ่ายซ้ายมือโดยตลอดแลเห็นเป็นรอนสูงสูงต่ําๆยาวเหยียดสุดสายตาความที่แต่ละคนผ่านการบุกป่าพาฝ่าหนา ม, มานานและยังโชคโชนในอดีตที่ไม่ห่างไกลมานี้นะและมีประสบการณ์ช่าชองดีเลิศมาก่อนแล้วยิงไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชิฐถาดารินและชัยยันมีความคล่องตัวได้ใกล้เคียงผ่านป่าอาชีพคนหนึ่ง สำหรับอรุชายนั้นยกเว้นเสี้ยคนหนึ่งเมื่อหวนกลับมาเดินดงอีกครั้งเช่นนี้เขาก็คือพรานชดนั่นเองและใช้วิธีเดียวกับประพินคือเมื่อออกเดินทางจะไม่เข้าไปจับกลุ่มเดินอยู่กับคณะส่วนใหญ่แต่จะรุดไปเบื้องหน้าเต็มฝีเท้าเว้นระยะห่างจากขบวนประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการเร่งพวกที่เดินตามอยู่เบื้องหลังไม่ให้ล่าช้าโอเออยู่หนานอินเชกได้รับคำสั่งให้ลงมาเดินเป็นเพื่อนของกลุ่มพี่น้องและเพื่อน เพื่อให้คอยตอบตอบคำตอมของเพือเป็นเพื่อนคุยหากคนเหล่านั้นเกิดปัญหาขึ้นขยินนั้นเดินปิดหลังคุมอยู่ท้ายขบวนลูกหา่ามาช่วงบ่ายของการเดินทำเวลากันอย่างจริงจังนี่เองดารินจึงเพิ่งจะรู้สึกตัวชัดว่าแม้หล่อนจะพยายามเร่งฝีเท้าสักเท่าใดก็ไม่อาจไล่พี่ชายกลางได้ทันแบบเดียวกับที่หล่อนไม่สามารถตามระพินทันเช่นสมัยก่อนโน้ ทั้งๆ ท, ท, ที่ก็ทนงในฝีเท้าตัวเองไม่ยิ่งย่อนไปกว่าใครหลอนเหน็ดเหนื่อยจนตาลาแต่ก็กักดฟันที่จะเดินคู่อยู่ในตอนหน้ากับพี่ชายกลางให้ได้อย่างมุมานะรูปขบวนการเดินจึงเว้นระยะกันออกเป็นสามช่วงคืออนุชาผู้นำริ้วๆไปเบื้องหน้าถัดมาก็คือดารินผู้โดดเดียวขั้นกลางระหว่างพวกของเชษฐาชัยยันนานอินและลูกหาที่จับกลุ่มไปใกล้ๆกันสภาพการเดินเช่นนี้ เริ่มมาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของการออกเดินทางแล้วคือหล่อนไล่อนุชามไม่ทันสักทีเขาทอดกับที่ไม่ยอมผ่อนฝีเท้าลงมารวมกลุ่มด้านหลังด้วยมีเจตนาแน่วแน่ที่จะตามประกบตัวพรานชดให้ได้จะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักขนาดไหนการทอดระยะเว้นห่างระหว่างพี่ชายกลางกับตัวหล่อนก็คงรักษาระดับอยู่เช่นนั้นชายยันสังเกตมาแต่แรกตลอดเวลาและนึกสงสารเต็มทีหันไปบอกเชิดท้าว่า เรีกน้อยให้กลับมาเดินกลุ่มกับพวกเราดีกว่าเสียเวลาที่จะอวดเก่งตามให้ทันกลางนายนั่นถึงจะไม่ใช่ระผินก็น้องๆเข้าไปแล้วและทําไม่หยุดรอให้แล้วก็ไม่มีพวกเราคนไหนจะเดินตามเขาทันหรอกนอกจากลุงอินกับขยินเท่านั้นตอนนี้กลางก็เร่งสปีดเต็มที่แล้วน้อยขืนบ้าเลือดไปกลัวตามเข้าโดยไม่หยุดรอแล้วก็ขาดใจตายเปล่าโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานายนั่นก้าวไปก้าวเดียวเท่ากับน้อยก้าวถึงสามก้าวอยู่แล้ว เชิดายิ้มขันขันมองดูภาพของน้องสาวคนเล็กที่มีอาการเหมือนเครื่องวิ่งเครื่องเดินอยู่ข้างหน้าเฉยๆเฮอะอย่าเป็นกโตกระตากหรือเตือนอะไรเขาประเดี๋ยวยิ่งมุหนักเข้าไปอีกตลอดช่วงเช้าของวันนี้น้อยเดินนําหน้ามาตลอดเขาคิดว่าเขาแน่แล้วฝีเท้าท้อๆกับพรานอาชีพซึ่งเชื่อใจตัวเองว่าจะไม่มีวันได้ยกว่าใครในคณะพวกเราแต่พอในกลางเริ่อมจะใช้ฝีเท้าจริงเขา น้อยเป็นผู้หญิงจะไปไล่ทันได้ยังไงจะ ต, ต้องพยายามอ่านใจนะ้อยให้เข้าใจไว้ด้วยการมาคราวนี้น้อยคิดว่าตัวเองถ่ายทอดวิญญาณของระพินเต็มเปี่ยมระพินเคยทําได้อย่างไรเขาจะต้องทําได้อย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่าไปทักท้วงแล้วพูดอะไรเป็นเชิงห้ามเตือนเข้าเลยเชียวนะมันจะเท่ากับเป็นการยุปล่อยไปก้อนเถอะไม่ไหวเขาจริงๆก็เซาสงบลงเองแหละกําลังใจของน้อยม่อยู่เต็มเปี่ยม แต่ศรีรและขีควความสามารถมันก็ได้มีได้เพียงเท่าที่ควรจะมีเท่านั้นชัยยันโครงหัวอย่างสมเพศนี่ตลอดเวลาในใจน้อยก็คิดแต่ว่าถึงแหม่มสองคนนั้นคิดเปรียบเทียบ ว, ว่าตัวเองจะต้องเหนือกว่าในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชันเชิงเดินป่าและคงจะสมมุติมองภาพของในกลางในขณะนี้เป็นตัวแทนของรพินเมื่อเห็นว่ากวดไล่ไม่ทันก็ะจะเอาให้ทันให้ได้ในฐานะที่ แกเป็นพี่ชายใหญ่ที่น้อยนับถือเชื่อฟังมากกว่าใครทั้งหมดจะควรจะให้สติอะไรบ้างน้อยขนาดนี้ขณะนี้จิตใจไม่ปกติบ้าบ้า บ, บ, บ่อยู่นะสิ่งที่ชายยันกล่าวเป็นจริงหมดทุกอย่างบนการเล่นฟีเทอรเดินอย่างเต็มที่และตาจับอยู่เฉพาะเป้าหมายเบื้องหน้ามันเป็นด้านหลังของพี่ชายกลางผู้ก้าวดุม ด, มดุมไปตลอดเวลาดารินวราฤทธิ์ตกอยู่ในห่วงพวังสติสัมปชัญญาคัดคา ด, คา ด, คาดหายหาย ความเหนื่อยหนักความทุกข์ระทมใจและสิ่งที่ทรมานอยู่ภายในจิตใต้สํานึกอย่างชนิดไม่มีอะไรมาลบเลือนไปได้เปลวแดดที่แผดร้อนเหมือนอยู่ในเตานรกทําให้หล่อนมองเห็นภาพของอนุชากลายเป็นภาพของระพินไประพินในยุคที่หล่อนเคยเดินกวดตามไล่หลังเขาระพินคนใจร้ายหลอด้วยสิหล่อนตะโกนก้องขึ้นสุดเสียงดังลั่นไปทั้งป่า และพร้อมกันก็สะดุดเก้นหินลมฟุบหลงหน้ามืดเป็นลมหมดสติลงในบัดนั้นจากเสียงร้องแหลมนั้นอนุชาหยุดชะงักหันขอบกลับมามองหลังขนาดเดียวกันพวกที่เดินตามอยู่เบื้องหลังก็มองเห็นภาพนั้นพร้อมด้วยความตกใจน้อยทุกคนร้องร่นออกมาเป็นเสียงเดียวกันหมดร่างนั้นฟุบนิ่งไม่ไหวติง่งพี่ชายกลางวิ่งย้อนกลับมาในขณะที่พี่ชายใหญ่ชายยันและนานอินขยินวิ่งพลูกันเข้าไปรวมจุดอนุชาเข้าถึงตัวน้องสาวเล็กกนคนทุกคน สุดตัวลงประครองเขย่าเรียกแล้วปลิกหงายขึ้นในขณะเดียวกันพี่ชายใหญ่และพักพวกก็เข้ามาถึงภาพที่ทุกคนเห็นหม่อมราชวงศ์หญิงดารินราริศหน้าขาวเผือดดวงตาปิดสนิทเร็วครับพี่ใหญ่ช่วยกันหน่อยน้อยเป็นลมไปแล้วอนุชาร้องเร็วปรื้ชา ย, ยันโดดเข้ามาเขยา่าตัวปลุกเรียกอีกคนหนึ่งร่างของหม่อมราชวงศ์สาวอ่อนปวกเปียก แล้วทั้งสามก็พูดกันลงเลี้ยงเร็วหรือฟังไม่ได้สับไปหมดช่วยกันถามร่างอะไรสตินั้นเข้าไปบังเงาร่วมที่โขนหินใหญ่ริมทางตอนหนึ่งเช็ดถังน้ําเย็นจากกติกชุบผ้าขนหนูสะอาดจนชุม่มแตะเช็ดซับไปตามใบหน้าอันโชคไปด้วยเหงื่อนั้นพร้อมกับใช้สําลีแต่แอมโมเนียลนอยู่ที่จมูกชุนลมุนกันไปหมดเสียงพวกลูกหักที่หาของวิ่งเข้ามาถึงปลงของลงจากบาชั่วคราวพลูเข้ามาลายล้อม ถามกันให้แซบด้วยความตกใจว่านายหญิงนายหญิงเป็นอะไรไปแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆจากกลุ่มของเจ้านายที่กำลังกุรีกุจอประถมพยาบาลนายหญิงของทุกคนอยู่นั้นน้อยพยายามเดินกวดตามแกให้ทันกลางแต่แกไม่ยอมหยุดรอเลยชายันบอกเร็วหรือระล่ำระลักอรุชามีท่าตกใจไม่ใช่น้อยหน้าเผื่ลงคว้าเขามือน้องสาวไปคาชีพจรเห็นเต้นถีเร็วแรงไม่เป็นจังหวะ อุทานอะไรออกมาคำหนึ่งแล้วมันเรื่องอะไรนี่ที่น้อยพยายามจะวิ่งไล่ตามฉันทำไมถึงไม่ไปรวมคุมอยู่กับพวกพี่ใหญ่ฉันมีหน้าที่นำทางฉันก็นำไปข้างหน้าน่ะสิเรื่องอะไรจะต้องกวดตามด้วยไม่เป็นไรหรอกใจเย็นๆพี่ชายใหญ่บอกเรียบๆขยายเข็มขัดของน้องสาออกเพื่อให้หลวมหายใจให้คล่องสะดวกขึ้นน้อยออกแรงมา ก, ห, ากหักโหมเกินไปเลยหน้ามืดเป็นลมให้นอนพักนิ่งสักประเดี๋ยก็จะดีขึ้นเอง อากาศมันอบอ้าวจัดเสียด้วยถ้าเกิดไม่สบายขึ้นตอนนี้เราก็ยุ่งกันใหญ่ฉันบอกตะ ก, กี้นี้แล้วเชษถาบอกให้เรียกน้อยลงมาปล่อยให้กลัวตามนายกลางอยู่ได้ชายันบนช่วยประถมพยาบาลนวดเฟนตามแขนขาเพื่อให้เลือดลมเดินสะดวกขึ้นแพทย์ประจำคณะล้มลงเพียงคนเดียวทั้งคณะกอดไม่ได้ที่จะใจคอไม่สู้ดีเหมือนกันถ้าเป็นคนอื่นก็ยังพอทำเนา เชื่อว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าหน้ามืดเป็นลมธรรมดาหรอกคงไม่ถึงกับเจ็บป่วยหรือมีไข้แทรกซ้อนอย่างอื่นเพ้อน้อยเ อ, อ้ยดูๆไปก็น่าสงสารจนบอกไม่ฉุกประโยคหลังเชิดาพมพุมพำออกมาอย่างสลดสังเวชใจถ้าเป็นความผิดของผมที่เดินเร็วไปหน่อยผมก็เสียใจครับพี่ใหญ่พรานชดบอกมาเบาๆเสื้ตัวลงนั่งเหยียดยาวมือรูปอยู่บนศีรษะของน้องสาวอย่างเวทนาอย่า ก, กังวลไปเลยกลางเธอมีหน้าที่นําทาง เธอก็นําไปเธอมันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของน้อยด้วยที่จะต้องกวดตามเธอให้ทันเพราะไม่จําเป็นอะไรสักนิดถึงอย่างไรเธอก็ต้องไปรออยู่ข้างหน้าแล้วแล้วก็ไม่ได้ทิ้งห่างอะไรนะระยะก็มองเห็นหลังกันอยู่ทุกขณะน้อยอยากจะเดินไปให้ทันเธอเองกิจใจของเขาร้อนรุ่มอยากจะประกบเคียงคู่เคียงบาคเคียงหลายไปทุกขณะซึ่งไม่จําเป็นแต่ชายยันกล่าวต่อมาว่า ก็เห็นอยู่แล้วว่าน้อยใจร้อนอยากจะเดินตามแกให้ทันแกก็เดินอย่างกับกระตามควายหายมันก็น่าขัดใจเหมือนกันที่เร่งฝีเท้าเท่าไหร่ก็ไม่ทันแกสักทีก่อนจะเป็นลมล้มฟุบไปฉันได้ยินเสียงน้อยตะโกนเรียกลัพินบอกให้หยุดหอพอขาดเสียงก็ล้มคว่ำเลยแสดงว่าขณะนั้นคงไม่มีสติเป็นของตัวเองเลยแต่มองเห็นแกเป็นลัพินไป อนุชาและเชษฐานิ่งงันไปด้วยคำพูดของชัยยันถ้างั้นก็แปลว่าในสมัยที่เคยเดินป่าอยู่ด้วยกันสมัยก่อนละพินเคยเดินทิ้งน้อยให้อยู่ห่างข้างหลังแบบนี้ในที่สุดอนุชาก็กล่าวขึ้นเบาๆก็ใช่นะสิชัยยันกระแทกเสียงถอดหมวกออกพัดให้ดารินผู้นอนหลับตาหายใจรวยๆอยู่ถึงเดี๋ยวนี้ก็ทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนกันแต่ทิ้งเสียห่างไกลลิบเลย จนเจ้าตัวมีจิตใต้สำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องเดินให้ทันให้ตายเหอฉันอยากจะเตะในนั่นและเกินถ้าพบหน้าอีกครั้งจากการช่วยกันปฐมพยาบาลอยู่ครู่ใหญ่สติสัมปชัญญะที่ขาดหายวับไปเหมือนเปลวไฟบนปลายเทียนที่ถูกเป่าดับลงทั่วขณะก็ค่อยๆกลับคืนมาดารินราริดปเปลเปอกตาสว่างโพลงขึ้นสิ่งแรกที่เห็นก็คือใบหน้าของพักพวกทุกคนรอยสลอนกาลังจับจ้องมองมาที่หล่นตาเดียว ไกลบ้างไกลบ้างศีรษะของหลอนรู้สึกจะพาดอยู่บนตักของพี่ชายใหญ่หลอนขยับจะลุกขึ้นอย่างรวดเร็วพรวดพราดแต่เชษฐาเอามือกดไหล่ไว้นอนพักอีกสักเดี๋ยวเนาะอย่าเพิ่งลุกขึ้นมาก่อนหญิงสาวพริบตายัางงง ง, ง, งมองไปรอบกายอีกครั้งเหมือนจะทบทวนเอ๊หลอนอุทานแหบๆ เ, เพียงแค่นั้นชา ย, ยันบอกขมขืมนว่าเธอเหนื่อยมากเป็นลมไปชั่วขณนะสำรวจตัวเองตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้าง มึนปวดหัวดารินบอกง่ายๆสั้นๆเอามือทั้งสองกุมขมับเอายาแก้ไข้สกัดไว้ก่อนดีไหมคงไม่ต้องหอกขอน้ำสักนิดดีกว่าชายันส่งกระติกน้ำให้หลอนรับมากรอกใส่ปากเดิมเข้าไปสองสาอึกแล้วส่งคืนสีหน้าเริ่มมีเลือดฝาดขึ้นบ้างแต่อิดโรยอยู่ฉันเป็นลมหรืออืมถ้าจะจริงแหละความรู้สึกครั้งสุดท้ายฉัเห็นละพินเดินอยู่ข้างหน้า แต่กวดตามยังไงก็ตามเขาไม่ทันต่อจากนั้นก็หน้ามืดเธอไม่ได้เดินตามหลังละพินหรอกแต่ตามหลังในกลางความเหนื่อยนะักความคิดฟุ้งซ่านก่อนจะเป็นลมไปเพระออกแรงมากเลยทําให้เห็นเป็นละพินไปพักอีกสักเดียวอะไรก็จะดีขึ้นเองสําคัญว่าอย่า ห, ากหักโหมเหมือนตะกี้ก็แล้วกันนี่ฉันหมดสติไปนานไหมหล่อนถามเบาๆปลดมือพี่ชายใหญ่ที่กดไหล่ไว้ออกให้ดึงกายขึ้นนั่ง ก็ไม่นานหรอกแค่เจ็ดแปดนาทีเท่านั้นโชคดีมากที่ตอนลมหน้าไม่ฟาดลงไปกระทบแง่หินดาเรนฝืนยิ้มดุนาฬิกาข้อมือแล้วถอนใจยาวขอโทษทุกคนที่ทำให้ต้องเสียเวลาเอาล่ะฉันรู้สึกหายเหนื่อยและปกติเรียบร้อยดีขึ้นแล้วเราเดินต่อกันเถอะว่าแล้วหลอนก็ลุกขึ้นยืนทันทีด้วยความทรหดสุดใจขาดดินพยายามทรงกายตรงทุกคนที่นั่งแวดล้อมอยู่พากันลุกขึ้นด้วย เชถาส่งลายเฟื่อนประจำมือของหล่อนไปให้มาสัญญากันก่อนน้อยก่อนจะเดินทางต่อเธอจะต้องเดินรวมกลุ่มไปกับพี่ชายยันและพวกลูกพระและพวกพรานลูกหาบทั้งหลายไปกันตามสบายไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะไม่ต้องเป็นพวงอยู่อีกว่าจะต้องเดินให้ทันพี่กลางเขาหล่อนหันไปมองหน้าพี่ชายกลางพูดตลอดเวลามองมองเงียบๆโดยยังไม่พูดอะไรสักคำแล้วต่อว่า พี่กลางไม่ยอมรอน้อยเลยนะคะปล่อยให้น้อยกวดตามจนล้มทั้งเดินไม่ใช่ล้มทั้งเดินหรอกแต่ล้มหกคอมเมนเคเกะขณะที่วิ่งเลยอนุชาบอกแล้วเดินเข้ามาโอบไหลไว้ตบเบาๆที่ไหลคราวหลังพี่จะเดินให้ช้าลงพอให้น้อยตามทันวันนี้ล้มไม่เป็นไรพรุ่งนี้พอกําลังเริ่มอยู่ตัวจะดีขึ้นตามลาดับไปเราเดินไปพร้อมๆกันโดยมีพี่กับเราเดินพร้อมๆกัน พี่จะไม่ทิ้งระยะให้ห่างอีกแล้วน้อยจะได้สบายใจดาลินหัวร้อรู้ทันในการเอาใจของพี่ชายไม่ต้องมาห่วงน้อยในเรื่องนี้หรอกค่ะพี่กลางมีหน้าที่เป็นมรุเทศก็นาทางไปตามถนัดเถอะดีเหมือนกันจะได้เป็นการเร่งให้พวกเราเดินได้เร็วขึ้นด้วยถ้าพี่กลางช้าพวกเราก็จะช้าด้วยสำหรับตัวน้อยต้องการฝึกฝีเท้าตัวเองเท่านั้นบ่ายวันนี้ยอมรับว่าอวดดีไปหน่อยโดยไม่ประมาทกาลังของตัวเอง ชีวิตในป่าของน้อยและพวกเราทุกคนแม้จะโชคโชนสักขนาดไหนก็ตามยังเทียบไม่ได้หนึ่งในสิบของพี่กลางใช่สิแล้วสิบพี่กลางก็ยังไม่ได้หนึ่งระพินเพราะฉะนั้นเราจะหวดสิ้เวลาล่าช้ากันอยู่ไม่ได้เลยบางเวลาพี่อาจล่วงหน้าหายรับไปก่อนจะทิ้งลุงอินไว้ให้อยู่ร่วมคณะด้วยลุงอินแกะรอยพี่ได้เสมอรับรองว่าไม่พาหลงไปทางอื่นหรอกอนุชาบอกกับน้องสาวและประคองให้ออกเดินต่อ คราวนี้ทั้งคณะเดินเกาะหมู่ไปด้วยกันทุกคนสังเกตเห็นดารินก็โปกรกเปรี้ยอ่อนเพียไปมากแต่เจ้าตัวพยายามกลบเกลื่อนซ่อนไว้ภายใต้อาการอันเข้มแข็งจากป่าแดงอันแห้งเกรียมที่ผ่านมาโดยตลอดเริ่มผ่านเข้าไปในดงรวกสลับไปกับพุ่มไม้ซึ่งค่อยๆรกชัดขึ้นเป็นลำดับและเรียบชิดชายเขาใกล้เข้าไปทุกทีจนรู้สึกได้ว่า มาเดินอยู่บนไหลเขาตีนเนินชั้นแรกสูงกว่าระดับพื้นราบที่เดินผ่านกันมาแล้วเส้นทางเงียบสงบไม่มีสิ่งใดกระโตกกระตาก น, นกหรือกิ้งกาสักตัวก็มองไม่เห็นและไม่มีล่องลอยสัตว์ใดอาศัยเป็นเส้นทางด่านเลยกว่าทุกคนจะรู้ตัวหมอมราชวงศ์อนุชาหรือพลานชดก็นำมาหยุดยืนอยู่หน้าเวงกว้างใหญ่ใต้ชะง้อนผาตอนหนึ่งมองเห็นได้ชัดว่าเป็นปากถ้าขนาดเรื่อง ซึ่งส่วนหน้าถูกอําพรางไว้ด้วยหมู่หินงอกที่เป็นฉากกำบังอยู่ณนะที่นี้เขาเรียกในชวนหัวหน้าลูกหาบเข้ามาส่งไรเฟิลจุดสี่ห้าแปดประจมือไปให้ถือไว้แล้วแลกเอาปืนลูกซองเ n ฟเ็กึ่งอัตโนมัติบรรจุห้านัดมาตรวจดูสภาพของปืนแล้วสอบถามว่าบรรจุลูกชนิดใดไปบ้างทั้งห้านัดลูกเก้าเม็รับนายหัวหน้าลูกหารตอบอนุชากระชากลูกปลายขนาดใหญ่แบบ SG ีหรือดับเบิลโอบักทั้ง5้านัดออกบอกให้เจ้าของปืนเก็บลูกที่หลนเหลืออยู่แล้วเรียกเอาลูกปลายเม็ดละเอียดลงไปอีกคือเบอร์สองของเรมิงตันบรรจุเข้าหลอดแมกกาซีนแทนป้อนนัดหนึ่งขึ้นลำพร้อมล้วงมือลงไปในกล่องกระสุนลูกซองที่ลูกหาบยื่นส่งมาให้คำเอากระสุนสำรองใส่กระเป๋าไว้อีก6เจดดนัดขณะนั้นคณะทั้งหมดยกเว้นพวกลูกหาบกับขยิน และหนานอินต่างพากันมองดูเขาเงียบเงียบเราจะตัดทางมุดน้าลอดใต้เขานีไปอย่างที่บอกไว้แล้วเขาบอกกับทุกคนดีดก้นบุหรี่ลงกับพื้นแล้วเหยียบดับก็ไม่กไกลและไม่ก ไ, ลไมกไลจนเกินไปนะพอโผลออกตีนเชิงเขาฝั่งตรงข้ามเดินลงอีกนิดเดียวก็จะถึงโง่งน้าร้อนเวลาเลือเฟือเราได้ตั้งแคมป์พักพรงตะวันตกดินแน่ทุกคนพร้อมหรื อ, อยังครับเดี๋ยวกลาง ขอรู้สภาพของเส้นทางเดินในถ้ำนี่ก่อนพี่ชายใหญ่เอยถามขึ้นต่ำๆเขารู้สึกว่าน้องชายกลางจึ ง, ง่ายได้ต่อทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ค่อยจะให้ข่าวอะไรที่ละเอียดนะก็ทําทั่วๆไปนั่นแหละครับพี่ใหญ่ปากทางนี้กว้างหน่อยพอเข้าไปลึกสักหน่อยทางก็จะสอบแคบเข้าแต่ก็เดินกันได้อย่างสะดวกพอสมควรมีทางแยกหลายสายเราจะยึดเส้นทางใหญ่ไปตลอดไม่มีเหวไม่ต้องถึงกับคลาน แต่ให้ระวังแง่หินที่โผล่งอกทั่วๆไปด้วยอาจชนกระทบหักไม่ระวังให้ดีขอให้ทุกคนเตรียมไฟฉายให้พร้อมอากาศถ่ายเทยได้ดีออกซิเจนพอเพียงพอไม่อยากถามเลยแต่ก็อดถามไม่ได้ชายยันพูด อ, อ่อยเอาแขนเสื้อยกขึ้นป้ายเช็ดเหงื่อจะถามอะไรจะ เ, เคยผ่านเข้าออกชำนาญทางนี้มาก่อนหรือก็ไม่มากนักหรอกแค่สองสาเที่ยวเท่านั้นแต่คนใช้เส้นทางนี้ตั้งแต่หนุ่มจนแกยืนอยู่โน่น อนุชาบุยปากไปทั้งนานอินพูดซึ่งบาดนี้กําลังเปลี่ยนลาเฟินของแกกับลูกซองของพวกลูกหาบอยู่เช่นกันหักคอปืนหยิบลูกที่บรรจุออกมาตรวจดูเอาละทางงั้นก็สบายใจได้แต่ช่วยบอกให้หายกังขาอีกสักนิดทำไมแกกับนานอินถึงต้องเปลี่ยนไลเฟินมาเป็นลูกซองด้วยมิหนำซ้ำเมื่อกี้นี้ฉันยังเห็นแกถอดเอาลูกปลายยิงสัตว์ใหญ่ออกหมดใส่ลูกปลายเล็กๆสําหรับยิงสัตว์ปีเข้าไปแทนชายันตั้งปุดฉามาอีกอย่างคนไม่ประมาทอนุชาหัวเลาะ ในถ้เนี่นะรับรองว่าเราจะไม่เจอไอเชือเสือช้างกวางแรดอะไรทั้งสิ้นถ้าจะเจอก็พวกไม่มีตีนเท่านั้นใหญ่ที่สุดก็ไม่แค่เกินหน้าแข้งเล็กที่สุดที่เคยพบมาแล้วก็แค่นิ้วก้อยแต่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนกัดตายทั้งนั้นตายช้าตายเร็วก็สุดจะปริมาณของน้าพิษตามขนาดตัว และชนิดของมันระยะที่พบมักจะห่างไม่เกินสี่ห้าวาซึ่งระยะเผาขนกใกล้ๆแบบนี้ลูกปลายเล็กๆขนาดเบอร์สองจะทํางานได้ดีกว่าลูกปลายเม็ดเครื่องเครือเพราะมันยังไม่ทันบานตูมเดียวขาดกระจุยเลยและลูกปลายเล็กๆก็ไม่แฉลบด้วยส่งสองกระบอกที่เหลือพอแล้วสําหรับชั้นกับนานอินที่จะเดินนําหน้าพี่ใหญ่แกหรือน้อยไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนปืนด้วยหรอกคอยเดินตามหลังให้ดีก็แล้วกันอาจพบหรืออาจไม่พบก็ได้เพียงแค่ป้องกันไว้ก่อนเท่านั้น ความจริงเรื่องพิษงูเราไม่กลัวเมื่อมีนานอินมาด้วยเช่นนี้แต่เราไม่อยากเสียเวลาถ้าใครโดนกัดเข้าทางนี้พร้อมแล้วกลางนำต่อได้เชษฐาบอกอนุชาล้องสั่งความอะไรกับพวกลูกหาบและขยินอีกสองสามประโยคและโบกมือตนเองกับนานอินนำเข้าเวงถ้ำไปก่อนเชษฐาชัยยันและดารินเดินกลุ่มไปด้วยกันไฟฉายพร้อมอยู่ในมือถัดไปก็เป็นพวกลูกหา และเจ้านักเลงโตแห่งล่มช้างคุมท้ายขบวนตามเคยจากปากเวิงถ้ำกว้างใหญ่ลึกเข้าไปประมาณสิห้าเมตรเท่านั้นก็มองเห็นโพรงดามืดรอคอยอยู่เบื้องหน้าอากาศอันระอุอ้าวเบื้องนอกเปลี่ยนมาเป็นความเย็นทันทีและยิ่งเย็นเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเมื่อห่างจากปากทางใหญ่ลึกเข้ามา